เรรท่านสาธุชนพุทธบายสันผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้มาสนทนาธรรมกันด้วยการเข้ามาในห้องสุ่มใครมีความมีปัญหาอยากจะถามก็เชิญเข้ามาได้เราก็จะให้ถามกันตามลำดับที่ใครเข้ามาก่อนนึน คนี้ท่านแรกที่เข้ามาก่อนก็คือคุณปุญญานุชคุณปุ ญ, ญนุชมีคำถามอะไรหรือไม่ลูกเข้ามาร่วมรับฟังและกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่กรทมใช่ไหมค่ะอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะเห็นไปที่คุณสาตกาอยากใช่ น, น่ามันร่วมฟังธรรมค่ะอาจารย์ปฏิบัติต่อนเนื่องค่ะโอเคสาธุธรรมวันคุณธรรมวันจ่ เขทาทำมาําเสนสนนมัศ ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์อพี่พระอาจารย์เตือนให้โยมกลับมาอยู่คนเดียวโยมกลับมาอยู่คนเดียวแล้วนะเจ้าค่ะแล้วมนเดียวได้ดีกว่าเจ้าค่ะมันมันนั่งสมาธิต่างกันเยอะเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่โยมจะถามก็คือว่ามักมีองค์แปดนะเจ้าค่ะมักมีองค์แปดเนี่ยเป็นการทําเหตุใช่ไหมเจ้าค่ะ ได้เป็นเป็นเหตุที่เราต้องทําให้ครบทั้งแปดข้อถ้าเราต้องการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางทีนี้เขามีท่านพระพุทธเจ้าท่านมีพาราลิตี้ไหมคะว่าแต่ละข้อเนี่ยอันไหนก่อนอะไรหรือเดยยงลําดับลงมาหรือว่าเป็นศีลอ๋อมันมันมันเริ่ ม, ม, ม, ม ต, ต้นที่สัมมาทิฏฐิทีนี้เราต้องเข้าใจว่าสัมมาถถทิฏฐินี่มันไม่ใช่มีระดับเดียวเนยมันมีระดับเื้องต้นระดับกลางแล้วระดับปลาย เนี่ยทุกอย่างนี่ต้องเริ่ามาที่สัมมาทิฐิก่อนคือเราต้องมีความเห็นว่าอ่าความทุกข์ของเรานี่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากความอยากววิธีที่จะทําให้ความทุกข์หายไปก็คือเราจะต้องปฏิบัตมิมรรคข้อนรรคต่างๆเนี่ยพอเรามีการเห็นนี้เราก็จะได้ไปไม่รู้ว่าเราเราต้องทําอะไรบ้าง เราตมีสัมมาคัมมันโตการกระทําที่ถูกต้องคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปิดตัวนี้ <Okay. S 1> สัมมาวาจาคือการไม่พูดปล่อยคือโยมขอโอกาสนะเจ้าคะโยมมาเรียนดูทั้งแปดข้อโยมดูเหมือนกับว่าสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชีโวเนี้เป็นเหมือนกับเหมือนกับศีลเลยนะค่ะใช่ก็ศีลไงเหมือนมันต้องมาก่อน มันสรุปมันสรุปเป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยใช่ไหมเจ้าคะมันก็ทําจากจากง่ายขึ้นไปหายากเนี่ยเจ้าค่ะเอ่อเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะอยากศีลก็ไปที่สมาธิสก็ไปที่สมาสตสมาสมาธิแล้วก็สมาวยามาด้วยใช่ไหมเจ้าคะอันนั้นอันนั้นเป็นตัวประกอบตัวที่ผลักดันให้กัน ต้องมีความเพียรที่จะด้านสติกับสมาธิแล้วะเอาพุธสุดท้ายก็คือว่าสมาธิที่อันสูงสุดที่ครอบทุกอย่างก็คือิจะละคิดคิดคิดคิดคิดว่าทุก อ, อย่างเป็นใจละเห็นใจละคิดเป็นใแลวเห็นอะไรก็คิดว่าเป็นใจละเนาค่ะอันก็ parity ตามนี้ค่ะ เ อ, อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้โยมโยมคิดเองว่าแบบว่าตอนนี้โยมมีคาถาประจําใจว่า เ, เรื่องโลกเรื่องโลกโลกเนี่ยค่ะไม่มีแก่นสารเรือ่องเป็นใจลับเรื่อเป็นใจลับทั้งหมเรื่องคนอื่นอย่าเข้าไปยุ่งเรื่องตัวเองอนานาปานสติกะกายะกายะขาตาสติพอ ตอนนี้ทำอย่างนี้อยู่เจ้าค่ะอครั้งนี้ต้องเจริญสติให้มากคอยคอยผูกใจไว้กับล่างกายเวลาขึ้นไปท่ามกลางต่างเวลวนั่งเฉยๆก็ผูกไว้ที่ลรงหายใจเขา้าเจ้าค่ะถูกต้องนะเราทําให้มันเข้าไปในสมาธิให้ได้อุเบกขาให้ได้เราถึงค่อยไปทำปัญญาต่อเจ้าค่ะตอนนี้เป้าหมายคืออุเบกขาก่อนเจ้าค่ะ มันก็ไปใช้ได้ครั้งเดียวปุ๊บ ก, ก็จะไปทางปัญญาเราต้องสร้างอุเบกขาให้มันออกไอแล้วเวลาออกมาก็ยังมีอุเบกขาตกครั้งอยู่บ้างถ้า<ะ>เวลาไม่มีเราก็สามารถกลับเข้าไปเติมใหม่ได้คนไม่เข้าใจคือว่าพอรักสมาธิปุ๊ไปทำปัญญาเน้่ยยัเหมือนคนที่ประผัดจับรถเป็นเนี่ยยังยังไปลงสนามแข่งมาอย่างนะต้องซ้อมขาให้มัน ให้มันคล่องก่อนให้มัน อ, อันนี้ก็มันสมาธิต้องเข้าออกให้คล่องคือต้องปฏิบัติสมาธิได้ทั้งวันก่อนไม่ต้องทงําหนมันเข้าในสมาธิออกมาสมาออกจากสมาธิ้ามาเดินโยมคมรักษาสมาธิรักษาให้มันสงบต่อไปจากนั้นเราสามารถควบคุมจิตให้สงบได้ตลอดเวลาแล้วทีนี้เราค่อยไปทาปัญญาต่อไปไม่ใช่สมาธิได้ นิดเดียวบอออกมาหายไปแล้วไปไปปัญญานะไปปัญญาก็ไม่มีอุเบกขาที่จะไปหยุดกิเลสได้ะ้เ อ, องใช้อุเบกขาเป็นตัวหยุดอุเบกขาเป็นเบรกแต่ปัญญาเป็นพวงอะไรบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาค่ะค่ะแต่ต้องซ้อมเบรกเยอะๆก่อนใช่ไหมถ้าไม่มีเบรกบอกให้เลี้ยวซ้ายมันก็ไม่เลี้ยวอมันเพราะมันมันวิ่งเร็วอยู่ ก็จะตรงไปเจ้าค่ะยัมจะน้อมนำมาปฏิบัติเจ้าค่ะกับขอคุณเจ้าค่ะจะแม่กับแจ๊ที่จากศรีราชาเป็นเป็นแฟนประจำเลยนี่ยกลับกลับกิจการประจำวันนี้นีไม่มีคำถามครับยังจะได้ไหมเรายังจำได้ไหมเราเป็นอินวิสเบัลแมนไม่ใช่เจอค่ะ วันหลังต้องใส่เสื้อตัว I นะไม่ใช่ตัว S นะนี่ <laughs> ใส่เสื้อ Superman เนะี <laughs> ่เปลี่ยนเป็น I นะ Invisible Man Invisible Man <laughs> I am untouchable because I have I, am, I m invisible <laughs> ไม่มีใครไม่มีใครแตะต้องเราได้ร่าง <laughs> กายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเป็น เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการที่จะทําอะไรต่างๆที่เราต้องการจะทําแต่ร่างกายของเราก็ไม่เทีย่ยงวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องจบลงนะมันะไ ม, ไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียใจร่างกายทุกคนเป็นอย่างนี้กลัวไหมคิดอย่างนี้กลัวไหมกลัวร่ า, างกายทั้งวันเันจะต้อ ง, ต, องต้องตายไปอย่างนี้กลัวไหมไม่กลัวหครับไม่กลัวนะเพราะมันไม่ใช่ตัวเรานะ เราเป็นเพียงคนใช้ร่างกายเราใช้โทรศัพท์มือถืองเงี้ยเดี๋ยวมือถือเสียแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ใช่ไหมร <c oughs> ่างกายก็เป็นเหมือนมือถือเรามีไว้สําหรับติดต่อต่อร่างกายคนไหเนี่ยติดต่อร่างกายของพ่อร่างกายของแม่ติดตามของพ่อกับแม่มันก็เราติดต่อผ่านทางร่างกายครับครั่ะ พยายามอย่าลืมข้อนี้แล้วกยัะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เดือดร้านไม่วิไม่ตอบโต้กับความเป็นความตายของร่างกายนะครับอันนี้ไม่มีชอบดามไม่มีครับแล้วอมูคทันต่อแบบที่เราคุยกันนี่ท้งหมดตกลงครับโอเคต่อไปเข้าใจบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรเพรเป็นข ที่ราอจะไม่เคยได้ยินมาก่อนที่ต้องมาใช้การฟังบ่อยๆเขาบอกว่าเผื่อในอนาคตพี่นโมไปบวชเป็นเหมือนพระอาจารย์เขาสองคนจะเป็นแอดมินให้พี่นโมดีด้วยการฉับเสนุนกันนะเป็นนิเมนผวมาน้โมยไม่ผิดโอเคนะครับไปให้หม่อน ขันเกิดขันเิดขักิดมับเดกอยากม่อธนัที่ทำงานระทำงานอยู่ครับทำโอทีถึงขึ้นเดือนได้ครับอรตรงนี้งานยุ่งมากแต่ก็กลับบ้านก็พยามปฏิบัติต่อครับไม่มีคำถามเลยใช่ไหมไม่มียังไม่มีครับจรังกับสลยครับคุณบอสพเช่ใช่คุณบอพี่เช่ เก่าในมรดการพระอาจารย์ครับอ่าอบุญใจเลยกยอมได้ฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์ทุกวันแล้วก็ได้น้อมนําคําสั่งสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติทานรักษาศีลห้าแล้วก็ปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิฝึกจงขรมทุกเช้าผ่านมาเป็นระยะเวลาประมาณหกเดือนแล้วเนี่ยก็มีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งครับใจก็สงบขึ้นแล้วก็เวลานั่งสมาธิก็ ก็มีบางครั้งแต่ก็ไม่บ่อยคือมันสงบได้นานแล้วก็รู้สึกตัวตลอดแล้วก็ออกจากสมาธิมีความสุขรู้สึกว่ามันใจมันอิ่มเอิบครับ <S <S อก็ไม่บ่อยครับอาจารย์ก็อ <S <S ข, อขอคําชี้แนะจากอาจารย์ก็มันทําแบบที่บ่อยๆวิธีหาความสุขที่ถูกต้องไม่มีเพศมีไพ่ไม่มีทุกข์ตามมาในเห ม, มืนกับวิธีหาความสุขแบบอื่นที่จะต้องมีความ ทุกนามาไม่ใช่เลยครับอาจารย์ก็<ะ>ทําให้ชีวิตประจําวันก็มีความสุขขึ้นครับจังสงบขึ้นอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาไม่มีอะไรครับก็ไม่ไม่ไม่เชรียดไม่กดดัรเราสามารถทําใจให้เราได้สงบได้ครับก็จะน้อมนําคําสัสอนก็จะปฏิบั ต, ติต่อไปครับอาจารย์สาธุคุณสมพรต่อ ขอทำางไว้ยังแล้วมาสการครับได้ยินไหมครับอาจารย์ครับชัดเจนชัดเจนผมอยู่จังหวัดระยองครับระยองครับอําเอเมอออําเภอเมือง่งมือครับอําเภอเมืองก็ขาดถายไปหลายหลหลายสัปดาห์เพราะว่าก็มีมีพระทางครอบครัวนิดหนึ่งนะเอ่อทำานหรือเปล่ายังทำงานอยู่หรือเปล่าไม่ได้ทําเกษียณแล้วครับเกษียณแล้วเกษียณแล้ววันนี้ ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมามันก็กมีคำถามเกิดขึ้นในใจอยู่อยสองสามข้อด้วยกันวันนี้ก็เลยจะเือโอกาสถามค่าอาจารย์ในเรื่องในเรื่องเดียวกันจะแยกเป็นสามประเด็นคือเมื่อจิตเนี่ยเข้าไปรับรู้อารมณ์ทางอายตนะภายในภายนอกนะสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อเกิดผัสสะก็ เ, เกิดเวทนาเกิดตัณหาและอุปทานนะข้อคำถามข้อที่หนึ่งก็คือ เวทนาที่เกิดจากจิตเข้าไปรับรู้เนี่ยอารมณ์ที่เข้ามาทางอยายตนะทั้งหกเนี่ยเป็นสิ่งที่ระงับได้หรือไม่กับอันนี้คือคำถามที่หนึ่งแล้วก็ถ้าระงับได้จะใช้ธรรมะข้อใดกับละระงับไม่ได้นะเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันมันตามมาเพราะมีสัมผัสเพราะรูปสัมผักตาเพราะามันก็อยากทำให้เกิ เคือตอนนัมันจะมีสัญญาเข้าไปเข้าไปเข้าไปดูว่าเป็นรูปแบบไหนครับแล้วมันก็จะบอกว่าดีหรือไม่ดีครับอันนี้มันก็พอดีก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาพอไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาพอดีก็อยากให้อยากให้มันอยู่ น, นานาพอไม่ดีก็อยากแก้มั น, น่ะตรง น, นี้เราแก้ได้แก้งตัณหาได้ แสดงว่าจุดเราไปแก้ตรงจุดสุดท้ายที่สังขารใช่ใช่แก้ที่ตัณหาคือหยุดหยุดความอยากอยากก็อยากมันจะดีเชื่อให้เห็นว่ามันเป็นตายรักมันเกิดมันจมันก็มันก็ออกไปเกิดดับอนัตตาเราไปสัตว์มันให้เกิดให้มันดับไม่ได้สภาวะธรรมก็ก็แสดงว่าตั้งแต่ผัสสัสเวทนาตัณหาเนี่ยมันลูดก่าวลูดมาเลยจนถึงสังขาร ถึงถึงจะเป็นจุดที่เราพอที่จะก็ตัณหาเนี่ยตัณหาตัวสังขารนะความอยากมันเกิดจากสังขารขึ้นผมครับต้องหยุดตรงตรงอยุดตรงตัณหานนั้การที่หยุดตรงตัณหาได้นี่ต้องมีอุเบกขาต้องต้องทําถึงฌานสี่ก่อนถึงจะมีอุเบกขาหรือเปล่าใช่เออใช่มันถึงจะได้มีกําลังหยุดหยุดตัณหาได้กับ ตอนี้ได้ได้อ่านพระสูตรอันนึงที่ไปยะสูตรนะที่ว่าเ อ, อสัจจะไม่รู้สัตจแต่ว่าเห็นสัตจแต่ว่าคิดสัจแต่ว่าทุกอันนี้อันนี้มันจะตัดตรงไหนกะนั่นแหละตามตัณห า, า, าอย่าไม่ให้รู้เฉยๆอย่าไปรู้แล้วอยากรู้เฉยๆรู้วันดีก็รู้วันดีแต่ไม่ต้องไปอยากให้มันอยู่รู้ว่าไม่ดีก็อย่าไปอยากให้มันหายและและเพราอไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์กับ สิ่งที่เรารับนึ้นคับแล้วที่ธรรมะอีกบทหนึ่งก็บอกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็เลยให้รู้เฉยๆงให้รู้เฉยๆให้รู้เฉยๆก็เป็นอันเดียวอันเดียวเลเข้ามาเข้ามาก็ปล่อยเข้ามาเข้าไปก็ปล่อเข้าไปอย่าประยาดให้เขาอยู่อย่าประหยัดประหยให้เขาไปครับครับอืมก็ก็ทําให้เข้าใจ เราเราเราจะพยายามไปตัดตรงเวทนาก็ตัดไม่ได้ตัดไหลามาที่ตันหาก็ก็ตัดไม่ได้อีกตัดได้นะครับถ้าต้องมีอุบเบกขาแล้วมีปัญญาครับโอแต้อ่งี้คนคนไม่ไม่ได้ชันสี่แล้วก็ไม่ได้อุบเบกขาก็คงยากยากยากตัดยากแด้ตัดแบบค่อยเป็นค่อยไปดได้ไหมอันจะได้อันอันอันตรวง่ายๆอาจจะตัดได้ตัดตัวยากจะตัดยากอันไหนที้เรา อันนั้นที่มันมันเรามีความรูม้สึกรุนแรง ก, กับมันก็จะตัดยา ก, กว่าอันนั้นที่เราไม่มีความรูม้สึกรินแงแต่แต่จุดเริ่มต้นก็คงต้องมีสติรู้ว่าอะไรเกิดขนะึ้นณขนาดนั้นใช่หรือเปล่าครับก็ส่วนหนึ่งอาศัยสตินี้พากให้เข้าสมาธิให้ได้ตรงไหนคอืมอืมแล้วส่วนที่ว่าปัญญาอบรมสมาธิมันจะเกิดในขั้นตอนไหนอันนี้เป็นอนณีพิเศษถ้าเรา ไม่สามารถที่จะใช้สติเช่นพูดโทรพูดโทรหยุดทําจิตให้นิ่งได้แล้วก็ จ, จะใช้ปัญญาหาสาเหตุว่าจิตเราวุ่นวายเพราะอะไรเราก็จะเห็นว่าวุ่นวายเพราะความอยากอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้สิ่ง น, นั้นเป็นอยากให้คนนั้นเช่นเรากังวลกับภรรยาเราลูกเราไม่สบายเมื่อนั่งสมาธินำไม่ได้คอยวุตกกังวลห่วงใหญ่ กแต้อาใช้ปัญญาพิจารณาว่าลูกลูกพรรยาคนที่เรารักนี่มันเป็นไตนักหรือเปล่าคับพอเห็นว่เนาเป็นไตรักก็ค่อยปล่อยมันได้สสแสดงว่าปัญญาตัวนี้ก็คือตัวขวางกั้นนิวรณ์ห้าหรือเปล่าครับตัวกำจัดนิวรณ์ห้ากำจัดนิวรณ์ห้าเพื่อให้จิตมีสมาธิกับ<ม>เข้าสู่มสมาธิับอ<ม>ื ม, ม แม่จิตคุ้มซ่าแ <Okay. S 1> ม่จิตคุ้มซ่านนะ ร, รับการพุงมานได้ด้วยด้วยไตยนะแ <c oughs> สดงว่านีวน่วอลห้านี่น่าจะเป็นตัวด่านแรกที่เราต้องต้องต้องสู้ก <c oughs> ันใช่ใช่แต่มันไม่ได้มาพร้อมกันมันทีบางบางทีตัวนี้มาก่อนตัวนั้นมาทีหลังมันบางทีมั น, ม, นมาผัดกันมาก็ได้นะแต่ตอนนี้ครับครับอยากดูอยากจะดูฟุตบอลอนี้มันก็ เมื่จะให้นั่งสมาธิไม่ได้จุกต้องเลยเคยก็เกิดขึ้นบ่อยๆว่าบางทีเราก็อยากจะจิตมันก็อาจจะวิ่งไปหาอารมณ์ที่ที่ชอบเนี่ยกามาฉันทะกิดมาฉันทะหรือถ้าไม่มีทะเลาะกับใครก็ปล่อยเขามานั่งสมาธิก็นั่งไม่นั่งไม่ลงว่าความที่ยังโผล่ยังข้างๆ้างอยู่ในใจครับครับครับก็พอเข้าใจโดยสังเกต หรือว่าทีกินข้าวอิ่มๆมามานั่งสมาธิก็ไม่นั่งไม่ไหวอยกจะนอนครับครนิวรมันไม่ได้มาทีเดียวพร้อมกันห้าตัวมันมาตั้งแต่กรณีมันเหมือนมันเหมือนการทำมัดทั้งหมดนี่มันสัมพันธ์กันหมดเลยเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเรื่องนิวนตั้งแต่ละกรรมมารรมการมตัณหาปวัตตัณหาวิปวัตตัณหาจนถึงละอุปทานได้อันนี้ก็คือ ก็คือถ้าถ้าตัดอุปทานได้ก็คือจบสิ้นหรือใช่ไหมใช่ตัดอุปทานตัดธนหาได้ก็จบมันจบแต่มันมีหลายตัวนะแต่ไม่ใช่ตัวเดียวก็ต้องไล่เนี่ยมันมีสิบตัวอะไรกันสัมยอดสิบออกก็คือสัโยชดสิบนั่นแหละนั่นเองัแต่ตัวตัวหลักๆที่ที่ตัดยากที่สุดก็คือการมาตัญหาเนี่ยแหละครับมันก็มันตัวที่ ตัวขั้นขันที่สองขั้นแรกก็คือการไปตัดความอยากในร่างกายกับเวทนาอันนั้นเราพยายามพิจารณาบ่อยๆว่าร่างกายยังไงมันก็ต้องตายแล้วก็ถ้าเจ็บแค่ได้ป่วนเราก็ต้องเราเราก็พอพอจะใช้ปัญญาว่า อ, อสอนมันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีการมาตัณหานี้ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องการอย่างเดียวในเรื่องของ เอการการการชอบในสิ่งที่รับรู้มาทางอายตนะทั้งหมดได้ทั้งทั้งทั้งหมดไม่ใช่ทั้งโลเสียงเห็นรถทั้งหมดครับครับครับโอเควันนี้ก็มีคําถามเพียงแค่นี้นะครับกล่าวนมัสการท่านอาจารย์ครับครับเชิญคุณนันพัฒน์จากอุบลราชธานีกล่าวนามัสการเจ้าค่ะอาจารย์วันนี้ขอโอกาสเรียนถามเจ้าค่ะข้อแรกนะเจ้าค่ะอย่างเราสั่ง ว่าจะกินอาหารชนิดนี้ชนิดนี้เนี่ยถือว่าเป็นกิเลสใช่ไหมเจ้าคะ่ะภายการจริงๆแล้วถ้าถ้ามีโอกาสที่จะไ ม, ไม่ไม่ไม่สั่งหรือว่าไม่เลือกแล้วทานอะไรตามที่เขาเออกให้มาอย่างเงี้ยจะดีกว่าใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่เพาาราะบางทีถ้าเราสั่งเนี่ยเราจะเลือกในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมใช่เจา<ช>้าค <ขา S 1> ่ะเพราะว่าถ้าเราถถ้าเราอยากจะดับทิศสัยก็อยากไปสั่งในสิ่งที่เราชอบสั่งที่เราไม่ชอบ อ๋อสั่งในสิ่งที่ไม่ชอบก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะถ้าถ้าถ้าเนี่ยถ้าถ้าเนี่อยู่ในโอกาสที่ต้องสั่งเนี่ยให้สั่งในสิ่งที่ไม่ชอบอไม่ว่าสั่งเลยว่ามึงจัดมาอะไรก็ได้แบอกคนเสริมว่าจัดอาหารมาทั้งสองสามอย่างก็ได้อะไรก็ได้คนท่เป็นธบานบินธบานโยมจะใส่อะไรมาก็ได้อย่างนี้ไม่เป็นตัญหาว่าเราไม่ได้เป็นคนไปคิดสั่งอย่างได้ได้อะไรมาก็กินตามที่ได้มาตามมีตามเกิด ค่ะเ <P an S 1> พราะลูกก็นึกถึงพระอ า, จ า, า, าจารย์ค<ช>่ะพระอาจารย์ว่าท่า น, นก็ไม่ได้ห ร, หรือถ้าไปกับเพื่อนค้าเพื่อนก็สัง่ง์ห้เได้อช่วยสั่งให้สัง่งอะไรก็ได้ค่ะก็เป็นอุบายที่ดีเจาา้าค่ะค่ะแล้วก็ข้อที่สองกับขอการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าผู้ที่ปฏิบัติจนได้ผลเป็นภาริยะบุคคล โซดาบันสกิทาคามีและอนาคามีเนะหาพระอาจารย์ท่านยังยมีความอยากที่จะสอนหรือหรือท่านจะมีความอยากอยากอยู่คนเดียวแล้วแบบว่าไ ม, ไม่ไม่ยุ่งกับใครหรือเปล่าคะจนกว่าจะบรรลุหรือเปล่าคะค่ะคือถ้าท่ายนยังไม่สำเร็จท่านจะไม่ท่นใจไม่อยากไปยุ่งกับใครเพราะมันเป็นเหมือนไฟที่มันไหม้มันมันน้อมลุกแล้วมันก็จะไล่ไปไหน หาเชื่อไหม้ไปตามไรถ้ายังไม่เชื่ออยู่มันก็จะมันก็จะไปไหม้เชื่อให้ให้หมดเชื่อก่อนมันถึงค่อยไปถัดกินอยน่างนันตอนนี้แม้แต่บางทีเสร็จแล้วบางทีก็ขี้เกียจไม่อยากจะไปสอนไข่พระพุทธเจ้าตัวอย่าใหญ่จะตัดสั่งลแล้วประทับอยู่สองเดือนยังไม่อยากจะไปสอนไข่ก็เห็นว่าของนี้มันไม่ใช่ใครใคจะทํามันได้ง่ายๆ มอกให้เขาละสิ่งที่เขารักเขชอบไม่ใช่ของได้ยใช่ไหมก็ไม่อยากจะสอนแต่หลังจากพิจารณาด้วยความเมตตามัน mm hmm. ก็เลยบอกว่ามีบางคนกล้เขาก็มาทางนี้อยู่แล้ว mm hmm. เขาอาจจะรับประโยชน์ได้แล้วก็เลยเลือกคนสอนเนี่พวกที่เป็นนักบวชกัน mm hmm. นักบวชนี้เขาก็ละมาเยอะละแต่ยังละไม่ได้หม ขายปัญญาถ้าไปสอนปัญญาปั๊บเดียวเขาเข้าใจเขาก็เขาก็าะละได้ะะยังตอนสอนตอนยุคแรกๆที่สั่งสอนนี่ไม่สอนคารวา ส, สอนแต่นัโบวชไม่จำแล้วบรรลุทีทำสำนักเลยนักบวชห้าร้อนรุ่มออกาตอ น, อนประํานธรรมจบมล้รุไปหมดทำพรอไปไนเลห้าร้อรุ่มยังมีผ้าร้านปรากฏขึ้นมาอย่ มากมายรวดเร็ว 1,250 ลูกอย่างน้อย 1,250 ลูกมาประชุมกันเจ็เดือนหลังจากที่มุนเจ้าส่งประกาศทำครั้งแรกมนาสามาถึงวันมาฆะเจเดือนค่ะเ พ, เพราะว่าลูกมีข้อสงสัยคือการที่เราปฏิบัติได้ผลแล้วถ้าเรามีความรู้สึกว่าอยากจะ ปีกวิเวกหรืออยู่คนเดียวนี่เป็นการถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์แต่ถ้าถ้าอยากจะพูดบอกคนนู้นสอนคนโน้นสอนคนนี้อันนี้น่าจะไม่ถูกต้องมันไม่มันไม่มีอย่างทั้งสองอย่างออืมันก็จะอยู่ที่ที่มันมีครับสมองแต่มันไม่ได้อยากอยู่แต่มันก็มันก็อยู่ของมันแต่ว่าเป็นที่เป็นธรรมชาติของจิตที่ไม่มีอะไรแล้วที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับใคร อันนี้นอกจากต้องใช้ปัญญาเท่านั้นถึงจะถึงจะสั่งให้จิตแบบนี้ไปทํางานทํญญาประโยชน์ให้กับโลกได้ถ้าไม่สั่งท่านก็อยู่ของท่นตามประสาท่านแต่ไม่ยุ่งอะไรเลอเจ้าค่ะไปแต่ความใยากจะสอนไม่มีถ้ายังมีความใหญกจะสอนอ ย, น ย, นยู่มันยังไม่ก็ยังเป็นกิเลสอือถ้ามีความใหญ่จะสอนคือถือว่าเป็นกิเลสใช่ไหม เพราะว่าเพราะว่าลูกจะมีจริตแบบอยากแนะนําคนอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้เอาไว้ดูจะได้เอาไว้ดูกิเลสสอนตัวเองก่อนเถอะค่ะแต่แต่เลิกไปแล้วเลิกไปแล้วเจ้าขาวอาจารย์แต่สมัยก่อนที่ปฏิบัติแรกๆอ่ะเจ้าขาวอาจารย์ก็ควรช่วนอย่างตพอปฏิบัติกันนิดนึอยากจะเป็นอาจารย์สอนคนน้อยคนนึงเห็นใครก็อยากจะสอยกขาทานู่ทํานี่สิเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็ เมื่อวานที่ฟังภาภาษาอังกฤษชอบที่พระอาจารย์สอนว่าให้อยู่ในให้มีความความรู้สึกสบายคือ comfortable ใน uncomfortable situation นะคะพระอาจารย์ให้จิตสบายกับสภาพแวดล้อมของทางร่างกายที่อาจจะแตะ่คาดขัดสมนี้ธรรมดาจิตเราจะสบายกับในสภาพที่ร่างกายสมบูรณ <ค><ะ>แต่พอร่างกายไม่สมดุลนะตะคตัดขัดสนจิตจะไม่สบายไปด้วยนี่เราก็เลยต้องบังครับฝึกมันให้มันไปอยู่ในสภาพที่ตะคตัดขัดสนเพื่อให้จิตปรับตัวเงให้ให้สบายให้ได้โดยการเจริญสติสมาธิปัญญาเจ้าค่ะพ<ค><ะ>อจิตสงบแล้วก็อยู่กับสภาพที่ตะคตัดขัดสนได้เจ้าขาพ่ะย่ะค่ ะ, คะ ค่ะสำหรับวันนี้ลกมีเท่านี้เจ้าค่ะพอาจารย์กลับขอพระคุณนะอาจารย์เจ้าค่ะสาธุอาจารย์พรพิรายจากรรจากรทมออนะคนนักดนรักคนอยู่ลับกมาสมกษารอาจารย์ค้ากาลังมาค่ะพระอาจารย์ครับพื่อาจารย์ จ, รจะได้รอาจารย์ครับเราจดเรื่องหน้าแล้วค่ะน้ง้ ง, งประกาศไว้แล้วนในในเฟซบุ๊ก ใช่ค่ะเพราะมีคนถามคันเยอะเกินก็เลยคิดจะตอบคาถามเลยบอกเอ้ากําหนดเวลาขึ้นไปเลยก็ปกติก็จะเทศศานวันเสาร์เทศของพระแล้วก็วันหยุดราชการทีนี้เดือนนี้ไม่รู้ไงวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นเยอะแยะเยมีวันหยุดพิเศษด้วยมีวันหยุดวันอะไรสําคัญสาคัญนันก็เลยพิเศษเทศประมาณสิบแปดวันได้กันมา ใช่วมื่อกี้ลองนับดูแล้วค่ะว่าก็ค่อนข้างเยอะเขาไม่เป็นไรก็เหมือนกันเนี่ยก็มันคงจะเป็นช่วงที่คนต้องการาจะจะจะฟังด้วยก็ดีจะได้นี้ก็จะได้มีโอกาสเลือกวันที่สะดวกสำหรับก็ได้ค่ะก็ได้ฟังอะไรตัวใหม่ๆทันสมัยด้วยนะคะว่เหตุการณ์อะไรก็แปเปลี่ยนไปเยอะอยากลองฟังพระอาจารย์ว่ามี ไม่มีใหม่หรอกมันก็ของเก่าใช่ไหมอาการไม่กลัวธรรมะพระเจ้าเป็นอาการไม่กลัวแต่แต่ประกอบคือประกอบอาจะมีเหตุการณ์ประกอบทีมที่ทันสมัยหน่อยใช่ค่ะก็จะมีได้มีหนังสือใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเพราะว่าคนบางระดับเราก็ยังแจกหนังสือได้นะคะก็ยังมีการพิมพ์อยู่เนี่ยล่าสุดก็เอา ที่เ ท, ทกับหมอวีมาพิมพ์เป็นหนังสือใช่แต่ต้องไปคือไม่ได้ไปกวนทางด้านโน้นนะคะว่ากะว่าไปที่วัดเมื่อไหร่ไม่ทราบว่ามีแจกหรือเปล่าปี ท, ที่สารามีปี่สารามีใช่ไหมอาจจะามดก็ไม่หมดก็ไม่รู้นน ะ, ะเพราะว่ามันก็แจกเรื่ อ, อยๆยมันก็หมดค่ะ แต่ไม่เวลามันมีอยู่ในเว็บในเว็บพระสุชาติสามารถไปดาวโหลดได้่ะพอได้ค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะก็มากราบพระอาจารย์ค่ะไอยู่อย่างสงบนะอย่างมีความสุขนะค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะด้วยความสงบค่ะคุณครูธัญญพรอันนี้มาไกลเลยมาจากพัทลุงนะ ทำนรัศ ก, การพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ได้ยิน ไ, ไหมคะชัดเจนชัเจโอเคค่ะวันนี้จริงๆไม่มีคําถามค่ะแต่ว่าพี่สมพรถามไปแล้วค่ะพระอาจารย์คือเมยอยากให้พระอาจารย์เมตตาตอบคาถามเกี่ยวกับปัญญาอบรมสมาธิค่ะแต่ว่าพระอาจารย์ได้ตอบไปแล้วค่ะเข้าใจแล้วนะี่เข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ปฏิบัติโดยการเจริญสติให้ต่อเนื่องค่ะพระอาจารย์ก็พยายามอยู่กับ พูดโธให้มากที่สุดในเวลาที่ไม่ใช้ความคิดค่ะพระอาจารย์มีมากพยายามจะนอนสติอย่างต่อเ น, นื่องนัว้วนั่งสมาธิจิตจะได้สงบได้ง่ายค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเดือนหน้าเมจะไปก่วาวพระอาจารย์ที่วัดเชิญพระอาจารย์ก็นอกนั้นได้มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์คุณพ่อคนุณน้า่สบายดีนะคุณพ่อคนนุแม่สบาย ด, นะดีค่ะฝากความ ที่ถึง่าถึงพราะจานทร์ด้วยค่ะคุณแม่ฟังเทพพระจารยร์ทุกคืนเลยค่ ะ, ะพระพระจานทร์พระจาจาร์ถนอมท่าขันด้วยนะค ะ, ะคุณหมอดาวตอบจากอุบลพาจารยร์ได้ยินนะคะกับนวสการ์ค่ะ <c oughs> พอดีเดี๋ยววันศุกร์ตอนเช้านะคะหนูจะไปตักบาตรพร้อมกับทีมนะคะจะไปตักบาตรที่วัดพระอาจารย์นะคะตักบาตร ท, ที่ที่ที่ศาลที่บินทบาทใช่ไหมว่าไปที่ศาลที่บิทททททนทบาทเลยคะ่ะเพราะว่าเวลามันไม่ได้หนูจริงๆหนูตั้งใจจะมากราบพระอาจารย์ช่วงบ่ายแต่ว่าพระอาจารย์ภาวนาอยู่หนูก็เลยเออเดี๋ยวต้องไปไปตักบาตรอย่างน้อยไปตักบาตรก็ยังดีเพราะว่าต้องไปไปต่อค่ะไปหลาอที่ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวหนูจะมาม่อยอยู่ค่ะเดี๋ยวน่าจะได้ถ้าถ้าพระอาจารย์เทศตอนช่วงบ่ายหนูจะได้มีโอกาสมาก <laughs> งานพระปักเทศแล้วมีอะไรก็ถามคุยห็นได้คราวนี้คําถามของหนูคือ อ, อ, อยากทราบว่าอาการของการเห็นกายเป็นธาตุที่จริงๆนี่มันมันเป็นอาการอย่างไรคะพระอาจารย์ก็เหมือนอาจารย์เรียนเยนใ น, นวิชาหมออันเป็นขั้นฐานอาเรียนอยเข้าใจ ไม่ก็ลงไม่ได like ้เห็นเป็นภาพใช่ไหมคะพาราลิมปิก็ต้องวิเคราะห์ไงวิเคราะห์ว่าร่างกายนี้มันท่านขึ้นมาได้ได้อย่างไรมันก็สายธาตุของแม่ที่อยู่ในทองเนาะค่ะมันมาในรูปแบบของน้าใช่ไหมน้ําเลือดแล้วอาหารที่ในในเลือดก็เป็นธาตุดินนี่ไหะค่ะแล้วก็สายธาตุไฟของแม่คือความร้อนในร่างกายของแม่ค่ะตอนนั้นยังไม่ต้องใช้ธาตุลมเพราะว่า สายอยู่ในท้อแม่ไม่ต้องหายใจนม่มีท่าลมอเอามาให้ผ่านทางทางสายเลือดเนี่ยสายเลือดนนั้นก็จะมีออกซิเจนเลยใช่ไหมคะคือหมายถึงว่าอันนั้นคือการพิจรารณาโดยใช้ปัญญาของเราคิดแต่ว่ า, าเรารู้นี่ไงว่าเราเกลียดแล้วก็เห็นแล้วก็ก็ปล่อยวางได้นะเพราะว่ายอมแล้วอ๋อคือคุณลกายไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมหรือ ว, ว่าร่างกายมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟ เพราะว่าหนูหนูเห็นบางบางคนอย่างเช่นบางคนเขาพูดกันว่าการจะเห็นละสักยะทิถีหรือว่าเห็นกายเป็นท่าจริงๆอ่ะคือเหมือนกับว่าตัวเราต้องออกจากร่างไปแล้วก็มาเห็นว่ามีกายภาพนี้นี้เป็นกายเราแล้วก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปอะไรเงี้ยค่ะอ๋ออันนั้นมันเห็นตอนที่เราเข้าสมาธิไหอ๋อนั่นคือเห็นตอนเข้าสมาธิคือจําเป็นที่เห็นแบบนั้นไหมคะถึงจะถือว่าเป็นการเห็นกายก็เห็นก็ก็เห็นตอนนั้นเห็นว่าร่างกายกับจใจคนละ เวลาเข้าสมาธิค่ะใจเป็นผู้รู้นั่นกลายเป็นเย็นน้ำลงไฟใ จ, ใจมันก็จะเห็นชัดว่ามันครละส่วนกันแต่ไม่จําเป็นต้องเห็นเป็นภาพอาวัยวะ 3D แล้วก็แบบเสื่อมสลายกลายเป็นเท่าฐานแบบนั้นจําเป็นต้องเห็นไหมคะถึงจะถือว่าเป็นของจริงอันนี้ก็อยู่ที่เราเอาวิเคาเราะห์มาแล้ออกจากสมาธิมาวิเคราะห์อยู่เรื่ยอยๆ แสดงว่าในสมาธิเราไม่จําเป็นต้องเห็นภาพที่ทเห็นเ อ, อาไว้ในตัวเองก็ได้ใ่ในสมาธิที่เราเพ่งแต่รู้ว่าร่างกายกับใจแยกออกจากกันคนละโซนแต่เวลากลับมารวมกันตอนตอนที่ออกมาจากสมาธิมันกลับมารวมกันเราก็ต้องคอยคอยสานใจว่าอเราไม่ใช่เป็นนั่งกายนะเราเป็นผู้รู้ผู้คิดแล้วนั่งกายมันก็เป็นแค่ธาตุสี เราท่านเข้ารออ่างกายในตลาดเวลาไม่ใช่นะลมหายใจท่านลมีนหายใจตลาดเวลาท่านน้ำก็ต้องดื่มน้ำเข้าไปเรื่อยๆท่านดินก็คืออาหารที่เราต้องคอรับประทานท่านไฟก็คือเราต้องรักษาความอบอุ่นของร่างกายเอื่อยนการเอาท่านมารวมกันแล้วพอท่านรวมกันแล้วมันก็ไปเปลี่ยนเป็นดินเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นปัดอะไร ซึ่งถ้าสมมติว่าเราเราเราจิตเราน้อมยอมจริงๆมันจะมันจะมันจะไม่ต้องคิดเลยมันจะขึ้นมาเองอย่างนี้เลยใช่ไหมคะมันจะรู้ด้วยตนเองเมันไม่รู้ด้วยตัวเองทําให้วิเคราะห์เราต้องต้องคิดก่อนนําก่อนเอาวิเคราะห์จนกว่าจะเห็นชัดเจนว่ามันมาจากดินน้ำลงไปแล้วเวลาแยกตัวมันออกจากกมันก็แยากไปสู่ดินน้ํามดูตอนคนตายเป็นยังไงถึงแรกที่ไปคืออะไรลมใช่ไหมที่ที่สองคือไฟใช่ไหม ทีนี้สามวคือน้ําเนี่ยน้ําก็ไหลออกมาถ้าไม่เราไปเผาวปล่อยที่ไม่ต่อไปมันก็มันก็มันก็เปล่อยแห้งไปแสดงว่าเห็นมัมมีไหมเห็นมัมมี่ไหมค่ะเห็นค่ะแล้วต่อไปมัมมี่ก็กลายกลายเป็นดินไปทุกทางกลายเป็นดินแสดงว่าที่หนูพิจารณาป่าช้าก็สามารถคลิกให้มันเป็นธาตุสีได้เหมือนกันก็ได้ แต่ันนั้นเขาให้ดูด้วยความขยัขยนความไม่สวยงามของร่างกายใช่ค่ะเพราะว่าดูแล้วเห็นนอนทีไรหนูเข้าสมารทิททุกทีค่ะตอนนี้หนูขออนุญาตเล่าสภาวะพระอาจารย์แต่ว่าจริงๆสภาวะนี่หนูสงสัยอีกอย่างหนึ่งค่ะว่าการที่เราเล่าสภาวะ ให้พับลิกเขาได้รับรู้อย่างเงี้ยมันจะมันจะถ้าไม่ถ้าไม่สงสัยก็ไม่ต้องเท่าถมีความสงสัยว่าสงสัยค่ะถ้าสงสัยก็เล่าได้เหมือนอาการเหมือนคนไข้ไปหาหมอเนี่ยมีอาการก็เล่าให้หมอฟังได้แต่หนูกลัวว่าคนที่เขาฟังเขาจะติดเป็นสัญญาค่ะหนูก็เลยก็ไม่ไม่หรอกไม่ไม่ไม่ฉัญญาก็ก็รู้อยู่กันว่าเขามีหรือไม่มีก็ต้องรู้อยู่ในตัวเขาเองค่ะ ก็หนูก็คือตอนเนี้ค่ะที่หนูเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าหลังจากพ้นภาวะตอนจิตรวมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยในสีวันที่ผ่านมามันมีความเปลี่ยนแปลงคือพอพอมันพอมันหมดลมหมดตัวแล้วเนี่ยมันกลายเป็นแบบเห็นแสงสว่างที่จ้ามากๆจ้าแบบเป็นแสงสีขาวเทียบตอนวันแรกที่หนูเห็นนะคะหนูตกใจมากแล้วก็ตกใจแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราได้วิปัสสนาญาณแล้วแน่เลยอะไรเงี้ยเราดีใจพอดีใจปุ๊บมันก็ มันก็หลุดไปจิตมันก็เสื่อมลงมาตอนนี้พอวันที่สองหนูเปลี่ยนหมายว่าเออวันนี้เราจะเราจะแบบไม่ดีใจละแต่เราอยากได้เราอยากเห็นเหมือนเดิมเข้ายัางไงก็ไม่ได้ไม่เห็นวันที่สามหนูเลยเอาใหม่ว่าเออเข้าได้ไม่ได้ก็ช่างมันมันก็เกิดขึ้นมาอีกค่ะจนกระทั่งวันล่าสุดคือเมื่อวานเนี้ยค่ะแสงสว่างในลักษณะเนี้ยคือมันจ้าแบบจ้าที่สุดเท่าที่หนูเคยเห็นเหมือนกับมีคนเอาเอาอะไรมาฉายอยู่ที่หน้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี้ย สักพักหนึ่งจิตจะถอยมาที่อุปจาระเองเหมือนเหมือนลักษณะที่หนูเคยเป็นแต่ว่าอันเนี้ยมันมีอาการที่ที่ที่ที่ดูเหมือนเหมือนละเอียดกว่าครั้งก่อนๆที่มันเคยเป็นพอถอยมาอุปจาระหนูรู้เลยว่าจิตมีกําลังมากหนูก็เริ่มพิจารณากายพอพิจารณากายหนูก็ดูอาการสามสิบสองดูกรรมฐานห้าแล้วก็เหมือนเดิมค่ะยังไม่ทันจะไปรอบรอบสองรอบสามยังไม่ทันจะได้วนรอบเลยพอพอกระดูกสลายเสร็จ ก็เข้าชา้นสีเลยเหมือนเดิมเพราะเข้าชา้นสีไปหนูก็อ่ะไม่เป็นไรอยากเข้าเข้าไปเพราะปกติหนูจะหงุดหงิดเวลาเข้าครั้นี้เข้าหนูก็เลยวางจิตอุเบกขาเฉยไปสักพักหนึ่งมันก็มีแสงสว่างลักษณะแบบเดิมอีกแล้วจิตก็ถอยลงมาอุปจาระแต่ครั้งนี้หนูไม่ได้ไม่ทันจะได้คิดคิดเรื่องของกายคตาสติอะไรเลยแต่มันเกิดความรู้สึกว่าเหมือนตัวหนูอะ่ะอยู่ห่างออกมาจาก กายที่กําลังนั่งอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวของเราเนี่ยมันมันมันมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นก้อนมันจะว่าเป็นมันมันเหมือนมันเหมือนเป็นอิดนะคะมันเหมือนเป็นก้อนมอนสเตอร์เป็นตัวประหลาดนั่งอยู่โดยที่หนูคิดว่าเอ๊ะมันเป็นอาการปิติหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะว่าปิติหนูรู้อยู่แล้วเป็นยังไงแต่อันนี้มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นก้อนแข็งๆแต่พอหนูสงสัยปุ๊บออกเลยเหมือนเดิมหนูก็เลยไม่ไม่น่าใจว่ามันยังไงครับอาจารย์ หนูนั่งเิดนั่นั่งสมาธิไม่ต้อไปสนใจกับหนูชอบสนแสชอบสนใจมันเลยแบบหนูต้องอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวก่อยู่กับพูดโธอย่างเดียวค่ะก็เลยว่าถ้าหนูไปสนใจหนูว่าไปเล่นกับมันหนูก็ไปคิดปูุงแต่งไปกั้งหมใช่ค่ะเพราะว่าตอนเห็นแสงอะมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูลองตามแสงไปมันเห็นหมดเลยเป็นนิมิตเต็มไปหมดเลยหนูก็เลยรู้แล้วว่าไม่ถูกแล้วก็เลยว่าถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวหนูจะต้องปรับใหม่โดยที่ว่า พมันออถอยออกอก <ไป S 2> ยู่กับต้องอยู่กับ อ, อ, อยู่สติอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าออค่ะคราวนี้คําถามต่อไปวันนี้เพิ่งเจอเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเจอคนมาด่าไม่ใช่ด่าค่ะเขามาว่าเราต่อหน้าเลยว่าพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกพวกุพกพกทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นพวกเห็นแก่ตัวเพราะว่าเอาแต่ตัวเองรอดดูสีบ้านเมืองเป็นยังไงไม่เคยคิดจะมาช่วยแบบต่อสู้ เพื่อบ้านเมืองบ้างหรออะไรเงี้ยบ้านเมืองมีคนชั่วเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าพวกนับถือพุทธศาสนาเนี่ยเอาแต่ตัวเองรอดอย่างเดียวมันใช่ไหยมันเห็นกแกตัวกันไปไหมอะไรเงี้ยเขามาว่าเราอะไรเี้ยเราก็งงว่าเออมาว่าเราเรื่องนี้แต่ว่าถามว่าโกรธไหมเราไม่ได้โกรธเราก็พยายามอธิบายเขาฟังไปแต่ว่าเวลาจะตอบเขาเนี่ยเราควรจะตอบยังไงดีคะว่าพวกเราเนี่ยรู้เห็นตทำเป็นจริงว่าคนชั่วก็เป็นเรื่องของเขาที่ชั่วแต่ตัวเราเราต้องทําตัวเองให้ดีแต่เขากลับมองว่า ก็เนี่ยเห็นแก่ตัวเองไม่ได้ช่วยสังคมดูศาสนาคริสต์เขาช่วยเหลือทุกคนเขาว่าอย่างนี้ค่ะเราเร า, เราจะว่าไง ห, หนูคือหนูหนูเองหนูก็บอกเข้าไปว่าเออแล้วแล้วตอนเนี้ยที่ร้อนรุ่มที่มาด่ามาว่าเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนอะไรได้ไหมมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เขาชั่วมันก็เป็นคนชั่วอย่างนั้นแล้วเราจะไปทําอะไรได้ เขาก็บอกว่าเ้าอย่างน้อยก็ต้องออกมาสู้ด้วยกันอย่างนั้นอย่างนี้หนูก็ก็เราเรามีวิธีของเราพุทธเจ้าบอกว่าการต่อสู้นี้ไม่ใช่เป็นทางสู่การแก้ปัญหาการแก้ปัญหานี้ต้องแก้ด้วยความเมตตาค่ะเหมือนกับว่าเขาบอกเราไม่แสดงจุดยืนเลยนะว่าจะต่อต้านคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็โอ๊้ไม่รู้จะไหวยังไง ก็ไม่ต้องไปพูดให้เสียเวลาเลยนะพูดกับคนขเราพูดลำ บ, บากดยังไงก็แล้วเตะแบงไปเรื่อยอธิบายเข้าไปนี่วกาเราตะแบงไปอทางมันคำถามสุดท้ายแล้ะค่ะคือหนูอ่ะได้ยินมาว่าคนที่บำเพ็ญพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่สามารถบรรลุโลกุตตระธรรมได้เลยเพราะว่าเขาต้องกลับมาเกิดรับทุกหลายหลายหลายรูปแบบแต่ว่า มีมีคนที่เขามาบอกเป็นบอกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกก็มีนะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถแบ่งภาคแบ่งดวงจิตมาได้เช่นตัวตนเน่ยอยู่ชั้นสุทาวาเป็นพระนาคามีแล้วก็แบ่งจิตมาเป็นมนุษย์หลายๆภาคเลยเขาจะได้ย่นระยะเวลาในการปฏิบัติบําเพ็ญบารมีอย่างนี้มันมันใช่ใช่ไหมคะมันไม่ใช่ทั้งนั้นนะข้อแรกก็คือตัวเขารู้หอเปล่าเขาเป็นพระโพธิสัตว์เพราะเขาไม่รู้อีกนะมีใครรู้ว่าตัวเองเป็นโ พ, พธิสัตว์ เขาถ้าสมมติเขาปาถนาพุทธภูมิไ่มคะพระาจารย์ปาถนาพุทธภูมแล้วเขารู้ปาพุทธภูมิเป็นยังไงหนูหนูหนูก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะใช่ของจริงนะคะของจริงค่ะถามว่าพุทธภูมิเป็นยังไงตัวหนูหนูไม่ทราบค่ะแต่หนูคิดว่าคนที่แบบเป็นมรรคบริสัตว์ ยกก็อย่างเช่นในหลวงรอชกาอย่างเงี้ยค่ะแต่ในหลวงลอชกาลท่านไม่ได้ท่านไม่ได้แบ่งภาคมาแล้วแล้วใครบอกว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์หนูก็คิดว่ารู้รไม่มีไม่มีใครคอนเฟิร์มค่ะนั่นสิท่านปฏิบัติธรรมมั่งแฝงอยู่ท่านจเจริญมั่งแฝงอยู่ตลอดเวลาท่านจะไปเป็นโพธิสัตว์ทำไมโพธิสัตว์นี่ต้องทําอะไรบ้างหนูยังไม่มีความรู้เรื่องพระโพธิสัตว์เลยค่ะนั่นสิแล้วมาพูดได้ไง หมายถึงว่าคนคนที่เขามาเล่ามามามาสอนหนูอ่ะค่ะก็ไม่รู้จังนั้นนะ่ะพูดสอนไปโพลิเป็นพวกปฏิเสธ <c oughs> การปฏิบัติในปัจจุบันเข้าใจไหมไม่ยามปฏิบัติออแล้เลยก็เลยว่ามาถามให้แน่ใจเพราะว่ า, อวาสอนเสร็จแ้วว่ า, วาเป็นโพลิสัต่ไม่รู้ว่าเนโพลิสัตต้องทําอะไรบ้าง็ำไมเขาอาจจะรู้นะคะแต่หนูไม่ทราบหนูไม่ได้อยากเป็นโพลิสัต มันไม่รู้ไม่ต้องไปสนใจโอเคค่ะ <frankly> ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยววันศุกร์หนูไปบินทบะค่ะกับนวัสการค่ะใช้็นกวางอยากนกคอนมีธรรมลายนะยังไม่ได้เปิดไว้เลยไฟกวาเปิดค่ ะ, <น>ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะวันนี้มีคำถามาค่ะพ้อาจารย์คออืออะไรนะคะหนูเองอ่ะรู้สึกว่ามันจะมี บางทีก็ใจร้อนมากเลยอะคะ่ะเราก็แบบหงุดหงิดแล้วบางทีก็แบบเก็บบางเรื่องมาเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ก็พยายามเจริญสตินะคะแต่บางทีมันก็มีสติบ้างไม่มีสติบ้างนะคะนี่ น, นี่นี่คําถามแรกนะคะอความอยากมากมันจะทาให้ใจร้อนกิเลสมากกิเลสทาเป็นตัวทาให้ใจร้อนอยากได้โน่นอยากได้นี่ก็ใจก็เลยร้อนขึ้นมาถ้าไม่อยากได้อะไรใจก็จะเย็น ถ้าอยากจะลดความร้อนของใจก็ลดความอยา ก, กพ่าเจ้าบอกให้ใช้มาก น, น้อยสันโดษให้อยากน้อยน้อยอยากไดายน้น้อยเหมือนสันโดษยินดีตามมีตามเกิดอะไรก็ได้ไมันจาเป็นจะต้องได้ใน ส, ส, สิ่งที่เราอยากได้เสมอไปสิ่งที่เราไม่อยากได้ก็มีเหมือนกันใช้ประโยชน์ได้เหนกันหมาถึงเรื่องงานก็ด้วยใช่ไหมคะที่ทุกอย่างนะทุกอย่า ง, างคือ คือมไม่ได้หมายความว่างานให้ให้ที่เกียรติทำน้อยไม่ใช่งนั้นนะในงานทําให้เต็มที่แต่ผลที่จะได้จะได้มากได้น้อยก็ช่งางหัวมันไม่ต้องไปไม่ต้องไปยึดติดว่าจะต้องได้มากๆได้เงินเดือนมากๆได้กํำไรมากๆนี่ไม่ใช่ให้ยึดแต่ให้ให้มากด้วยการกระทําด้วยการขยันทํางานตามหน้าที่ของเราแต่ส่วนผลที่จะได้มันได้มากไดน้อยก็ก็ ก็โอเคไม่ได้ไปกำหนดว่าจะต้องได้ทงนั้นทำ น, นี้เพราะเวลาไม่ได้มันก็จะเพียนขึ้นมาหัวใจจะร้อนนะหาวใจยังไม่ยอมปดสันโดดไหมยินดีตามวีตาเกิดหาวใจไนหะมลดความอยากหง แล้วเราพยายามหมันกสติไปไปไปดูความคิดความอยาก่องเราถ้ามันคิดไปในทะางความอยากก็ใช้พุโทโธพุทโธระงับมอนกน ะ, นะด้าใจนะอนะมีไหมรูม้สึกว่าเสียาให้รู้สึว่าภาพมันจะนิ่งไปเฉยๆคนจะสัญญาณคงจะขาดหายไป free ร r ครับง <please> นไปที่คน คุณแนน่อแนนจกากบิณฑรธานีนกรรมนมิตการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะนัะ่งย้อนไปที่คุณหมอภาสนะจ า, า, ตากตมกรรมนิมิตการค่ะพระอาจารย์ก็ยังคงความสงบกับคําสุขได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปวัดเออเดี๋ยวไปเขาชีโอนก่อนค่ะไปเติมพลังพระอาจารย์ไปเติมพลังสิ่งสมรรถปัญญาแล้วเดี๋ยวจะได้ไปวัดต่อ <laughs> จะได้ครบรอบพระอาจารย์ค่ะอ่าดี พระอาจารย์คะถามขอเล่นถามนิดนึงคือถ้าเขาชียลนี่เราจะเอากดไปใช้ด้วยได้ไหมคะหรือว่าไม่ควรติด <c> ใ <oughs> จเพราะว่าชอบกว่ามาถึงยาว เ, เอามาเอามาไปในข้างนอกปกตใิใช่ใช่ใช่ค่ะว่าตองกลางคืนอย่างเงี้ยะคะ่ะพระอาจารย์ยแขวนก็ลองดูว่าเพราะเพราะที่อื่นเน่ะไม่มีกวางไม่มีลิงอแต่ที่นี่มีกวางกับมีลิงก้อจะลองดูว่าเออถ้านั่งกลางคืนกวางกับ ล, ลิงเนี่ยเราจะไปแขวนกดที่ไหนล่ะตรองใต้บ้านนะคะพระอาจารย์ใต้ถุนนะ่ะใต้ถุนได้ไหมคะเขาเขาไม่ได้แขวก็ห้ามเรา ดีไหมคะพระ อ, อาจารย์ขอเรียนปรึกษาว่าเราควรจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะได้พลังเวลามาชี้เนีย่ยค่ะก็แล้วแต่นะที่นทําแล้ ว, ลวได้ประโยชน์ก็ยิ่งได้ทำไปเพราะมันจะมีสติ<ช>เพราะมันจะทําให้เรามีสติเวลามีมีตัว<ช>อะไรอย่างนี้ค่ะอ่าก็ดีค่ะเดี๋ยวจะลองไปทําดูนะคะ อ, อาจารย์ก็ไปไปไปเดือนค่ะพระอาจารย์ได้ไดขอบคุณค่ะขอบคุณเอกจากเชียงรายเชิญอเอก ธรรมศาสกการพระอาจารครับเออไม่มีคําถามครับก็ครับผมแต่ก็ได้ไปปิ่งเวกมาสุขเสาอาทิตย์นะครับพระอาจารย์ดอที่วัดครับดีไหมก็ก็ดีครับได้ได้ปฏิบัติทั้งวันนะครับพระอาจารย์ก็อยู่กับพู้โทรทั้งวันก็ก็ดีอยู่ครับอาจารย์ครับแต่ก็ตอนกลางคืนก็พอดีมันมีฝนตกนะฮะไม่ได้ออกไปข้างนอกปุ๋ดนะครับก็ มันฝนตกสองวันติดกันเลยครับเลยไมีโอกาสออกไปอยู่บนข้างบนก็ไ ม, ม, มนนออไรก็อยู่ข้างในก็ได้ถ้ามันไม่เห็นทำเป็นต้องอยู่ข้างในก็อยู่ข้างในครับแล้วก็ยังปฏิบัติในสังฆิก็อยู่นะครับพระอาจารย์ท<ช>ุกวนภ<ด>าคครับแล้วก็ประมาณเออก็แพนไว้ประมาณต้นเดือนหน้านี่อาจจะมีไปปีกทิเวย่ยอีกสักสองสามวันอีกที่นึงครับอาจารย์อือ่น ครับผมที่เชิงอนองนะที่ครับผมเพราะพที่ไปนี้พอดีมันมีสิ่งปลูกสร้างในช่วงตอนกลางวันก็จะมีสิ่งอะไรก็สงบเท่าไหร่อะไรครับ ท, ที่มันฉชิงนอกไปนิดนึงะครับครับก็ช่วงนี้ก็จะจะเพราะว่าไม่มีโควิดจะมีอะไรก็จะเริ่มไปปิดวิเวกบ้างนะครับอาจารย์ใช่ลองทําครับก็ยังไม่มีอะไรครับเกามารับฟังครับอาจารย์โอเคสาธุคุณนาวิน นาวินต่จากที่ไหนนาวินวันนี้ครับพระอาจารย์จากกรุงเทพครับรามินท h a ครับพระอาจารย์อมีอะไรไหมครับก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ปฏิบัติสู้กันไปสู้กันมาอยู่นี่พอหลับตาแล้วมันก็ก็เห็นเห็นร่างกายเราเนี่ยเหมือนคล้ายๆกันลืมตาเลยครับพระอาจารย์ก็ตอนแรกก็ก็แปลกใจก็เลยไปลองหยิบตะปูคอร์สมาครับ เอามาเอามาตอกนูแล้วก็สามารถที่จะทำได้มันก็ก็เลยคิดว่ามันเห็นจริงๆทีนี้ตอนกลางวันเนี่ยเวลาถ้าสมมุติว่าผมจะสู้กับอิเรนเป็นแวบเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็หลับตาแล้วก็ก็เห็นร่างกายตัวเองอยู่เนี่ยมันก็จะมันก็จะค่อยๆหายไปแต่ว่าตอนกลางคืนนะครับพระอาจารย์ตอนตอนหลับเนี่ยมันมันจะแทรกเข้ามาเราไม่รู้จะสู้ยังไงครับ ไหนมาใหมาคืนค น, นี้ลางคืนไง่ะตอนกลางคืนตอนเราหลับให้มีสตินะครับ ม, มันจะมันจะเหมือนมันจะเหมือนมันแทรกเข้ามาครับอาจารย์มันคิดไปข้างนอกครับอ๋อตอนเราเราดับที่เราห้ามมันไม่ได้ควบคุมมันข้ามันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันไปตามตามสภาพมัน ครับแล้วก็ตอนต<น>ื่นใหม่ๆครับอาจารย์ผมก็พยายามพุดโทรพุดโธก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับกว่าจะเข้าที่อเราต้องพยายามตื่สติให้บ่อยๆให้มากขึ้นว่อที่เราจะมานั่งถ้าไม่สติมาต่อไปมันก็จะมันก็จะนิ่งมันก็จะไม่ไปไหนเวลานอนห่อกมันก็จะไม่ฝันไม่มีอะไรครับตอนนี้มันก็นนน ก, นนนก็อยู่ครบนะครับอาจารย์พระ พิเลตนะครับแต่ว่าเราเราเห็นมันแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับร่างกายมันเป็นแค่หุ่นยนต์นะครับแล้วก็เราเราเหมือนขับรถอยู่ครับอาจารย์ต้องมีสติตลอดเวลาก็ดีฝึกสติไปเรื่อยๆคับแล้วก็มองทุกอย่างว่าเป็นอนัตตามไม่มีตัวตนทํามาจากดินน้ำลมไฟคับอาจารย์แล้วก็ต้องดับเกินเฉล่ยดินน้ำลมไป ครับฉะนั้นดูคนตายเนี่ยเผาแล้วก็เหลืออะไรเหลือต่ทา่าดีเนี่ยทา่าดีก็ถูกไฟชำานงแยกแยะไปน้ำก็หละะขึ้นไปไฟก็หมดไปน้ำไฟหมดแล้วแต่ดินครั บ, ต, รบตอนนี้ถ้ามองตัวเองทุกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไปมองคนอื่นเน่มันมันจะ ทุงขึ้นมาเลยครับก็ เ, เลยพยายามมองตัวเองก่อนครับ อ, อาจารย์นี่มีให้จิตเราอยู่กับตัวเราเองมีแบบไปอยู่ว่าคนอื่นนะเมื่อไหร่ก็ยินดีนะเชื่อในเรื่องอย่างมาการเราดูตัวเราเองว่าวเราลองทำในสติไปแล้วก็นั่งสมาธิไปครับใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะไม่อยากจะไม่ยุ่งกับ มันเป็นเรื่องของชาวบ้านครับควมดีช่วมันเป็นของเครั บ, รบไม่ได้ไปอยู่อะไรมันก<ช>็นจะมีบ้างเวลาทํางานนะครับที่จะต้องต้องเกี่ยวพันกับคนอื่นแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ทํางานน้อยลงหน่อยครับก็ฝืนเมตตาันด้วยเวล า, กาเกี่ยวพันอย่าพูดแล้วมาใช้เมตตาใช้เมตติกิตครับทุกคนครับอยไปกรรอนจะไปเกียดใครเวลากรรเกินนี่แสดงว่ามมเมตตาหาไปแลครับ มันเดินกลับมาแล้วหรอทุกคนก็เป็นเพื่อนกับอาจารย์ใจใจเหมือนกันนี่ถ้ามันแว บ, บเข้ามาปุ๊บผมเดินนั่งนั่งนั่งดูก่อนถ้านั่งไม่ไหวก็จะเดินเดินจงกมถ้าเดินแล้วไม่อยู่ก็หลับตาเดินแล้วก็ถอยหลังอะไรอย่างครับอาจารย์มันก็จะค่อยๆคลายได้วิธีไหนจะได้ที่ทําให้แก้ปัญหาได้อรัใช่ได้นะครับหมดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับอาจารย์ครับ โ okay. อเคสาธุกับคุณท่ที่เป็นอ้อมตออ้ อ, อมบอวินนมามสการค่ะไม่มีคาถามค่ะไม่มีคำถามมีความกลัวไหมมีความกลัว <c oughs> หรือเปล่าเกมคงที่อยู่ค่ะที่เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นค่ะเ7เจ็ดหลืออีกสามเปอร์เซ็นต์เดียวนะววสามเปอร์เซนกบแกนะ <c oughs> คื อ, อยัง ยังตอนที่ไปเขาชีโอนยังไม่ได้ทดสอบที่ที่มันเป็นจุดที่มันเป็นจุดเบรดเคดอะคะ่ะแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งหรือออกมานั่งข้างนอกอะไรอ อ, ออกมานั่งข้างล่าง อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยังไม่ได้ลองนะใช่ค่ะยังไม่ได้ลองก็คือที่ไปบ่อยๆก็คืออยากจะไปทดลองช่วงเวลานั้นค่ะออค่ะคิดว่าถ้าผ่านไปได้ก็น่าจะนะค่ะมันยังมันยังไม่ได้ทดสอบที่เวลาช่วงเวลานั้นอยู่อะคะ่ะ เหมือนมันยังไม่คุมทั้งหมดค่ะอดีค่ะทำไปเรื่อยนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอคุณยินดีจากเซาแคลอนียอสวัสดีค่ะพ่จามไม่มีอะไรไหมไม่มีเหมือนเดิมเบบีี่เซย์ล้วแล้วก็บอกให้แล้วพี่มา ว <Okay. S 2> ันท้องเจค่ะใชาจ้ะกาจะยย้ายเมื่อไ <às ımı. S 2> หเอ่อยังยังไม่ทราบอะค่ะถ้าอาจารย์เขายังไม่ได้บอกอะไรเพียงแต่บอกว่าคร่าวๆว่าอาจคืออาจจะต้องไปดูถวทางรัเทแต่ก็ยังไม่แน่ใจอะท่านอาจารย์เ็กซัค่ะเพราะเียกับแคซัแคซัค่ะก็ยังไม่แน่ใจค่ะท่านอาจารย์คืออะไรอาจจะอาจจะเปลี่ยนแ ที่ไหนเข้าไปก็แล้วขให้มีการเดินก็ใช้ได้นั่ะใช้ได้จริงขอบพระคุณมากค่ะขบพคุณเป็นอย่างสูงอาจารย์พ่อหนูเองก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรค่ะก็เชานี้น้ชายกมาสา้นเดิมค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ท่านตค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์โอเคอาจารย์สายทีมอันนี้อยู่ตอนแก่เนียสารคะ กลับนวัต ก, การพระอาจารย์โตค่ะวันนี้อยู่สารคามค่ะค่ะเปิดแล้วนะมาอะไรเนระิ่มเปิดแล้วเออเปิดวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพระอาจารย์ค่ะได้ค่ะ ว, วันนี้อยู่มาอยู่เวรร้านยา ด, ด้วยค่ะมีมีเวรเดือนละครั้งค่ะพระอาจารย์โน้ตจริงๆแล้วตั้งใจออกจากบ้านจะมาวันจันทร์แล้วจะกลับวันพฤหัสค่ะพระอาจารย์ ทำตัวเยน็นเนียนเพื <c> ่อ <oughs> จะมีช่วงที่แอบหนีไปอยู่วัดที่บ้านจะได้จะได้ไม่เป็นห่วงค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ก็เลยก็เลยเวลาบัญจันรติถึงพริหัสนี้จะจะพยายามมาอยู่สารคามหรือว่าจะไปปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านก็จะได้แบบว่ามาทํางานอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่ห่วงเ อ, อมี มีช่วงหนึ่งค่ะพระอาจารย์เรื่องของการปฏิบัติที่ที่เคยเดินจงกรมแล้วก็พิจารณาอสุภกรรมฐานเป็นกระดูกอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็ในฝันนค่ะพระอาจารย์เราก็เราเห็นคนผู้ชายเนี้ยค่ะเราก็จิตแล้วก็มองเขาว่าให้เป็นกระดูกค่ะพระอาจารย์เป็นอยู่ครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ค่อยพิจารณาวั น, ว, นวันหลังๆถ้ามีฝันก็จะฝันเห็นแบบมีมีมนลังไฟช่วยเหลือเราแล้วเราก็เห็นความดีของเขาอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้คือแพ้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ก็ไม่ไม่ถึงว่าแพ้หรอกถ้ายังไม่เกิดการว่างขึ้นมาก็ยังไม่เกิดคือว่าแพ้ไม่ไม่ไม่ได้มีค่ะแค่แบบว่าไอ้ยคนนี้มาคอยช่วยเหลือก็ขอบคุณนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นธรรมดาใครก็ดีกับเราเราต้ขอบคุณเขนได้อืมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มองเป็นกระดูกเหมือนครั้งแรกที่ฝันว่าไอ้ฝันรับปุ๊บแล้วก็เหมือนติตว่าเอ้ยถ้าคนนนหน้าตาดีงั้นมองเป็นกระดูกเลยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ในฝัน ก็เราพยายามทําบ่อยๆเขาคิดบ่อยๆแบบนี้เป็นเห็นใจหน้าตาดีเขาบอกภายใต้หน้าตาเขามีอะไรก็ค่ะจะจะมีช่วงเมื่อกี้ไม่ไม่ค่อยได้พิจารณาค่ะพระอาจารย์ก็เลยคงจะแบบจิตมันน่าจะกําลังอ่อนลงค่ะมีคําถามพระอาจารย์ค่ะพรเอิญช่วงนี้มีเพื่อนๆกรรยานมิตรเขาจะชอบแบบว่าเออมีคาถานี้นะสวดนะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราก็เลยมาดูว่าเอ๊ะ ในบทสวดมนต์ก็มีคาถาต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่ามันก็จะมีผลอย่างนู้นอย่างนี้นี่อ่าเป็นเป็นตามนั้นไหมคะพระอาจารย์มีเพราะอย่างเดียวก็คือให้เรามีสติอเราจะบอกเออทำอย่างนี้เราจะได้แบบเป็นแบบนี้นะอะไรเงยอันนั่นเป็นอูบายอูบายหลอกว่าถ้าไม่มีขนมแจกมันก็ไม่อยากให้เราทำอะไรเงี้ยเรมีขนมหลอกเอามีขนมแล้วเนี่ยหลอกให้เจริญสตินะั่นเนี่ย หลอกให้มีความหวังแล้วก็จะได้สสด็จมลได้ส่วนล้วจะได้มีสติค่ะเราก็เลยเขาก็อยากให้เราเสด็จแล้วก็เดี๋ยวเราเสด็จให้สักสิบสี่วันนะแตีบอกเขาแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้ชอบสสด็จมลแต่ว่าเขาอยากให้เสด็จมลก็ก็จะลองตามที่เขาบอกแต่ว่าให้เขาบอกว่าแค่นี้เพราะว่าไม่อยากให้เขามีความหวังว่าเราจะทําตามที่เขาอาาอจรีกอันนึงที่อยากจะเรียนถามพระอาจารย์คือไม่ค่อยกระจ่างแจ้งเรื่องของ มรณานุสติค่ะพระอาจารย์ว่ามันแบบเออย่างละเอียดหรือว่าต้องพิจารณาอะไรต้องเริ่มยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆพุทเจ้าบอกว่าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายอืหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายความเป็นความตายอยู่ที่ลมหายใจนี่ให้เห็นสักวันหนึ่งสักวันนึ่งแล้วสักวันหนึ่งแล้วก็ต้องหยุดหายใจ เรารู้ว่าเราจะตายตอนไหนก็ได้เงใช่ไหมคะอาจารย์ไมันต้องตายตอนมันไม่ตายตอนหายใจออกแล้ว<ไ>หา ย, ายหายใจเข้ามีสองตอนนี้นะถ้าเลิกถ้าไม่หายใจก็คือตาย<อ>ไม่ว่าไม่เข้าไม่ต้องอยู่ที่ไหนไม่ทำไมสนใจลนะให้ดูที่ลมหายใจเราพอแล้วเราต้องพิจารณาแบบนี้แบบเรื่อยๆไหมคะอ า, าจารย์หรือว่าแล้วแล้วแต่ช่วงเวลาเข้าใจกว่านอาจารย์ว่าไม่กลัวตายอืม ยอมตายแน่ทุกหายใจไม่เข้าพ่ออ๋อก็คือพิี่ณาว่ามันเป็นธรรมดาไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์แน่แน่อ่าตายแน่แน่อืมก็คือจะจะตายตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกก็คือพิจารณาอย่างนี้ไปด้วยใช่ไหมครับพระอาจารย์แล้วพิจารณาเห็นผลผลที่ตามมาจากการตายเมื่อตายแล้วทุกอย่างก็จบ ก็จะได้รล่าวางทุกอย่างใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆก็ตายก็จบไม่มีอะไรเราไม่ติดต่ำหน่าไม่มีอะไริของเราไม่มีเราอะไรไปไม่ได้ไม่แต่ร่างกายนี้เราก็ออกไปไม่ได้ค่ะก็คือเราจะพิจารณตรงนี้ก็ได้จะพิจารณาอสุภะเพื่อที่จะมองเห็นความไม่สวยไม่งามก็ได้ออมันแต่มีควรมันยากกราชนิดการอสุภะนี้ไว้สําหรับแก้กลามระลัค่ะอ๋อ สวยกรอบตาเนี้ไม่สําหรับแกมากครัวตายแล้วเราเราในระหว่างวันเนี้ยค่ะพระอาจารย์เราจะต้องควรจะพิจารณาอะไรยังไงบ้างค่ะอย่างองเราปกติอย่างเนี้ยค่ะจำเป็น<า> ร, รู้<ช>จักพยาครับพิยา ร, นะร่างกายไี่เป็นหลักกันอสุภะก็ได้จะตายก็ได้ไ ม, ม่เป็นดินน้ามุมไฟก็ได้เป็นธาตุสีก็ไเป็นอาการ32ก็ได้ อก็คือขอให้จิตเราพิจารณาก็คือมีสติในการพิจารณาอะไรสักอย่างใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ถ้ายังไม่ได้สมาธิก็ไม่ต้องพิจารณาเลยนะให้อยู่แบบพุโทโธพุโทโธไปนะเฝ้าดูการกระทําทของร่างกายไปหยุดคิดถ้ายังหยุดคิดไม่ได้มาฝึกหยุดคิดก่อนถ้าไปปล่อยให้คิดมันนิ่งทําให้การกระทําจิตให้หยุดคิดยิ่งยากขึ้นไปอ่ะอืมมันก็คือ การทำปัญญาต้องทำหลังจากที่เรายุดคิดได้แล้วและสามารถสานความคิดให้คิดไปในทางปัญญาได้ก็คือถ้าเริ่มต้นควรจะมีความแข็งแรงในการหยุดคิดให้ได้ใช่ไหมครับหยุดคิดให้ได้ไดให้จิตนั่งสมาธิแท้จิตนิ่งสงบเข้าฌานมาได้ให้เป็นรูปในขาขึ้นมาก่อนแล้วค่อยพิจารณาทางปัญญาต่อไปค่ะนั่นก็คือ คันจะแบบมีสติก่อนอสติ อ, อยู่ย บ, บนร่างกายตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ําลามนะําลัางแรงฟันให้หยุด ง, งานที่กําลังทำํำอย่าไปกินก็เหมือนเขาเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์อันนี้ฝึกสติกับสมาธิก่อนปัญญ า, าเป็นประดับปัญญาเอกนปัญญาเราเอเป็นญาตีกับโทก่อนตีก็คือสติโทก็คือสมาธิฌาน ใช่ค่ะเพราะพอเราพิจารณาไปแล้วสติเราก็ยังอ่อนแออยู่มันก็ไม่แข็งแรงอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวาาก็ไม่ได้พิจารณาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่คิดเรื่องอื่นแล้วแล้วเราก็ทํามันเดียวค่ะก็ให้ทําทไมวันนั้นเราขยันทําอยู่ๆ อ, อีกวันหนึ่งก็ก็เหมือนหายไปซะเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะป้าจางมันไม่มีน้ำที่จะเกาะติดกิเลนเนี่ยดึงไปเช่นเช่เลยอย่างน้ ค่ะค่หนูเข้าใจแล้วค่ะงั้นหนูจะต้องถอยมาที่จุดเริ่มต้นก่อนก็คือทำมาที่สติกก่อนทำปัญญาตีก่อนป้อตีก่อนแล้วไปทําป้อทงนั่งสมาธิให้เข้าชาญในได้พอได้ชาญแล้วทีนี้ออกมาก็คอยแปเป็น่ยนย้ายอีกอืมค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวตั้งต้นให้แข็งแรงแข็งแรงให้ฐานแข็งแน่นนีปอตีป้อทงยังไม่จบเลยไปนู่นแล้วไปปออ้อยีกนะกระโดดดิ้งไปแล้วก็ตบกมา าพระอาจารย์รู้ไม่ได้ท่านอยากเลยแต่ว่าไม่ได้ท่านอยากเลยทัดชันแล้วก็หล่นลงมาใหม่ค่ะค่ะช่วงนี้ก็ถือสิบแปดค่ะพระอาจารย์รแต่ว่าอาทิตยนึงอาจจำปีสิบห้าวันนึงเขรู้สึกว่าอเอยวันนี้ไม่รู้กินเลนหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์อยากกิ น, นถ้ามันยากก็กินเลนนั่นะค่ะ เดี๋ยวพยายามเดี๋ยวจะกลับมาที่ที่สติก่อนค่ะพระอาจารย์สิมก็ก็รักษาไว้พยายามที่ประคามไว้ที่สิมแปดค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้เรียนทางพระอาจารย์เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะตั้งใจให้มาเรื่อยๆค่ะสาธุข้างค่ะทำเป็นขั้นๆดีกว่านอย่าไปก้าวกระโดดใจเย็นค่ะวันนี้พอมาศึกษาธรรมะพุ่เอาจะทําทุกอย่างสติก็ทําสมาธิก็ทําปัญญาก็ทำค่ะจนกระทั่งไม่รู้ อะไรไปอะไรไปม่วไปใช่ค่ะก<ๆ>็เลยเอ๊ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงเลยดูเหมือนแบบถามไม่แน่นค่ะพระอาจารย์ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยมาที่สติให้เยอะๆเลยคะ่ะพระอาจารย์แต่ปัญญาก็ใช้ได้เป็นบางโอกาสถ้าเกิดเราทุกกับเรื่องใดก็ใช้ปัญญาได้ก็ใช้ไปอืมที่ถ้าเราถอยไปเจ็บไข้ได้ปวดเป็นโรคอะไรขึ้นมาแล้ ว, ลวกลัวตายก็บอกว่าหน้างกามันต้องตายนะเป็นธรรมดาอืะใช้ ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ยังเป็นจะต้องใช้ปัญญาเ้ามาใช้ถ้ายังไม่มีเหตุการณ์จริงๆก็อย่าเอมาใช้มาฝึกสติก่อนนะคะอ๋อค่ะถ้ามีปัญหาค่อยเอาปัญญาไปแก้ตามนั้แล้วก็ถ้าไม่มีก็มาฝึกสติออออค่ะได้หลักแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะออสาธุ ค, ค่ะออคุณสุพัฒนาจากบองเวิน กลับมวัฒการพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีอะไรไหมตอนนี้ก็พยายามพูดพูดให้หน้อยแล้วก็ก่อนจะพูดก็พยายามคิดเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ให้กระทบคนอื่นอย่างช่วงนี้ก็ใช้ใช้หลักที่พระอาจารย์สอนเลยคือยอมหยุดเย็นอืา hmm. เราอาจจะทําถูกแล้วแต่คนอื่นว่าผิดก็ไม่ก็ไม่แ ย, งาาาย้งนะคะว่าใช่ดีแล้วความเห็นต่าง ก, กันไป อันนี้เป็นเป็นสติใช่ไหมเจ้าพระอาจารย์เป็นปัญญาเสมุนสวดต่างภาษาสวนเหมือนเพื่อไม่เกิดปัญหาตามๆใชค่ะยอมให้มันให้มันหยเลยก็ได้อย่างนี้เจ้าพระพจารย์ยอมแล้วก็จะหยุดหยุดต่อสู้มันเข้มงวดแล้วใจก็จะเย็นสบายแต่ก็คือฟังคําสอนพระอาจารย์ก็จะมาพิจารณาว่า เราก็ทําตามที่พระอาจารย์สอนก็ไม่น่าจะผิดแต่ว่าใครว่าผิดอันนี้ก็ก็ยอมก็ปล่อยเขาไปอ่าก็ค่ะตอนนี้ก็ฝึกสตุแล้วก็ฝึกเรื่องการยอมหยุดเย็นของพระอาจารย์อยู่เจ้าค่ะอาจารย์ดีมากทําได้ต่อเวลาอู่คู่ก็ค่ะแล้วก็เรื่องเมตตาที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่ก็พยายามฝึกตรงนี้ให้ให้ให้ใหมีให้ต่อเนื่องเจ้าค่ะอาจารย์มันก็เหมือนยอมหยุดเย็นอนะเมตตาก็คือคามยอม ยอมต้าไห ม, อมยอมกระทบอย่างที่พระอาจารย์สอนขอบคุณพระอาจารย์นะคะสาธุจทได้สาธุคุณที่คุณนพลต่อนพลอย่ามาตรการครับอ า, าจารย์ครับน่มา้าปาปไปงน้องมินไปนไงบ้างเจ็ดต่อกันอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะน้องมินยังอยู่ที่นั่นนะ ยังอยู่ที่เดิมค่ะตอนนี้ผมเริ่มยาวแล้วค่ะอ่าจะ ต, ต้องออกมาแล้วนะออก็รับสุดแล้วนะ <laughs> ก็ก็ดีอะค่ะก็จะออกมาเอ่อในความคิดตานะคะเหมือนก็ออกมาเพื่อเทสทางโลกว่าเขาจะหวั่นไหวแค่ไหนอะค่ะแต่เขาก็ก็าถามเขานะนขาบอกว่าอ่าแต่เขาบอกเขาจะกลับไปอีกอ่ะค่ะจะกลับมาเหมือนกับเขาจะได้สิทธิ์เชียวด้วยอะค่ะ เที่ยวต่างประเทศอะคะมาใช้เที่ีเลต์กีเลตลังมานะเขาบอกว่าเขาจะมาทดสอบว่ากีเลต์ทำอะไรเขาได้หรือเปล่าทําได้ยแล้วมันหลอกมันหลอกให้เราไปแล้วมันมันทํารางล้วโดยไม่รู้สึกตัวี่ถ้ามันมันทำไม่ได้ก็คือเราไม่ไปอย่างเงี้ยเด้ถึงมันทำไม่ได้อมันชวน้วแล้วเราไปแล้วก็โดนมันหลอกแล้วเออ มันบอกหเราเป็นทดสอบเรียนกีเรีนชนามาออว่าอาจารย์เป็นของฟรีตั้ง น, นะ <c oughs> สเสียได้อที่ไม่ได้ก่อนตามใจก็นทาแดงว่าปัญญาหนี่ไม่ทันกีเรียนมันก็ยากจริงนะครับอาจารย์มันก็ยากอะ่ะมันไม่บองวันนี้จัไปครับไก็มากแตเดี๋กลับมามันก็เหมือนเดิม ในการต่างๆก็ผ่านไปที่ธรรมะที่เราอยู่ในระดับสูงก็ลดลงมาต้องกลับไตายต้าขึ้นไปใหม่่ให้มองตรงนี้บ้างเราจะฟันฝ่าความอยากต่างๆมาได้ถ้าอยู่ดีๆก็ถูกความอยากหลอกให้เป็นทดลองความอยากจะไปทดลองไงมันอยากอยู่แล้วอ่ะมันอยากจะไปครับปู่พระจานทร์มันก็ยากจริงนะ ใช่เพราะถ้าไม่มีความสุขไม่มีความสงบมันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวมีอะไรมาแย่มาล่อหน่อยเข้าไปถ้ามันมีความสุขมีความสงบแล้วต่อให้ช้างมาฉุดเข้าไว้ไฟแรืงว่ากิเลสี่มันพระอาจารย์โอ้มันมันมีความดึกล้ำลึกยิ่งขึ้นมากมันเป็นแบบมันมันอนแบบหลายชั้นอะกิเลสมาหลายชั้นมีหลายหมากด้วยกัน มีบากหลอกมีบากล่อกพ อ, อยงนี้เนีย่ยโดนหมากล่อเขาไปแล้วแ้าก็หลอกหลอกให้ไปทดสอบต อ, อก็หลอกให้ไปทดลองกิเลสไปทดลองกิเลสก็ชนะนะทลองกิเลส ก, ก็ต้องอยู่ในที่เราสู้กันซิโมโจโบโมไปอย่างใช่แล้วเรายังให้เหตุผลกับ ก, กิเลสแล้วเราจะทดสอบกิเลสั้าโดนโดนทั้งหอกโดนทั้งลออ่ออือค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวปจะคุยกับเขาดูแล้วจะดูก็จะเข้าใจยังไงค่ะยังไงก็ไปแล้วเพราะมันมัน ม, มันตัดสินใจแล้วแหละมันไม่มยาญใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็ตอนนี้ เ, เขามาขอยืึดกระเป๋าก่อนนั่นแหล <c oughs> ะแล้วอาจารย์ก็คิดว่ายัง น, น้องนุกท่านอยู่ยังแพ้ชนะกันกันลค่อะอาจารย์เหมือนกับว่ามัน มันเหมือนกับตัวเราเองก็เหมือนบางทีเราก็รู้สึกเลยค่ะอาจารย์ว่าบางครั้งเราก็เดินหน้าแล้วก็หลายครั้งก็ถอยหลังขึ้นลงขึ้นล ง, นลงอยู่ตลอดเวลาเลยะค่ะอาจารย์เวลาที่เราจะไปที่ไหนอะค่ะโดนมันหลอกลื่อนกลับมาอีกนะเลือนกลับที่เก่าอีกนะอาจารย์แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยแค่สติเอาไม่อยู่อ่ะค่ะมันใช้ปัญญาด้วยถ้าสติถ้าสติจริงๆ ก, ก็ต้องมีระดับอุเบกขาเนี่ยปัญญาอยูอ่ เอาจริงๆว่าอาจารย์มันมีหลายอย่างที่รู้ก็ทั้งรู้นะคะว่ามันมันเป็นโดยเฉพาะตัวหลงเนี่ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าสติก็อยู่นะคะแต่ใจมันเหมือนกับก็ยอมหยวนให้อ่ะคะ่ะกับเอกิเลตตรงเนี้ยค่ะได้เห็นทุกข์ก็เป็นสุขเนี่ยพอจะไปมันทุกข์จะตายเลยอย่างนันก<ม>็เชื่อไปหาความสุขกันอืมใช่ใช่พระอาจารย์ความสุเดียวเดียวและตอนที่ได้สัมผัสเมืกลับมาก็อางว้างเปรับเปลี่ยวนั่นเองกลับว่า นี่จะอยู่ยากกว่าตอนที่ไปเลยว่าตอนที่อยู่การกาที่ไปเนี่ยพอจะอยู่กับความว่างว่งเปล่าเปรี่ยนนะานี่พอไปแล้วกลับมามาอยู่ใหม่ที่นี่มันจะรู้สึกเหงามากกว่ายากเหมือนกันมันไม่ติดเชื้อมันนอ่านี้ไม่เนี่ยจะอยู่ไม่ได้กล <c oughs> ับมา จ, จนจนกว่าจะทุกข์จนถ้าไม่รึกจะไปไหนแล้วก็ให้กลับมา คุณแม่ถามอาจารย์เรื่องหนึ่งครับว่าอย่างการสวดการสวดเป็นบาลีกับกับการที่ว่าถ้าเราไปหาบทแปลเนี่ยแล้วเราเราแล้วสวดเป็นเป็นเป็นบทแปลเนี่ยมันมันจะได้อานที่สอง่างกันไหมก็ได้ความเข้าใจได้เพิ่มได้ครับเข้าใจเป็นปัญญาเป็นปัญญา อ, อย่างบางทีเนี้ยอิติปิโสบางทีพอไปถึง ถึงบางบางส่วนเกิดเกิดลืมไปเนี่ยเราก็นึกเป็นภาษาไทยขึ้นมาว่าอ๋อโอเคไปเปห น, นีกลายเป็ใกลายเป็นป่าปนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าก็ยังอยู่ในในส่วนเดียวกันนี่น้ามันการสวนนี่มันให้ให้เรามีสติไงไม่ให้เราไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วถ้าเราเข้าใจความหมายเราก็จะได้ปัญญาคครับเข้าใจนะ เข้าใจครับเข้าใจครับ<ม>อย่างนั้นไม่มีคำถามครับรอานะจารย์สาธุจักบ๊วนะโมมาแล้วนะโม <คา S 2> นอ้อสองวนนี้บอกว่าถ้าน้าโมไปบวกเขาจะไปเป็นลูกศิเนี่ยจริงนะครันัตตี้กับจัตตี้อีจใยจังไรจามาจามาขจ้านัตตี้อะไรเนี่ยอ๋อ <c oughs> มีใจจังเลยครับอาจารย์มีแฟนคลับด้วย อ, อาจารย์ครับวันนี้ผมมาส่งกันบ้านแล้วก็มีคำถามมาสอบถามอาจารย์เพื่อความคืบหน้าครับอาจารย์ก็หลังจากที่ได้เอาคำสอนของอาจารย์เขาที่แล้วไปฝึกปฏิบัติะครับออมันก็สมุกครับอาจารย์แล้วก็มันนิ่งไปเลยครับอาจารย์ อยู่แต่มีลมหายใจมีพุโทโธมันทุกอย่างมันหายหมดเลยครับพระอาจาย์แล้วมีอยู่วันหนึ่งครับที่คุณแม่มารับชาครับผมก็ไปที่ชั้นแบบสูงสูงของกรงเรียนนะครับในตึกครับทีเ่เพราะว่าตอนนั้นมันก็ครูเขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วก็เหลือผมอยู่บนตึกคนเดียวครับพระอาจาผมก็เดินจงกลมนั่งสมาธิอยู่บนตึกครับตอนนั่งสมาธิมันแบบว่านิ่งสงกมากแต่ว่า ด้วยความที่ว่าข้างหลังเขาเป็นก่อสร้างครับเขาทาเหล็กล่วงลงมามันก็เลยเสียงดังทําแบบนั่งไปได้สักพักแล้วครับนาฬิกาแบบใกล้จะดังแล้วแล้วมันก็ปั้งคราวนี้จิตเราจากที่มันสงบอยู่มันก็เลยเพือกขึ้นมาครับอาจารแบบนี้มันคือยังไงครับก็เป็นธรรมดามีอะไรมนกระทุ้มมันก็มีปฏิกิริยาแต่ถ้ามีสติแล้วก็เรื่งมันกลับมาให้มันเนื่งต่อไปได้ ถ้าไม่มีสติมันก็ตื่นเต้นตอใจไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นวิธีพิสูจน์เป็นการวัดทดสอบวัดควา ม, ส, มาสามารถของสติเราว่ามีมากมีน้อยถ้ามีอะไรปุ๊บแล้วก็สะดุ้งปุ๊บแล้วกลับมาหนึ่งมันเด่นแสดงว่ามันสติ แ, แต่ ถ, ถ้าอะไรปุ๊บแล้วใจห ว, วั่นไหวนี่นี่นี่อะไร มีตกหวาดกลัวขึ้นมานี่แสดสติหายไปแล้วสติแตกครับอาจารยผมเป็นแบบนั้นค่ะสติแตกไปแลนะ้วแสดงสติเรายังทํานังน้อยมันคือมันนิ่งไปแล้วแล้วมันแบบว่าเหมือนมันไม่รับรู้อะไรแล้วครับเอใ ช, ใช่แต่พอมีอะไรมากระตุ้นหนักบ้างมันก็สะดุ้งเป็นมาใช่ครับถ้ามีสติที่ไม่ถ้ามีสติที่ต่ำเนี่ยมันก็พอสะดุ้งตบแล้วมันก็หายไป แต่ถ้ามถ้ามีสติน้อยพอถ้าลุกปั๊มมันก็ไปเลยสติแตกเลยครับอาจารย์ก็ ไ, ไม่เป็นไรมันก็เป็นเครื่องวัดอย่างให้เรารู้ว่าสติเราไม่มากไม่น้อยครับอาจารย์แล้วก็มีคำถามครับอาจารย์อันนี้ อยากทราบะครับไม่ใช่แค่ผมอยากทราบแต่ก็มีหลายคนในครอบครัวครับเพราะว่าทุกคนในบ้านก็ปฏิบัติครับพระอาจารย์แล้วก็เขาก็สงสัยกันว่าเอเราจะรู้รได้ไงครับว่าเราปฏิบัติเนี่ยเรามันก้าวหน้าะครับพระอาจารย์แล้วเรามีความสุขมากขึ้นเ่สุขมากขึ้นวทุกมากขึ้นใช่ไหมคว<ช>ามอยากเราก็น้อยลงความอยากในรูปเสียงกินรสต่างๆมันจะน้อยลง อยากได้เข้าคลองอยากได้สิงงนี้่งนี้ก็จะน้อยลงไปอยากจะได้ความสงบมากขึ้นอยากปฏิบัติมากขึ้นแสดงว่าก้าหน้าครับรแล้วก็มีวันนั้นนะคะก่อนหน้าที่จะไปนั่งสมาธิเราผมเรียนพระจันท์ว่าสมบูรณ์มครคุณแม่ก็ามารับชายทราบแล้วแล้วก็ผมโรงเรียนผมครับจะอยู่ ใกล้ๆ ก, กับมศวครับผมก็เลยในมศวจะมีองค์พระครับก็คือมีพระพุทธรูปใหญ่อยู่ในศาลาครับของมหาลายัยผมก็เลยเดินขั้นถนนนะครับวันนั้นก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเดินขั้นถนนไปไหว้พระสดหมดตรงองค์พระครับแล้วบังเอิญไปเจอผู้ชายคนหนึ่งครับพาชฌ์เขาก็ถามผมว่ามาทําอะไรผมก็บอกว่าออผมมาฝึกสติครับอาพัรย์แล้วก็เขาก็เลยบอกว่า นี่อ่าเขาก็เลยบอกว่าให้ลองโอ์แบบนี้ครับอาจารย์อ ผ, <ม S 1> ผมก็เป็นพุทโธเหมือ น, น, นกันใช้โอมอะไรใช้พุทโธอะไรนะเหมือนกันอาจารย์ครับแต่ถ้าผมแบบคิมั่นในพุทโธครับแล้วคือตอนเขาสอนเสร็จผมก็เหมือนขอบคุณเขาที่เขาแนะนำแนะนำ <พอ S 1> เราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปขอนนให้เขามาแนะนำเพราะอยากจะแนะนำเมื่อวันก็แนะนําไป เราอยากไปทําตามนี้ไหมก็นเนื่องเป็นเซตที่ของเราครับแต่ผมไม่ได้ไปหวั่นไหวตามที่เขาแนะนําอะครับผมก็ยังอยู่กับพุทธานุสติต่อไปอะครับอาจารย์อาจารย์ที่นี้ก็มีเท่านี้ครับโอเคขอบคุณอาจารย์ครับที่คุณซันนี่แบงค์ท์กอร์จมอร์ันนี่อยู่ที่ไหนยุ้งเทปหรอือครับคุณซันนี่ อยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์อมีอะไรไหมค่ะหนูอยากจะสอบถามว่า อ, อสังขารในปฏิจจสมุ ป, ปบาทนะคะมันเป็นสังขารเดียวกับในขันห้าไหมคะใช่เป็นภพคิดตัวแตกแล้วก็ตัวเวทนาก็เป็นเวทนาเดียวในกับในขันห้าใช่ไหมใช่เวทนาวิญญาณก็เป็นตัวเดียวกันในขันห้านะหมเนี่ย ค่ะขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์คำมีคำมีคำถามอย่างเดียวค่ะโอเคครับเป็นคิดิสาต่อขอธรรมน้อมกันทีครับครับในวัฒการครับพระอาจารย์ครับก็เอ่ออยากจะกลับสอบถามพระอาจารย์ว่าการที่เราฟังธรรมแล้วเรารู้สึกถึงเพราะว่าเราเข้าใจแล้วเราก็ซึ้งใจตามไปด้วย มันเหมือนคับว่าเราได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ได้เข้าใจได้สามารถที่จะจะใช้คำพูดว่าคือเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางมันด้วยการฟังอย่างนี้ได้ไหมครับก็ดูเราปล่อยวางได้จริงหรือเปล่าเราปล่อยวางได้จริงเราก็ต้องสละมันทิ้งไปได้ ะอะไรยังมียึดติดอยู่เราก็เป็นแต่ความความคิดอะไยังไม่ยังไม่อยู่นะระดับของการกระทำเพราะว่าสมุนนี้แล้วเราไม่ยึดติดเงินทเท่านะก็มีรายก็ไม่จําเป็นก็เงินเท่าไม่ทิ้งส่วนไหนไม่จําเป็นก็สลัดทิ้งไปให้คนอื่นไปแต่ไม่แต่เข้าใจแต่ไม่ไม่ไม่สลัดแก็ยังคิดได้แต่ทําไม่ได้ นั่นก็ยังไม่ไม่ใช่วานาันหลังวันนี้เพราะฉะนั้นสองสามวันก่อนได้คือปกติก็จะมีฟังธรรมะผ่านทางเวลาขับรถนะครับพระอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์เทศได้ฟังแล้วก็เข้าใจเหมือนแบบมันซึง้งแล้วเหมือนกระจ่างที่ว่าอทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมคําว่าสภาวะธรรมก็คือความจริงที่มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันเป็น ตามธรรมาชาติมั น, ป, นปรากฏการณ์ตามธรรมาชาติทุ่ครับใช่ครับแอ่แต่ก่อนได้ฟังคําว่าสภาวะธรรมก็ไม่ได้ซึ้งหรือว่าแบบกินเข้าไปในความรู้สึกว่าอ๋อแต่คราวนี้มันเหมือนแบบมันอ๋อมันคือความจริงที่ เ, เกิดขึ้นนี่มันเราต้องเอาคามความจริงนี้มาใช้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเช่นเวลาเจ็บไข้ดได้โปรดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสภาวะธรรม ครับแล้วปล่อยร่งได้ครับก็เ อ, อมองย้อนกลับมาว่าร่างกายคือมาดูที่ร่างกายครับว่าลมหายใจลมหายไฟเหมือนก็คือความจริงอย่างหนึ่งที่ตัวเราจิตเราไปรับรู้ผู้รู้ไปรับรู้มันแล้วรับรู้ตอนที่มันแก่ได้ครับร้บรู้ตอนที่มันเจ็บได้ป่วยได้รับรู้ตอนที่มันตายได้ครับอันนี้เอมันก็อาจจะ ต้องไปพิสูจน์ในตอนจุด ท, ที่มันเกิดขึ้นจริงๆว่าเราแค่เข้าใจหรือว่าเราสามารถที่จะรับกับมันได้ใช่ไหมครับใชแล้วเราจะไปพิสูจน์อย่างไรนถ้าเราไม่ไปหามันเราให้มันมามันอาจจะอิกนานไป่านมาก็ได้นานกว่าจะเจ็บไข้ได้ปวดก็ได้นานกว่าจะเจ็บไข้ได้ปวดก็ได้นานกว่าจะตายก็ได้แล้วเรจะทำไงเราก็ต้องไปหามันนะนะครับภาเจ็บปดเนะี่ยถ้ไม่มาหาเราเราก็ต้องไปหามัน วิธหามันก็นั่งให้มันเจ็บแล้วก็อยา่าไปขยันคิดว่ามันเป็นอาการเจ็บไข้ไดตัวนั่งนั่งแล้วเจ็บนี้เคยเจอหลายครั้งครับก็ใช้วิธีที่พระอาจารย์สอนก็คือไม่ต้องไปสนใจมันแล้วก็ให้ไปอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอันนั้นก็ยังไม่พออันนั้นเป็นแต่ใช้สติดต้องใช้ปัญญาวก็เป็นสมาธิว่าทำอย่างไรแล้วก็หน้าตา พวกคุมบังคับไม่ได้แล้วก็นั่งดูมันให้มันเจ็บไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าหัดดูมันไปแม้ก็ะั่งไม่รังเกียบแต่วถ้าถือว่ามันส่วนของของธรรมชาติมันท้นตนบบอตกแดดเอาน้ำพัดขยิมามั น, มนในความรู้สึกผมมันก้ากึ่งระหวา่าง ความเข้าใจของสัญญาหรือว่าเราซึ้งใจไปแล้วจริงๆที่ว่าเรามันก็ซึ้งใจด้วยสัญญาได้โอ้โครับมันต้องมันต้องไปทดสอบต้องไปเจอของจริงอย่างที่อท่านบอกว่ามันก็จะเหมือนกับเราละได้ไปทีละขั้นทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆมันอาจจะได้จากลักษณะในแบบนี้ใช่ไหมครับใช่พอเข้าใจไบเนื่อแล้วก็ต้องไปพิสูจน์หรือว่าความเข้าใจนี้ เป็นความเข้าใจที่เป็นระดับปัญญาหรือสัญญาแล้วท่านในส่วนของเรื่องกายเนี่ยครับเราจะทดสอบด้วยวิธีไหนได้บ้างครับว่าเราก็อเอเาเนี่ยาั้ให้มันเจ็บเนีแล้วก็จะได้เวทนาใช่ไหมแล้วก็ส่งความตายก็ไปไปไปใอยู่ที่มันเปรี้ยวๆน่ากลัวดูอะไรอย่างกลัวแล้วปะ นี่มีความกัวอยว่มัธยายเขายัา ง, ยล ง, ลงกลัวตายยังรร่างกายยังยึดติดกับร่างกายมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความซึ้งในระดับสัญญาก็ได้ระดับสัญญาระดับความรู้ใจมันไม่มีอะไรมามันไม่มีการทําการปฏิบัติอย่างแท้จริงมันนั้นมีการนองแล้วเช่นเกิดมีมีเหตุการณ์อะไรกระทำหันขึ้นมามีโจรมาป้วนมาขี้มา เราเปิดมาเจาะสีสระเราบาง น, น่านก็ดูว่าอาการจะเป็นยังไงหรือนั่งเครื่องแล้วก็ทานขับตานบอกตอนนี้เครื่องขัดข้อเราดูว่าจิตใจจะเป็นยังไงตอนนั้นเป็นสัญญาแล้วเป็นปัญญาถ้าสัญญาก็เลยตลกขึ้นมาถ้าเป็นปัญญาก็เฉยรู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มชาช้าก็เร็ว เนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์ที่มากระทบในความเปตนนามธรรมมาระทบกันเอมันถึงจะรู้ว่าอซึ่งจริงก็ไม่ซึ่งจริงว่าปล่อยได้จริงหรปล่อยไมได้อ่าใช่ครับอันนี้ยังเป็นมันก็เหมือนว่าเราซึ้งเราเข้าใจแบบมันซึ้งกินใจมากเลยอ๋อเป็นอย่างนี้แต่มันไม่รู้ว่าเอ้ยนี่เราปล่อยได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยใช่มันเราอยู่ในสภาพที่มันยังไม่ยังปลอดภัยอยู่นะ ถ้ามันซึนแบบขนาดเครื่องเครื่องเครื่องยนตอกแล้วเราซ้นตอนนั้นะเราก็จะมั่นใจแล้วอ๋อครับอือยังมีอยู่ครั้งหนึ่งเออเหมือนกับว่าเป็นการกระโดดบันจี้จัมม์อย่างเงี้ยครับอ่าแล้วได้ใก็ยังมันก็ยังไม่รู้ว่ามันไม่มันยังมันมันยังมีเชือกคอยล้งอยู่ครับแต่ความรู้สึกตอนที่กําลังจะก้าวไปนี่มันเหมือนกับว่า ดังนั้นก็เป็นเพราเราไม่เคยกับสภาพนี้นะมันทำให้เรามีควาประหม่าบางใจอย่งนี้นเรารู้ว่าอย่างนั้นยถ้ายังไงก็ต้องก็ไม่เป็นอะไรไม่มีเชือกลองรับอยู่ถ้าเราไม่มีเชือกยูเนี่ยเราจะลองกล้าขับนถไหมครับก็ยังไม่ใช่ของจริงอยู่ดีครับอก็เข้าใจนะครับอาจารย์คงต้องใช้โอกาสหรือว่ามีอะไรที่เข้ามากระทบจริงๆแล้วเราจะได้เรียนรู้มัน ว่ามันใช่ไหมงั้นเราไปพิสูจน์แต่ตอนที่ไปพิสูจน์ที่ไปปีกวิเวกมันก็เหมือนกับเออ่ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรแต่ไม่รู้ว่ามันยังไม่ได้เจออะไรที่มาทำให้เรา เ, เลิดความคิดว่าเราจะตายได้มันไม่ได้หรือว่าน่าจะเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าอ๋อขึ้นมาบนเขาชิโอนนี่เราก็มีพระท่านทั้งหลายองค์ก็อยู่ก็ไม่ได้ เป็นอันตรายอะไรเราก็คงไม่ได้เป็นอันตรายมันมนมันต้องต้องมาจองูเข่ามันจอต่อหน้าตอบแนาครับอย่างจระเข้นกงูเขามันเลื่อมาหาเราครับอืมมันดูจะเป็นยัไครับครับอาารขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับอาจารย์เป็นมพันเช่นยาพิษโลก อาจารย์กำลังสกการผมอาจารย์จะแสดงอำนาบุติแล้วครับอาจารย์ครับ่นนะเพราะว่าเียนนี้คนก็ถาถึงยบ่อยด้วยกันแนเก่าก็ามเยอะผมก็เลยขอโอกาสเข้าไปร่วมทีมได้วยนะครับได้เชิญตามสบาเผื่อมีโอกาสแล้วก็ถ่ายทอดต่อทั้งช่องผมด้วยครับครับจะได้จะได้นับชมสดๆแต่มันก็เหมือนกันเหมือนกับที่ถ่ายทอดสดทุกวันอย่างนี้ ที่เป็การบันทึกเสียมันก็เหมือนจระสุนทำหน้ามันก็เหมือนอันเดิมนะพูดแล้บพูดเนื่องกับเราเหลนี้นั่นแหลเป็นเดี๋ยาทำให้คนที่อยากจะมาที่วัดมันจะได้มีที่มาบันทีความที่มามันไม่มันไม่มันไม่มันในการมาที่วัดอยากจะอยากจะไปเจอพระอาจารย์กันเยอะครับก็ยังภาวนาอยู่ทุกวันครับอาจารย์เราก็รู้สึกว่าความสงบก็มากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ครับ พยายามฝึกสเต็งให้เรื่อยๆครับผมบางวันก็นั่งเกินชั่วโมงไปบ้างแลครับอาจารย์ครับ น, นีครับชั่วอาจจะเป็นชั่วโมงเพิ่มสองชั่โมงก็ได้ครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้พระอาจารย์บอกว่าต้องไปเจอเวทนาทีนี้เวทนามันก็ไกลออกไปเรื่อยๆเหรอใช่ไหมครับอาจารย์ทําไม่หรอกนั่นแต่ถ้าเรานั่งแบบไหนถ้านั่งแันนั้นไม่สง ม, มันก็จะเวทนาก็จะมาเลยอ๋อ แตอตอนนี้ตอนนั่งไปชั่วโมงหนึ่งมันก็เลยชินไปแล้วครับอาจารย์ไม่เันาแต่เดิมมันเกิดตอนนี้มันไม่เกิดก็นั่งต่อ่นั่งต่ออย่าเพิ่มลครับจะจดห้นาขึ enfin ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ครับครับวนนี้ไม่มีอะไรเครับอาจารย์ครับสาธุมาย่แล้วนี้เปลี่ยนหน้าใหม่เละใส่แว่นตาอ๋อใส่ใส่เกินทุกครั้งทั้งของพ่อไม่สังเกต คุณแ่ใส่ตาบังวังไม่ค่อยช้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อครับวันอาทิตย์ที่ฟังรายการของหมอวีเมื่อกี้เนี้ยค่ะวันอาทิตย์เนี้ยผมก็เลยมาปรับเวลาปฏิบัติว่าว่าที่หลวงพ่อบอกว่าอะไรนะถ้าเป็นพระนอนสี่ชั่วโมงใช่ป่ะแล้วตื่นตีสองแต่หนูหนูนอนมันดีมันเลยเลยสี่ทุ่มไปแต่ทีนี้ก็เลยมาตื่นประมาณตีสามค่ะก็ตื่น ตื่นตื่นตีสามแล้วก็เหมือนมันจิตมันไม่ง่วงมันก็ลุกขึ้นมานั่งได้จนบางทีก็ถึงประมาณตีห้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานแล้วแล้วก็พอไปถึงออฟฟิศก็ช่วงเวลาก็มีเวลาปฏิบัติชั่วโมงหรือค่อนชั่วโมงเลยหนหนูเก็บหมดเลยค่ะลงพ่อหนูปรับปรับเพิ่มดีดแล้วก็ค่ะแล้วก็ช่วงเวลาถ้าเรารอ รอรอร อ, อเวลาหรือแล้รอ ง, งานหรือรออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะภาวนาพุโทโธให้เหมือนให้มันให้มันจับอยู่ในใจเราตลอดเนี้ยคะ่ะหลวงพ่อแล้วเวลามานั่งงานรู้สึกว่ามันเร็วเร็วดีคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็เอ่อช่วงที่อยู่ในสมาธิที่เราเข้าไปแล้ ว, ะวอะค่ะหลวงพ่อเรากายเราเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนหินที่มันหนักมันไม่ขยับมันไม่อะไรสักอย่างหนะึ่งงเงี้ยค่ะ แล้วที่นี้มาคราวนี้หนูรู้สึกว่ามันมันไม่ขยับปากก็ไม่ขยับแต่ว่าน้ําลายมันหยดออกมาเพราะมันหนูไม่ได้อ้าปากนะคะหนูรู้ตัวตลอดเลยอ่ะมันก็คือหนูไม่เกินแล้วมันมันหยดเหมือนก๊อกรั่วเลยอะคะ่ะอย่างเนี้ยหลวงพ่อแล้วเสื้อแล้เระเปียกอย่างนี้มันถือว่าถือว่าสติเราน้อยลงไปหรือเปล่าคะหรือ ย, อยังไงคะไม่เกี่ยวกับเพจเราไม่ไปสนใจเรื่องของร่างกาย คือปกติมันมันไม่ได้ว่าน้ําลายระยดออกมาอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อมันก็อยู่นิ่งจนจนกว่ามันจะเลิกไปอาจจะเป็นบาช่วงเราาจจะไปสติหลับไปหรือเปล่าไม่ได้หนูรู้ตัวตลอดเลยค่ะว่าเนี่ยมันมันกำลังจะออกมาจะหยดออกมาอย่างนี้ค่ะหลว่ามันเหมือนน้าซึมออกมาก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันให้มีสติทำงานที่เราทําอย่างนี้ค่ะหลวง่อ น้ำกาลจะเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจมันจะเอ็นซ้ายเอ็นขวาจะคันนั่นคันนั้นน้าลายจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปหนูก็ปล่อยมันจนหนูอยู่จนที่สุดเลยค่ะหลวงพ่อคือหนูไม่ได้หลับไม่ได้งอกเนี่ยคือมันนไม่เป็นไรแม่อย่าให้เราเสียงานของเราถ้าเราพุทธพุทธไปแน่แน่ถ้าดูลองก็ดูลองไปแน่แน่อะไรจะเกิดขึ้นไม่อย่าไปสนใจค่ะหลวงพ่อก็วันนี้หนูมีประมาณเท่านี้ค่ะหลวงพ่อคือก็ปฏิบัติ เป็นแบบทุกวันแล้วก็พยายามจะเพิ่มให้มันเยอะๆขึ้นนะคะหลวงพ่อได้ยินงทำมากกว่านี้ยิ่ตามมามากค่ะหนูหนูลองบังคับจิตนะช่วงที่เรายังไม่ได้นั่งนะคะเหมือนช่วงเรารอเงี้ยค่ะเป็นสองชั่วโมงเงี้ยพุทโธพุทโธพุทโธไม่ไม่ให้ไปคิดอย่างอื่นนะคะช่วงสมมติช่วงที่เรานั่งรถระหว่างทางเงี้ยหลวงพ่อพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ คือถ้ามันมีแวบออกไปข้างนอกเนี่ยหนูจะดึงดึงกลับเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วหนูเห็นความแตกต่างว่าถ้าเราเราทําแบบเนี้ยมันเหมือนบังคับเนี่ยเวลาเรามานั่งเนี่ยมันหนูรู้สึกว่ามันมันง่ายมันไวมันไวมันสงบใช่ใช่ค่ะแล้วค่ะแล้วเวลาเรามีความคิดที่มันเขาเรียกอะไรออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยถ้ามันจะจะดึงแล้วกลับกลับแบบทันทีอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ แต่ทีเนี้ยมันยังไม่ได้แบบทั้งวันนะคะหลวงพ่อเหมือนที่ไปถือที่เขาอย่างเงี้ยค่ะมัน<ช>ยังไม่ ไ, มได้บา ง, งทีงมีเรื่องเวลาให้เราต้องคิดก็เลยค่ะหลวงพอ่งพอก็ต้องยงอมรับความสภาพไปเวลาทํางานก็ต้องคิดแล้วก็ตอนนั้นก็ทํำสติแบบให้ดิ่งไม่ได้ก็ต้องมีสติอยู่ความคิดไปค่ะหลวงพอ่ออจะทําไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อ ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อคะแล้วแล้วหลวงพ่อจะมาเทศน้ากุติอันอันนี้คือเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดใช่ป่ะคะแล้วยุดราชการแล้วก็วันหยุดชุดเชยวันพระเวลาเดิมใช่ไหมคะสบายสองลมงค่ะหลวงพ่อวันนี้หนวมีคําถามเท่านี้ค่ะต้องมากอดเวลาหน่อยนะต้องมากอดเวลาหน่อยเพราะเริ่มสองโมงเป๊ะเลยนะสองโนานทุกคนค่ะหลวงพ่อเรามาหาที่นั่เอาเสือเอาที่นั่งมาเองนเพราะตอนนี้ยังเป็นโลก เอาเสียว่าปูนั่งเงถ้าอยากจะนั่ก็เ อ, อ, อาป้ายีพัมาการนั่น้องเองแล้วแต่คือกาแก่ถ้าอาจจะต้องมีร่องแมบเผื่อฝนตกจะไดการหลบได้แม้องแต่เลาคนตบ ก, ก็นำหลบเข้าไปที่เข้าไปที่ ล, ล่องนที่ล่อก็มี้างแต่ไม่มากแกไม่พอค่ะวันนี้หนูรบควนหลงพ่อเท่านี้ค่ะ โอเคสาธุขอบคอพระคุณค่ะสาธุ ค, ค่ะต okay. ู้ไม่ได้เปิดวีเดียอต้อง้ามคุณตู้ไปก่อนหนะ้าถเปิดนะเปเปิดไม่แล้วแต่ยังไม่เปิดภาพคุณปุ้ยจะเปิดภาพก็บบเหลือเอาไม่เป็นไรเต่าเสียงก็ได้ว่ามามีมอะไรัหมคาราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะเอ่อก่อนหน้านี้คะ่ะลูกได้ นั่งเลยนะคะแล้วพระอาจารย์สอนว่าถ้าเกิดนั่งแล้วเจ็บเนี่ยก็อ่าก็ปล่อยให้มันเจ็บไปเสร็จแล้วก็มันก็จะดีขึ้นเลยนะคะซึ่งมันก็ได้ผลมันดีขึ้นแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพอนั่งปุ๊บแล้วตัวมันหมุนหมุนติ้วเลยอะคะ่ะซึ่งอันเนี้ยพระอาจารย์เคยบอกว่ามันขาดสตินะคะใช่กลมาก็มาหาพุทโธก็มาหาลมไม่ต้องไปสนใจค่ะซึ่ง หลังจากนั้นนะคะก็พยายามอยู่ให้รู้ตัวอยู่กับสตินะพุโทโธพุโทโธไปซึ่งนั่งไปนั่งมาแล้วตัวมันก็เอนเอเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันหลับหรือเปล่าอะคะ่ะไม่รู้ว่าทำผิดหรือ<ส>เปล่า ส, สติมันอาจจะอ่อนลองมัก็เลยทำให้ร่างกายมันเอนได้ <Okay. S 1> ถ้าไม่จาเป็นก็อยากไปขยับป่ายมันเองไปแล้วก็พุโทโธของเราต่อไปนั่งดูลงองเราต่อไป เพราะบางทบางทีมันไม่ได้เองเนี่ยแล้วมันมันหลอกให้เราค่ดว่เองกะได้ไม่ไปสนใจเราเวลาเราภาวนาาไม่ต้องไปสนใจเราเรื่องนานใจนะค่ะแล้วก็อันนี้อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเรื่องทางโลกนะคะก็อดีตเนี่ยเป็นคนใจร้อนนะนอนฝันเสมอนะคะแต่ต่อมาพอเริ่มปฏิบัติธรรมก็ ก็มีสติมากขึ้นเวลามีอะไรแบบใช้ก็อ่าไม่จําเป็นก็ไม่ไ ม, ไม่เถียงไม่อะไรก็ปล่อยเขาพูดไปกับที่อาจารย์สอนแต่ว่ามันก็จะมีคนใกล้ชิดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือคนใกล้ชิดบางคน อ, งอะไรเงี้ยเขาชอ บ, บ่ใช้อารมณ์กับเราซึ่งเราก็ไม่เถียงพอเราไม่เถียงเขาก็ยิ่งยิ่งยิ่งเอาใหญ่เลยอะค่ะอันเนี้ยซึ่งมันเรารู้เลยว่าเราโกรธอะ่ะ เนี้ยควรจะทํายังไงต่อไปดีอะคะก็คือนิ่งเฉยได้นี้ถ้านิ่งไม่ได้ปกปิดตัวไปได้ก็ปิดตัวไปอย่าเป็นประชนนานาการประชนนานามันยิ่งกลับทําให้รุนแรงกว่าตดิมหลบหลบมือข้างเดียวไม่ได้งเนาะแถ้าถบสองข้างมันเดี๋ยวก็ดังแล้วก็เจ็บด้วยซึ่งเขาก็ยิ่งเอาเปรียบเราอะนะค่ะก็เวลาเราก็ป้องกันตัวเราด้วยการปิดตัวเราหลบไปไม่ต้องไปประชนนานา ฝ่ายเขาทำไปค่ะแล้จะไปต่อสู้แล้วเรเจ็บดูอะไรกันน้องสองฝ่ายนะแล้วแต่โอเคใช่ไหมทางศาสนาสอนให้เราถอยนะถ้าเป็นพระชนะเป็นานายนมะ่อยากเป็นพระอยากเป็นานายอยากแพ้อยากพระก็ต้องแพ้ต้องรอู้จักยอมหยุดเย็นยอมแพ้ ยางในลักษณะทางทางน้าจิตใจก็ไม่อยากจะมียุ่งไม่อยากจะมีเมื่องมีรามยองแบบนี้ถือเป็นการชนะชนะกิเลสของเราที่อยากจะไปสู้งค่นะแล้วก็ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ขอขอถามอย่างถ้าจานเคยเคยสอนว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาป ซื่งถ้าคนที่คาตัวตายเนี่ยจะต้องวนเวียนอยู่ในในบาปนั้นการกระทํานั้นจนกว่าจะสิ้นอายุไขของเขาอะนะคะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนที่เขาเจ็บป่วยตายอย่างเงี้ยเขาเขาถือว่าเขาสิ้นอายุไขัยหรือยังนะคะคือการว่าสิาไไ้นอายุขัยหมาถึงการตายของร่างกายเมื่อถึง่าร่างกายตายเมื่อไหร่ก็ถึงว่าหมดอายุไขยัยใช่ไหม ยิ่งแม้ว่าจะตายแบบไหนก็มันก็ถือว่าหมดอายุถ่ายเหมือนกันถ้าตัวตายตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยถูกคนหรื่ข้อฆ่าอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการหมดอายุถ่ายเหมือนกันซึ่ง <Okay. S 1> เป็นเรื่องธรรมดาทุกชาติหมอให้พิจารณาเป็นเรื่องธรรมดา่ดางการนี้มันจะต้องมีวันหมดมันจะต้องมีวันจบมันไม่ใช่ตัวเราให้ที่นี้ด้วยเราเป็นเรื่อ แต่คนมาใสา่ใช้มันชั่วคราวนะั่นเองถ้าวันหนึ่งมันก็จะต้องคืนนั่งมันกลับกลืนสู่ธรรมชาติกืนนน้ำมันไปตายไม่ทไม่เสียดายไม่อำมายืดไปติดทำมาเสียดายเรายืดไปติดแล้วจะทุกข์มาก <Okay. S 1> นะะนเะข้าใจั้มเราปฏิบัตินี้เท่าละเท่รดับท่าทุก ทางนั่งกายก็ต้องปล่อยว่าต้องยอมรับว่ามันทั้งวันนึงมันจะทั้งหมดอายุไขไปเหมือนเทียนไขใช่ไหมเทียนไงเมือเราจุดมันแป๊บหนึ่งเราก็รู้ถ้าเราถ้าปล่อยให้มันจุดติดไปเรื่อยๆมันก็หมดอย่างเช่ไหมมันจะเทียนทั้งน้ามใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมันก็จบไม่ไปทางกายก็เป็เหมือนเทียนไขอันหนึ่งค่ะคือหนูว่ากลางบนคือปดีเมื่อคุณพ่อเพิ่งเสียไปมา่สองเดือนก่อนแล้ว ว่าเลือกวิธีการที่ให่คุณพ่อคือรักษาแบบประคับประคองกันนะคะก็ให้ท่านจากไปอย่างสงบแล้วเวลาที่ท่านไปเนี่ยก็คือไปอย่างสงบจริงๆก็เลยไม่เลไม่รู้ว่าเอ๊คือก็มีความกังวลก่อว่าแบบท่านจะไปดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอ๋อมันเป็นเรื่องบุญบาปของท่านที่ทำเลยเป็นที่เป็นตัวตัดสินว่าจะไปดีหรือไปไม่ดีอือ เราเราไม่ได้เป็นคนทำให้ท่านไปดีกัืไปไม่ดีไม่ต้องทําค่ะแล้วตัวหนูเองนะคะอันนี้อีกก้อนหนึ่งแล้วนะคะพอดีหนูเคยฟังธรรมจากพระอาจารย์ท่านท่านอื่นนะคะท่านท่านอาจจะแบบมีน้ำเสียงดุดันเสียงดังดุพูดรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูว่าไม่ไม่ตรงจริต อย่เนี้ยหนูหนูจะถือว่าหนูปลาหมา่าท่านนหมคะที่ที่ที่ชาบอไ<ม>รอย่าง้วมันเป็นเรื่องความความพ อ, อใจนะความชอบนะบางทีเราชอบแบบนิ่ม น, นุ่มนวลบางคนก็อยากชอบแบบซาดิสหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่แ ต, แต่ละคนพา <laughs> ที่็บอกว่าถ้าไม่ดุ ด, ดนันมันฟังไม่มันไม่ถึงใจนะฟังอาจารย์ให้ดุดันกระแทกแบบดันอะไงี้ยฟังหนาเกลิดมัน กิเลสมันสนุมกวถ้าฟังอาจารย์ที่พูดเดี่ยวๆง่ายๆบางทีกิเลสมันมันมันไม่มันไม่สะเทือนสําหรับคนบางคนไม่บาปนะคะหนูไม่บาปจริงๆไม่ไม่บาปมันเป็นเรื่องของจริตนิสัยซึ่งอาจจะบางคนก็ชอบอาจารย์แบบนี้บางคนก็ชอบอาจารย์แบบนี้ไม่เสียนะนะอาจารย์ก็เป็นเหมือนกับพ่อค้าที่ขายอาหารเนี่ยธรรมะที่ท่านขายก็เหมือนอาหารที่ท่านขาย บางร่างก็แซ่นบางล่างก็แบบจืดๆชืดๆอาหารฝรั่ะไรอยเี้ยแล้วแต่คนกินจะชอบกินแบบไห น, นก็ไปหาจา์แบบนั้นเละไม่เป็นประหาอะไรค่ะแล้วก็อันนี้ในครอบครัวนะคะลูกลูกชายอยาชอบทานกุ้งนะคะเวลาเราเลือกก็จะพยายามอาะถ้าไปทานกุ้งเผาก็จะพยายามบอกที่ร้านว่าขอกุ้งตาย แต่แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเขาอยากไปทานกุ้งที่เป็นทําเป็นซาซิมิอยากคะ่ะซึ่ง mm hmm. ทางร้านบอกว่าต้องเอาเฉพาะกุ้งเป็นเท่านั้นเขาจะทําเฉพาะกุ้งเป็นแล้วก็สั่งมาองนะะี้ค่ะซึ่งเราไม่ได้ห้ามเขาเนี่ยเราบาปไหมคะแล้วก็เราจะมีวิธีบายสอนอะไรให้ลูกว่าอย่าทานอย่างนี้เลยอย่าทานชีวิตคนอื่น เ, ออเขาะะได้เราก็สอนก็ได้แต่เราเพรออ เราไม่ได้สนิทเขาเพราะอยากจะกินของเขาเองแล้วก็เราก็ไม่ขัดขวางมันก็มอนก็ไม่ด้เป็นบาปของเรามันบากของลูกว่านะสอนเขาดว่าลูกท่านลูกเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกุ้งลูกอยากจะให้เข้ามาจำหนูไปยมไปแกงไหมให้เขาล อ, องกลับมากลับว่ า, ม, วามากุงๆๆ้งเของ็เหมือนเร า, เรานะเขาก็มีชีวิตจิตใจร่างตัวโบราณเหมือนกัน เราไม่ให้เกียรติเขาเราไม่คิดถึงจิตใจเขาบ้างเห็นว่าเขาทุกขขนาดไหนมี่ต้องเสียชีวิตให้เป็นอาหารของกลับเราสอนได้ของที่สอนได้บอเข้าใจแล้วค่ะต่อไปข้าจะไม่ก้ากินเนื้อสัตว์ลยก็ได้หรืจะเกินก็กินเนื้อตายเนื้อเป็นก็ไม่กินอต้องให้เขาหมอมุมกลับบ้างเท้ากัาเราก็เหมือนกับ น, นักตัววัวตายเหมือนกัน นราล้งร่างกายของเราอย่างไรกุ้งมันลัก้า่างกายมันนกันแปะมันไม่มีตานเลยถ้าท่านคนก็มาขอแขนหมูท่านเอาเอาแขนหมูไปย่างไมหมูจะให้เขาเอาไปย่างหเพราะว่าเห็นแขนหมูว่าอร่อยไม่เคยไกินแบบสดๆนะลองถานกันดูใครก็นึกภาพบอกว่าบางทีเขาไม่คิดว่าเหมือน กู้หัดแลิดว่าเป็นเหมือนเสี่งที่ไม่มีชีวิตวอะไรนี่นะเด็กบางคนไม่รู้นะเราคิดว่ามันไม่มีชีวิตเหมือนต้นไม้บใบหญ้าต้นผักนี่เข้าใจนะอาจารเข้าใจค่ะแล้วอย่างในชีวิตประจําวันอย่างบางทีเราไปเจอแบบคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือขอขอทานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบบางครั้งเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็ให้ก็ช่วยเหลือนะคะแต่บางครั้งเจอไหลาไหลารายเข้าแล้วเราก็บอกเออวันเนี้ยเราให้ไม่ไหวแล้ะอย่างเงี้ยได้มันก็ให้สบายใจเราก็เราใช้เบรคค่ะว่าเราไปช่วยคนทั้งโลกไม่ได้ช่วยได้ที่เราช่วยได้และมากกว่านั้นก็ถือว่าสูตวิสัยเกินกาลังของเราเหมือนรถเนี่ยเรารับพูดโดยสั้นคือมันได้กี่คนะใช่ไหมเอามันเต็มมันแน่นเอลแล้วจะไปรับอีกมันก็รับไม่ได้ แต่นไหมเ ห, เ, หนนเห็นเห็นคนยังเดินอยู่อยากจะช่วยเขาให้พขได้นั่งรถไปกับเราแต่มันต้องมันมั น, ม, นมันนั่งได้เ ท, ท, ท่าน <ผม S 2> ี้แหละจะทำยังไงค่ะค่ะพระอาจารย์ต้อเบต้องใช้อุเบกค่ะเอาข้อถดท่ายนะั่นมั น, นมนนเหนูหนูสงสัยอะที่แบบอย่างอย่างอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกอย่างองคุลิมานนะคะเขาเขาทํำบาปมากๆแต่พอสุดท้ายเขาฟังธรรม แล้วพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็หลุดพ้นนิพพานอะไรเงี้ยคะ่ะแต่สงสัยจังเลยว่าทำไมพระบางรูปอะคะ่ะที่พอก่อนท่านจะไปนิพพานเน่ยท่านจะต้องชดใช้วิบากกรรมของท่านก่อนในขณะที่องคุลิมานเราตัดกรรมมันมาตามตามทนมันไม่ตามทันกรรมบางอย่างมันยังมาไม่ทันก็ไม่ทันแต่ถ้ามาทันก็ก็ต้องรับไป แต่และอันนี้มันมีมันมีผลต่างกันเวลาต่างกันกรบางอย่างก็มาเร็วบางกําบางอย่างก็มาช้าแต่ถ้าไม่หวั่นไหวไม่ว่ามว่าถ้ามันมาทันมันก็เพียงแต่ทําหน้าที่ร่างกายแต่ไม่สามารถมาสั้ทําำร้ายจิตใจของท่านได้จิตใจถ้าไม่หวั่นไหวแล้วมันก็ไม่ได้ถูกทำง่ายมันก็ถือว่าเป็นการตายแบบธรรมชาติไป อใจนะค่ะหมดคําถามแล้วค่ะอาจารย์นรเมศการค่ะมาที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะอยู่แถวหลักสี่ค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะเพิ่งเข้าครั้งแรกค่ะแต่เคยไปเคยไปนั่งไปฟังอยู่บนเขาก่อนโควิดนะคะแล้วก็ไปไปใส่บาตรอาจารย์ที่บ้านอาเภอด้วยค่ะอาจารย์นรเมศการค่ะอคนสเลนทอนอาทิตย์แล้วไม่ได้เจอกันใช่ไหม เอาที่ ห, หนึง น, นวัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะอาทิตย์ที่แล้วยองฟังอยู่ข้างนอกแล้วฟังเพลินค่ะพระอาจารย์ฟังเพลินทำไมมีคำ<พ>ถามไม่ต้องเข้ามาพอจะเข้ามาแล้วก็ไม่ทันแล้วค่ะโยองเลยไม่ได้กลับพระอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ<อ>แต่วันนี้ยมมีคําถามค่ะ อ, อ, อว่าคราวที่แล้วโ ย, ยมเคยถามพระอาจารย์ว่าเวลาที่ยมนั่งสมาธิเข้าไปแล้วเนี่ย บางบางครั้งเนี่ยมันคือเราไม่สามารถที่จะออกมาได้อะค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นเราลืมตาเรามองเห็นแต่ว่าตัวเราไม่ขยับอะคะ่ะ แ, แล้วสองบอยู่ก็รอให้มันสงให้รอเดี๋ยวมันก็น อ, อกมาเองแล้วพระอาจารย์บอกโยมว่าตอนนั้นจิตโยมขี้เกียจไม่ยอมออกมาอะไรเป็นทําให้จิตขี้เกียจอะคะความสุข่ยความสุขไ ม, มข่ได้สมาธิมันสบายเว<อ>ลานอนหลับบางทีตื่นแล้วยังไม่อยากจะลุกไป ค่ะเพราะเมื่อวานนยมก็เป็นค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรไม่มีพี่มีทาไมารอทักทักเลยแล้วเวลาที่มันเป็นมันจะรู้สึกเหมือนมันมีพลังงานไหลอยู่ทั่วตัวไปหมดเลยไม่เป็นไรครชบดูเฉยเฉยไม่มีไม่เป็นอะไรสัพทก็ก็ปล่อยไปแล้วเราก็กำหนดไปแล้วเราพอเราจะเมื่อไหร่เราถึงจะแล้วขยับขยับมือขยับเท้าได้ คือคือโยมเนี่ยคือลูกโยลูกโยมมาตามโยมอะค่ะแล้วยมก็รู้กับเหมือนปลั๊กไฟที่เสียบอยู่แล้วมันถูกกระชากออกอย่างนี้ น, นะคะพรอาจารย<ม>์บอกเข้าว่าบอกเขารอเดี๋ยวตอนที่แม่ยังไมพร้อมพี่จะจะนุ่ขึ้นค่ะค่ะโยมโยมก็บอกอย่างนั้นแต่คือโยมต้องนั่งต่อไปก่อนใช่ไหมคะจนกว่าจะหลุดออกมาเองใช่ไหมคะถ้าเราถ้าเราเป็นออกมาได้ก็หนถ้าจําเป็นจะต้องไปออกมาถ้าเกิดไฟไมั่งขึ้นมาจะทำยังไง หนีอ่ะห่าพระอาจารย์แล้วคนนี้เนี่ยเอคือเนื่องมาจากว่าพี่ชายของโยมก็ปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติแบบที่โยมปฏิบัติเขาไปปฏิบัติแนวพลังงานนะคะพารย์ขเขาบอกโย<ง>มเขาบอกโยมค่ะพระอาจารย์โยมก็คือเมื่อเช้าโยมก็แอบบไม่พอใจพี่ชายตัวเองอะค่ะแต่โยมก็พยายามกําหนดพอพอรู้สึกว่าปบโยมก็แบบว่า เราพยายามหยุดก่อนแล้วเราก็พุดโธพุดโธแล้วยมก็บอกว่าโยมขอไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่ามันมันของเรามันไม่เหมือนกันคนละทา น, นบอกสมาชุมชนต่างประสานชนกันใช่ค่ะพระอาจารย์ผู้ยมรู้สึกว่าพระอาจารย์สร้างกองทัพธรรมขึ้นมาเนี่ยแล้วเมื่อมีคนมาพูดให้ขัดแย้งกับความเชื่อซึ่งคือพี่ชายยมพูด มันมันมันต่างจากที่โยมเข้าใจจากการเรียนรู้โยมก็เลยใจโยมก็เลยไม่เป็นสุขรู้สึกว่ามไม่ไม่ชอบนการเรเบิกขาแสดงว่าเราปฏิออบันยังน้อยอเบิกขายยังน้อยอถ้าโยมเบิกขายเราก็จะเฉยนั่นจะเข้าใจว่ามันเป็นทัศนะคติของเขาเขาเ<ย>ชื่อแบบนั้นเรามาเชื่อแบบนี้ต่างคนต่างครับตามความเชื่อของตนไปกันต่ัง มนันจะทำนมน้ำมามังคับให้เชื่อมกันค่ะโยมก็บอกเขาบอกว่าพลังงานต่างๆหรือว่าสติสมาธิที่โยมฝึกมาเนี่ยโยมจะเก็บเอาไว้ตัดกิเลสจะไม่เอาไว้จะไม่เอาไว้ก็ไม่เอาไปทําประโยชนย์ใช่ไหมใช่ค่ะพ่อจ๋าโยมก็เลยไม่พูดตอบแล้วก็นิ่งแต่รู้รู้ตัวว่าใจไม่ไม่ชอบรู้ตัวว่าไม่ไม่ไม่ดีไม่พูดแล้วเราก็เลยบอกพี่ชายว่า เราหยุดคุยเรื่องนี้กันเถอะมันคนละมันคนละทางคละวคนลค่ะพระอาจารย์ก็จะถือว่าเรามีสติพอที่ยังไม่ทะเลาะกันถือว่ายังโอเคไม่ค่ะไม่ทะเลาะเลยค่ะปิงแต่มันมันรู้ขึ้นว่าไม่พอใจโยงก็เลยยุดไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยนะคะแต่ก็อ่าแล้วโยมก็จะได้กลับเมืองไทยแล้วค่ะพระอาจารย์จะได้แล้วค่ะจ้าเจ้นกลับมาทํางานที่ที่เมืองไทยได้ ยอมแล้วค่ะยงก็แผ่มเมตตากับเขาเต็นที่เลย <laughs> โอเคเมตตาอ <laughs> า<ช>จารย์บอกว่าพูดดีด้วยยงก็พูดดีด้วยทำทุกอย่างก็แผ่เ <โข S 1> <า>มตตาไป็นดีก่อนแดีวก็สงสารเราเองถ้าเราดีค<ช> <Yug. S 2> รับเดี๋ยวก็ดีกัะเราเองค่ะเขาก็มีข้อแม้ค่ะแต่ยงก็คิดว่าข้อแม้ยงก็รับได้<ช>ถ้าจะได้ได<ช>ยงกลับมาได้ก็ก็ก็ยงก็ยินดีค่ะค่ายกลับมานานไหมค่ายกลับมาอยู่น้าน สเดือนค่ะพระอาจารย์อาโยมก็พาลูกมาด้วยเรื่องไรพาลูกไปด้วยค่ะแต่โยมต้องกลับไปทํางานแต่ก็คิดว่าโยมจะได้ไปกราบพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่พอรู้ว่าพระอาจารย์จะมีธรรมะน่ากุติโยมก็คิดว่าน่าจะสักสักวันอัสสาวทิตย์หนึ่งโยมต้องเข้ามาได้บ่ายสองโมงนะพระอาจารย์นะคนับสักสิบห้านาทีเลยอาที่นั่ง ค่ะพระอาจารย์แล้วยมก็จะได้ไปใส่บาตรพระอาจารย์ด้วยค่ะโอเคถูกวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์กลับขอบคุณแม่อ่าคุณจี๊บต่ออยู่ติดกันจี๊บกลาบมาัลการก์ค่พระอาจารย์อาจารย์ได้ยินโยมไหมคะได้ยินชัดเจนอ๋อโอเคค่ะพอดีโยมใส่หูฟังอันใหม่โยมไม่แน่ใจเมื่อกี้คุยกับคุณแม่คุณแม่ก็ไม่ได้ยินก็เลยไม่แน่ใจพระอาจารย์ได้ยินไหมได้ยินพระอาจารสบายดีนะคะค่ะสบายดี คายมก็เนี่ยค่ะก็ดีใจ ท, ที่จะได้กลับกับลงยมจะกลับเมืองไทยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะได้พอเห็นน้องเหมียวบอกว่าพระอาจารย์จะมีธรรมะนากุฏิแล้วยมก็โอ้ยพระอาจารย์เดี๋ยวว่าจะพาลูกไปนั่งฟังด้วยพระอาจารย์รับถ้าลูกขามภาษาอังกฤษตอบตอบเลยนะคะพระอาจารย์ฝากฝักตบกระหม่อมด้วยไม่เป็นไรได <c oughs> นะภาษาอังกฤษก็ได้มีต่างชาติมืงไทยเ้ามาฟังมัดจำด้วยเป็นภาษาอังกฤษค่ะ <c oughs> ค่ะเพราะลูกาชายโยมก็อายุแก่กว่าน้องนโมปีหนึ่งนะคะโยมเห็นน้องนโมโ ย, ยมแบบอทําไมลูกเราไม่เป็นอย่างนี้บ้าง้อ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยหายยากเลยน ะ, ะเด็กอย่างนโมยากนะใช่ค่ะทั้งที่โยมก็แบบพยายามปลูกฝังแต่ก็ยังดีค่ะเขาก็ยังแบบสวดมนบ้างอะไรบ้างมันเป็นบุญ <c oughs> เก่าของเขาของของแต่ของแต่ละคนที่เขามีมากนั้นเราก็ไปทําอะไรไม่ได้ได้ค่ะ คือยมก็ไม่แน่ใจว่าทีาเขาลองมาให้เขาไปแล้วกันให้เขาบุญเก่อน้อยเรพยายามหาบุญใหม่ให้เขาอย่าค่ะแล้วถ้าเราพาเขาไปทําบุญอนี้แล้วเราบอกให้เขาพูดว่าอนุโมทนายเขาได้ไหมคะหรือว่าใจเขาต้องไปด้วยค่ะพอาจารย์ก็ไม่ต้องบอกหรให้เขาไปเขาก็ถ้าเข้าไปก็ถือว่าเขาอนุโมทนาแล้วมันต้องพูดอ๋อแต่บางทีถ้าเขาไม่ไปแล้วยมไปทําเองแล้วยมเอาให้เขาได้ไหยคะแบบเออแม่ไปทําบุญมานะอะไร คือ เ, เขายัาจะไม่เข้าใจความหมายว่ามโนทนาเป็นยังไงเราต้องพูดเลยสรางเกรว่าให้เขามีแฮปปี้กับการทำของเราอ๋อแฮปปี้กับโกูดเมอีกอะไรใช่ไมหมคะป้าครับหน้นดาดนทางบวกแล้วมีใจของแม่ด้วยเขาก็เลยค่ะค่ะ<า>ยมก็จะพยายามเดี๋ยวให้เขาแบบได้ได้รับได้ไดไดรับได้ความความรู้สึกชื่นมืด น, นะคะ ความรู้สึกความแฮปปี้ของเรานี่ก็เป็นบุญนะที่เห็นเห็นคนหนึ่งได้ทําย่างนั้วก็มีความสุขไปกับาาการทำบุญคนหนึ่งนี่แหละว่าเงินหมดธรรมดาค่ะขอ บ, บคุณค่ะอาจารย์โยมก็ไม่มีอะไรยมก็ยังมีเรื่องมากระทบจากคนเดิมๆ เ, เรื่อยๆก็พยายามใช้หลักการจะกลับมาเมื่อไหร่ที่เงินกลับมาที่งเดือนที่งเดือนกรกฎาคมค่ะที่เดือนกรกฎาคมค่ะโยมก็เลยคิดว่าจะรอให้หายเรืแหลๆ เราค่อยไปหาว่าอาจารย์ดีไหมหรือว่าไปเลยถ้าไปเลยดิก็อาจจะแบบไปนั่งกลัวว่ไปนั่งสับสนก็ตานะเราไปเมื่อไหร่กันน ะ, จะนจัดสะดวกน้ำจัดสะดวกค่ะยมเห็นตารางแล้วค่ะเพราะว่าเห็นพระอาจารย์มเงินที่ยี่บเจ็ดยี่สแปดอะไรอย่างเงี้ยเรียงไปเลยยมก็ว่าจะจัดเวลาไปกับเจ้าค่ะพระอาจารย์เดือนหน้าแลเดือนต่อไปก็มีถ้าไม่มีโควิดมาเบรกแล้วกัน ก็คงจะต้องเทนี้ไปตอบไปเรื่อยๆเหมือนเมื่อก่อนนี้รู้ยังอ่าอย่าอย่าให้ถือว่าเป็นไข้เขาเรียกอะไรนะคะโรคท้องผีใช่ไห่คะเขาไม่แน่ใจว่าเขาประกาศหรือยังแต่ก็ก็จะ่งนี้ก็ขอให้ท่านจะต้องใส่หน้ากากเพนด้วยนะคะเวลาเทนไม่ต้องเพราะเรานั่งอยู่คนเดียวนั่งไกลจากคนไหนแต่เวลาที่รับของเวลาย้านอย่างเราของมาถเประค์ตะวันก็คต้องใส่ป้องกันไว้ก่อน มันกับตอนวินตาบาทนี้คือเอาเอาแบบว่าถ้าถ้าโยมแบถวายปัจจัยของแห้งหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ่ะอาจารย์อยาจะถวายอะไรคือหลังอยากเทศเสกมันจะเปิดโอกาสให้ญาติหนึ่งถวายข้าวฟองต์ค่ะถ้ า, า, า, า, า, าแต่ไม่ใช่อาหารสดไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะอ๋อถ้าตอนบานแล้วไม่ควรจะเป็นพวกอาหารเป็นของไม่ใช่ไม่สอยกดีค่ะ ค่ะค่ะอ่านรัไม่ได้รับของมันไม่ได้ถ้าจะถวายก็ต้องวางฝากรูกศิษย์ให้เขาเก็บไว้ให้ก็ค่ะค่ะเพราะจันยงก็ไม่อะไรยมก็พยายามฝึกสติให้เรื่อยๆค่ะก็พย า, ยามภาวนาพุโถพุโทโธไปบางทีนั่งนั่งก็แบบสิบ้านาทีวันนั้นนั่งได้ชั่วโมงหนึ่งก็ก็เอาให้มันเป็นที่อะค่ะบางทีเหมือนพระอาจารย์บอกให้ฝึกสติเพื่อให้นั่งสมาธิได้น า, นานๆยมก็พยายามอยู่ค่ะ ดีดี่ทําทไปเรื่อยๆมันจะแก่กขึ้นเก่งขึ้นไปตามกันค่ะเอ็มเมื่อกี้เห็นน้องโมบอกเครื่องเนีงนะคะว่าอาจารย์ว่าพี่จะเรียกน้องก็ไม่ได้ให้มันเหมือนลูกก็คือน้นนองบอกเนาะหลานห ล, ลานแล้วก็ได้หลานบอกว่าเออถ้ามีเสียงตกใจอย่างคือเวลายนนั่งสมาธิแล้วหรือไม่ได้นั่งก็แล้วแต่ค่ะเวลาทําอะไรแล้วก็มันมีเสียงปั้ง แล้วมันตกใจแต่ว่ามันก็เรียกจับมานั่งได้วเหมือนเดิมถือว่าเรายังมีสติอยู่นะคะแต่มันจะม่อเติบตลอดเวลาตกใจเสียงตลอดเวลาค่ะแบบเสียงดังปั้งโดยไม่รู้ตัวนีคะมันเป็นมันเป็นปกติของมนุษย์ธรรมชาติยานคุณจิตเราเวลามีอะไรมากระทบแบบมุนแรงกระทันหันปุ๊บปั๊บเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาทันท อ๋อโยมต้องควรจะฝึกให้รู้สึกแบบมีเสียงมากระทบแล้วไม่เป็นอะไรนะคะหรือมันก็มันถ้าไม่ได้ตรงนี้มันเป็นว่ามันมัมันไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เมันมาแบบจู่โจมมาทันหนังเราไม่ได้ไปตั้งหลักคอยร่ำมันตลอดเวลาเพราะเราต้ทําะไรทำอะไรอย่างนื่นก็ทำให้พอมันเกิดแล้วเราก็ทําเอาสติกำมาให้มันเป็นเป็นตอนก่อนที่มันเกิดถ้าเราเป็น ค่ะค่ยมก็แค่ไม่ส่งสลเอหรือว่าเราไม่มีสติเรตกใจแล้วมันเสียงดังแบบไม่รู้ตัวอย่างนี้อ๋อที่ชา ม, มันก็โอ เ, <ค><ะ> เ, เจิตธ ร, รับชาติัจารย์ค่ะแล้วค่พะพ้ะอาจารย์ก็ก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสาเราจะได้เจอแต่เราเรายมจะนัดไปกาบพระอาจารย์เรียนนี้ะว่าคนจะได้เจอพระชเวดทารเนี่ยอาจจะนัดกันมาเพราะว่าว่าจะนัด<ค><ะ>ว่าใใจ<ค>ะนัดไปพร้อมกันนะคะว่าพอเขาก็กลับช่วงช่วงคับเกี่ยวกันพอดี เดี๋ก็ว่าน่าจะอาจจะแบบหาที่พักใกล้ๆกันแบบอยู่บ้านเดียวกันหรืออะไรค่ะโอเคค่ะกรับ น, นรมาสการ์ก็ค่ะอาจาร์ข อ, ขอพัสนธาสั น, น, นขแข็งแรงเจ้าค่ะคุณปรงว่าอะไรต่อศิรชากรับนมัสการเจ้าค่ะวันนี้มีลูกสาวมาอ่อไม่กลับพราตามค่ะหวันเดียวกันเออหนูไม่มีอะไรว่าค่ะหนูแค่จะบอกว่า หนูขึ้นมาหาลาัยแล้วค่ ะ, ะได้แล้วในข่าแล้วนะเนี่ยใช่ค่ะเมื่อหกเดือนที่แล้วยัยงอยู่มัซีอยู่เลยแล้วก็ฟังพัดตามมาเรื่อยๆขอแบบว่ามาขอพรก็เพิ่งตัวเองละกันโอเคก็พึ่งตัวเองแล้วก็อ่านหนังสือมาเรื่อยๆจนตอนนี้ติดมาหาลาัยแล้วค่ะทำไมเรยนแล้วอยากเรียนวิวเศษค่ะสอบเทียบขึ้นมาค่ะแล้วก็อพ อ, อบเ บ, บแล้วก็ เข้มามหลาลัยเลยได้ความพยายา ม, ายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยอู่ทีนั่นพะเจ้าอย่านะไปหวังเพื่มนคนอนื่นเราเพิ่มตัวเองตาเฮียตอนโดนอาถุนคนอื่นทําให้เราไม่ได้ของนี้เราต้องทำเองก <c oughs> <อ>็เดี <c oughs> ๋ยวจะไปค่ะไปส่งน้องที่เชียงรายค่ ะ, คะหนูว่าเดี๋ยวจะหาเวลาช่วงช่วงหนึ่งอะค่ะไปไปนั่งสมาธิที่ที่จังหวัดเชียงรายด้วยค่ะมาอะไรแ<ๆ><ๆ>ม่ฟ้าหลวงอะ ใช่ใช่ค่ะอย่างนี้ต้าหรือไม่ที่อียิปตมค่ะใช่ค่ะคณะอะไรในคณะอะไรหนูเรียนศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะอ๋อดีต่อไปจะไปอเมริกาต่อไมล้วนะขอบคุณค่ะหนูอยากไปมากฝากตัวให้กับพวก ค, คุณหน้าที่คุณหน้าสันนิษฐานนะฝากทีชุกคนค่ะ <laughs> <laughs> มี เียบ้อยไหมลูกค่ะมีคำคือวันนี้ค่ะหนูมีหนูมีบททดสอบตัวหนึ่งค่ะคือหนูได้ทำ final investigate นักศึกษาฝึกงานแล้วก็ในในใจเนี่ยหนูคิดตลอดเวลาว่าถ้าน้องเขาพูดจริงแล้วคือเขาก็ทำความผิดอะค่ะแล้วถ้าน้องเขาพูดพูดจริงแต่ว่าเราไปตัดสินว่าเขาทำผิดเนี่ยหนูคิดกังวลว่าหนูจะบาปไหม ซึ่งหนูก็เลยใช้วิธีถามคําถามซ้ําๆซ้าๆซ้ำๆๆกันแต่ว่าคําตอบที่หนูได้อะจะแตกต่างกันตลอดเวลาแล้วสุดท้ายเขาก็ยอมรับผิดในขนาดเดียวกันก็คือต้องต้องชดใช้เงินด้วยก็เป็นจํานวนเงินหมื่นกว่าบาทซึ่งต้องต้องไปขอพ่อกับแม่เขาซึ่งพ่อกับแม่เขาก็ไม่มีไม่มีสตังค์สุดท้ายแล้วก็คือต้องชดใช้ในขณนะดเดียวกันก็คือทุกอย่างมันก็เรียบร้อยค่ะชดใช้แล้วก็กลับไปเรียบร้อยแต่ว่าต้องเย็น ก็มีเมสเศจจากพนักงานเขาก็ติดต่อกับมาว่าพี่น้องเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่สามารถหาหาข้อที่จริงได้เพราะว่าข้อเท็่จริงเนี่ยมันถูกพรูฟจากาตำรวจแล้วซึ่งตอนนี้หนูก็ค่อนข้นขางกังวลว่าสิ่งที่หนูทำมันเป็นสิ่งที่ทำบาปหรือเปล่าเจ้าค่ะเรไม่เราเก็ทาตามหน้าที่สอบสนเสิวนไม่ตามหน้าที่เาผิดตัวมันอยู่ที่ตัวเขาเองนอั่นแหละ เรามีหน้าที่นับผิดชามรักษาผลประโยชน์ของของบริษัทเราเราทำตามหน้าที่ของไปไม่มีเจตนาที่จะไปขัดแย้ ง, งเจตนาที่จะไปอไปทําร้ายครับพรานี่การกระทําของเขาเป็นโดยตัวทําร้ายเขาเองแต่อย่างน้อยหนูหนูก็บอกก็บอกน้องกับบอกทางอาจารย์เข้าไปว่าหนูยุติการฝึกงานแต่ว่า ถ้าถ้าจะต้องการฝึกงานต่อหรือทําอะไรต่อก็เป็นเรื่องของทางมหาลาัยเลยหนูหนูไม่มีปัญหาซึ่งหนูก็สามารถช่วยน้องเขาได้เต็มที่ตรงเนี้ยค่ะท่อย่กงวันนี้ขอบีเกตครับทำได้เท่าไหร่ครับไปซึ่ ง, ซ, งซึ่งพวกเนี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างกังวล ว, ว่าในโรที่เราทํางานแล้วมันต้องต้องนั่งคือต้องอยู่ในธรรมะด้วยซึ่งมันก็เลยคิดว่าบางครั้งมันตัดสินใจค่อนข้างยากมาก บเธต้องเลือกระหว่างทำแะกับทังลกค่ะสปีค่ะสปี <มา S 2> ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณพร ะ, าาะอาจารย์มากจ้ค่ะโอเคาทคุณีับท่าคุณออมรู้บามอ้อมใช่เจ้าการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์มมีคถามแล้วมีไหมเออวันนี้ขอเรียนปรึกษาพระอาจารย์ค่ะ <มา S 2> ตอนที่ อยู่บาดอยู่บทเขานะรู้สึกว่าเราสงบแล้วทำได้เราคิดว่ากลับไปอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้นะเพราะเรามีหลักแล้วแต่พอมาที่บ้านแล้วสิ่งแวดา้อมต่างๆไม่ไม่ไม่อำนวยแล้วเราก็มาเจอสิ่งเยอะๆอย่างเช่นการดูนางดูมือถือเจ้าขาแสดงว่าเรายังไม่เข้มแข็งพอต้องต้องยู่ก็เหมือนว่าน้าตากกระแสน้ำจากว่าทวนกระแสเวลาเราไปอยู่บนเขาก็เหมือนว่ายน้าที่นหลตากระแสมนกว่าย พราเรามันอยู่ที่บ้านมันเหมือนกับเราว่ายทวนกระแสนะพ <Okay. S 1> ยายามเพราะกระแสน้ำรอบมันเยอะใช่ไหมคนนั้นก็เดินน้นคนนั้นก็กินอะไรพอเราเห็นเราใจเรามันก็ฟอกแรงอะไร <Okay. S 1> แต่แล<ต>้แ<ต>ว่าเรายังยังไหวทวนน้าไม่ไหวนั่ต้องไปกลับไปไปไหว้ไห ว, ว้ตามน้ํา่อนสบายกว่าอือเดค่ะนั่นเราก็ต้องไปไปบไ่อย เตาบ่อยๆฉันไม่ <จะ S 1> อบการาเราจะคือเราจะสามารถปฏิบัติที่ที่ไหนก็ได้ะนะท่านใก็ไม่ไไต่อไปนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะโอเคท่านนี้แหละน<า>ี่ค่ะอันนีคน้คุณคอมคมเนียคุณคอมเนจากญี่ปุ่นแลเรามาสักการ์ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายนะคะสบายดีจะมีอะไรว่ามาเลย เมื่อวานยมเข้าห้องภาษาอังกฤษแต่ว่าอยู่ไม่ไหวค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันดึกค่ะที่นี่มันอสองชั่วโมองอันนี้ก็เด็กมาเนี่ยอนนี้ก็สองอยางมันพยายามจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะมากราบพระอาจารย์แล้วก็คือยมจะกลับเมืองไทยเดือนกรกฎาคมค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปใส่บาตพระอาจารย์วันที่สิบสี่กรกฎาคมซึ่งเป็นวันข้าววันสาค่ะอ๋อได้ ตั้งใจไว้แล้วค่ะพ่อจารยค่ะนายนายสายบาได้ทุกวันเลยค่ะตั้งใจมากค่ะแต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าถึงเวลาจะได้จะได้ไปหรือเปล่าค่ะแต่ว่าคือตั้งจิต้แล้วค่ะก็ไม่เป็นไรก็ตั้งตั้งไว้ถึงเวลามันก็เกิดขึ้นเองถ้าไม่เกิดกันแล้วไปเวลาอื่นก็มีไปวันนั้นไม่ได้เราเดินไปวันอื่นก็ได้ไม่ต้องไปยึดติดวันนั้นไปเรื่อยๆทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ล้อไป ค่ะยมกับขอพวกคุณในความเมตตาของพระจารย์นะคะก็คือยมอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้เข้ามาในในรับฟังในไลฟ์แล้วก็ในซูงของพระอาจารย์ค่ะก็คือคือมีความปิติมากค่ะพยายามจะเข้ามาพยายาได้ประโยชน์แล้วกันข้าหมายหลักของการแสดงธรรมนี่ก็คือญาตินำเข้ามาปฏิบัติค่ะการสัมผัสความจุนดับความมีวายใจทั้งหลา ความทุดข<อ>ง์งวามายใจนี่มั น, ม, น, ม, นมันทรมานนะถ้าไม่มีวิธีแก้ไขกานมีธรรมาพระอาจาสามารถแก้ไขปัญหาความพายใจได้อ ย, อย่างอย่างอย่างเต็มที่เลย็นร้อยค่ะพระชาจารแล้วคือโยมมีคำถามหนึ่งคำถามนะคะก็คือโยมตั้งตั้งตั้งจิตไว้ว่าโยมอยากให้ลูกชายมันเป็น กิเลสอย่างนึ่งค่ะก็คืออยากให้ลูกชายเดยวมีลูกชายสองคนแล้วก็อยากให้ลูกได้ได้เข้ามาบวชได้ทํทนนานุ่งทานุบำรุงพุทศาสนาเนี่ยมันเป็นกิเลสหรือเปล่าเหรเจ้าคะอไม่เราเป็ น, เ ป, นเป็นความคิดที่ดีในแนวมันจะเกิดเมื่ไม่เกิดเท่นั้นถ้ามันไม่เกิดแล้วเราเราอยากเสีถ้าเราเสียใจมันก็เป็นกิเลสเราต้อง เราต้องทำใจแข็กรานถ้าก็ทำได้ก็ดีถ้าก็ทำไม่ได้ก็เป็นทคนดีอย่างนี้ก็ไม่เป็นกิเลสค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ขายมจะน้อมนําคําสอนของพระอาจารย์มาปฏิบัตินะเจ้าค่ะแล้วก็อยากจะไปกราบท่านนะคะได้ก็นี่ก็กราบที่ตรงนี้เลสะดวกไปเห็นไหมขอบคุณทุกนครับพระอาจารกราบทุกครั้งค่ะ ไปเก็บมากราบที่ตัวทีกราบยางแม่ก็เลยกราบแล้วคนเยอะกลับสี่จิตแล้วค่ะพระอาจารย์ตั้งจิตตั้งจิตทุกครั้งที่ที่ฟังธรรมะของพระอาจารย์ค่ะเจ้าค่ะพระอย์โอเคใช่ทุกคราวอยู่กับครอบครัวแล้วอยู่คนเดียวนี้ก็คือจริงๆอ่ะก็คือที่ที่โยงฟังอในห้องตามชาติอ่ะที่ที่ที่โยงบอกว่าอยากให้ อยากให้สามีมามารับฟังอ่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้คือสามีก็ก็มานั่งสมาธิด้วยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอ่าก็คือเขายังไม่ถึงขั้นที่ที่คือโยกฟังในห้องต่างชาติเลเวลของเขายังไม่ถึงขั้นนะคะพรอาจารย์กไม่เป็นไรถ้าใช้เวลายังไม่อยากจะให้แบบว่าเขาจะต้องมาปฏิบัติแต่ว่า วันนี้คือเขาชวนดูเน็ตฟลิกแต่ว่ายมบอกว่าขอขอมากราบพระอาจารย์เพราะว่าเมื่อวานโยมอยู่ไม่ถึง<ไ>เขาก็บอกไม่เป็นไรเจ้าค่ะ <Okay. S 1> แต่ว่าเขาต้ก็มากราบพระอาจารย์ในห้องซูนค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าเขาก็ทราบว่าโยมยมจะไปกราบไปใส่บัตรพระอาจารย์เดือนกรกฎาคมค่ะ <c oughs> วันเข้าวสงานตกราบพระอาจารย์กที่กุงศรีมอ กลับในมหกร ร, กรพระอาจารย์เจ้าค่ะนนวันนี้คุณพ่อและลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะขอรองใเจ้าค่ะสบายดีนะขอบอคุณสบายดีเจ้าค่ะสบายมากมาก <laughs> มีความสุขดีมีความสุขดีคือเรียนรู้ทุกวันแล้วมีความสุขเจ้าค่ะ เก็บเกี่ยวทุกวันเรียนรู้ทุกวันมันมีความสุขกับทุกวันที่ได้ปฏิบัติเจ้าค่ะเจ้าค่ ะ, ะ <ffee. S 2> วันต่นางานะเรวงนะเจ้าค่ะขอบขอบขอคุณเจ้าค่ะนี้คุณภูมติตคุณพูมิอยู่ที่ไหนสวัสดีครับอาจารย์อยู่ที่ไหน อ, อยู่อยู่ที่ ที่กรุงเทพครับอยู่ที่ <Okay. S 1> มอกรเศเขียนครับ okay. มีอะไรไหมก็พอดีครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ได้เข้ามาร่วมสูงครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเริ่มฝึกฝึกปฏิบัตินะครับผมก็พยายามดูคลิปพระอาจารย์ลหลายๆท่านครับจนมาเจอคลิปของพระอาจารย์สุชาติครับก็รู้สึกว่าถูกติดในการปฏิบัติครับก็เลยเริ่มในการภาวนาพุโทโธครับผม ทีนี้ก็พอเราเริ่มพุโทโธในความเข้าใจผมนะครับก็คือเราภา ว, ภาวนาพุโทโธไปเรื่อยครับผมลองวันแรกคือทั้งวันเลยครับทุกกิจวัตรเลยรู้สึกว่าอาไม่สามารถคิดเรื่องที่เป็นอกุศลได้เลยครับอาจจะมีหลุดมาบ้างนิดนึงครับผมแต่ว่าอาพอทําไปก็รู้สึกว่ามันสงบขึ้นครับผมพอเวลามีคนชวนมาคุยนอกเรื่องคุยเรื่องคนอื่นเวลาเราจะ ส่งพยายามจะคิดเรื่องเขาแบบเราเราก็จะคิดไม่ได้ครับรู้สึกว่ามันเหนื่อยล้าเราอยากจะอยู่ตรงจุดเนี้ครับทีนี้มันก็เลยทุกคราวที่ผมอาจจะแบ่งเวลาไม่ค่อยดีมากครับก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะทางทากับทางโลกแบบการใช้ชีวิตขับรถอ่ะอย่างนี้พอได้อยู่แต่ว่าเวลาคืองานผมเป็นงานเป็นเปนโปรแกรมเมอร์นะครับต้องเขียนโค้ดต้องคุยลูกค้าบางทีเหมือนมันติดพูดโทรครับแบบว่าเราเราต้องพูดโทรพูทโทรมันทําให้คนรอบข้างมองผมว่าผมเป็นคนแบบ จากเดิมที่อาจจะไวอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นช้าขึ้นนิดหนึ่ ง, งประมาณนี้ครับก็เลยอยากจะขอคบแนะนำว่ า, เ, าเราต้องแบ่งสถานการณ์ไหมครับหรือยังไงดีเอถ้าเราทำงานช่วงที่เราใช้ความคิดกับการงานแล้วก็อยู่พุทธทร์ได้ก่อนครับโอเคครับทีนี่ทีนี่พอผมเขารู้สึกว่าเวลาเราผมในการเดินนะครับผมบผมคิดว่าอาการภาวนาพุทธท ตามที่อาจารย์เคยพูดไปในคลิปนึงบอกว่าพุโทโธโดยโดยไม่สอดลมนะครับมผมก็รู้สึกว่าอ่าใช่เราก็รัวพุโทโธไปเรื่อยก็ตอนเดินโอเคแต่พอผมมาดั้งสมาธิครับมันเหมือนว่ามันมีแค่พุโทโธลมหายใจผมรู้สึกว่าเหมือนจังหวะการหายใจเข้าพุโทโธอย่างเงี้ยครับเหมือนมันช้าพอมันช้าก็จะเกิดแบบช่องว่างทำให้ผมฟุ้งไปที่อื่ น, นครับอย่างนี้มัน<อ>ต้องพุโทโธอย่างเดียวไม่นูลมออคครับผโเครับก็ อ่ากำลังฝึกมันแนะครับถ้าเราใช้พุโทโธเราใช้พุโทโธได้ตลอดนะครับเวลามันนั่งเราพุทโธต่อไม่ต้องสนใจไม่ต้องลงครับผมแล้วก็มีอีกคําถามนะครับอ่า position ไปยังตําแหน่งรวมจิตนะครับผมอยากทราบว่ามันมีความต่างๆกันไหมครับระหว่างภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆกับภาวนาพุโทโธที่อย่างเช่นอ่าตรงหน้าอกเราอะไรประมาณเนี้ยครับอความจริงนั้นเราต้องอยู่ที่คําว่าพุโทโธนี่มครับอยา่าไปอยู่ที่ อยู่กับคําว่าพูดโทพูดโทอยู่ตงไหนแนอยู่ตรนั้นนะครับผมอาจารย์ครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดไไีไม่ต้องไปไม่ต้องไปตั้งอยู่ที่เออที่ไหนให้ตั้งอยู่ที่คาว่าพูดโทรครับครับแต่ว่าวิธีนี้ผมเป็นวิธีที่ถูกตริตมากครับแล้วก็ทําให้ผมไม่คิดฟุ้งซางหรือนอกเลือกแบบแต่วมันก็มีพูดโธอยู่กับใจได้พูดโทเนี่ยมี มีประสิทธิภามากช่วยอยู่ ท, ท้องยืดตึงแตงนนกนะครับผมขอบคุณมาก ค, ค, ครับอาจารย์พยายามฝึกต่อไปยายาย่อดหย่อนทำให้มากหึ่งครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับไปที่คุณมณิการ์ตมาิกาอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ระแงหรอตันอยู่บ้านนะมันเป็นตันใช่ ไ, ไมคุณมาริกาได้ยินไหมเปิดไมโครโฟนได้นะ กาบน้นนมัตการเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนหได้ยินไหมคะน้ได้ยินจ้อะอยู่ที่ไหนก็ขอความเมตตารทราบจง น, นะคะสอถามคำถามว่าเมื่อมีอารมณ์ให้ทิ้งอารมณ์ถ้าไม่ทิ้งอารมณ์นั้นจะเกิดทุกข์เกิดชาติแล้วก็มันจะมีผลต่อการปฏิบัติได้เจ้าค่ะเออเรื่องของอารมณ์เนี่ยเรา ยังยังตัดมันไม่ได้หรอกเราต้องสร้างสติสร้างสมาธิเึ็นมาก่อนมันจะสามารถทิ้งอารมณ์ได้เพราะเราไม่มีกํำลังตอนนี้ไม่ต้องกังวลตอันนี้ให้เรากังวลกับการด้านาสติมึกสติเพื่อให้จิตสงบจิตนิ่งให้ได้ก่อนถ้าเราทําจิตให้นิ่งได้เราก็จะรับอารมณ์ได้เวลามันเกิดขึ้นตอนนี้เรารัาไม่ได้ใช่ไหมเวลามันเกิดขึ้นมา คำว่าก่อภพก่อชาตินั้นหมายหมายถึงว่าทำให้เราไม่มีสมาธิใช่ไหมครับอาจารย์ไม่หรอกอารมณ์มันเป็นตัวที่ย่หนึ่งที่เราไปเกิดเกิดใหม่ดันั้นเราอย่าไปติดกับอารมณ์เราต้องเราต้องปล่อยอารมณ์อย่าไปยุ่งกับมัน<ะ>อย่าไปยินในยินร้ายกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้ายินดีมันก็อจาติดทำไมมันก็จะพาให้เราไปเกิดใหม่ ยีราฟเหมือนกันมีเปรตอีกแบบหนึ่งแต่อนนี้เราตอนที่เราเราไม่มีกําลังที่จะไปไปทิ้งมันได้เพราะเราไม่ไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่มีกําลังพอเราพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตเข้าเข้าสู่ความสงบให้ได้ครับเราถึงจะสามารถมาดูลามแล้วปล่อยวางมันได้เจ้าขาครัอาจารย์สาธิตครับ เห็นเขียวก็อยู่ใช่ไหมล่ะร่างแง่เลยค่ะอยู่รลางแง่ค่ะอาจารย์แล้วอะไรตามนี้ตันยงมาตันตันยงนี่มองค่ะอ๋อตันตันนี่มองตันยงมัอยู่ใกล้ากกันรเล่าเจ้าขาพระอาจารย์ข่้เข้ามาข้างในได้ไหมค่ะได่โอเคสาธุสาธุอ่ะไม่มีไรพอโยมอย่างก็ทำโอเญ กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เข้ามาช้าเลยค่ะแต่ว่าไปข้างนอกก็รีบๆๆแล้วรีบเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะช่วงนี้เวลาฝึกสมาธินะคะพระอาจารย์เวลาเรามีสมาธิอะค่ะพระอาจารย์มันเหมือนกับว่ามันมันมีอาการคันอะพระอาจารย์มันจะคันที่จมูกคันแบบคันคันมากเลยพระอาจารย์แล้วก็จะเป็นบ่อยๆอยะคะ่ะช่วงนี้เป็นเกือบเป็นมาเป็นวันที่แล้วค่ะพระอาจารย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วงเนี้ยค่ะ โยมมีความสึกว่าเวลาเรานั่งอ่ะบางทีเราเราเหงื่อเราก็ปกตินะคะพระาจะสักพักหนึ่งเรามีความสึกว่าเหงื่อเราแตกแบบเยอะเราจะรู้หมดเลยค่ะว่าเหงื่อออกตรงหัวตรงตรงตามผิวนัำตามอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วอย่างนี้คือเราจะต้องแบบแบบเฉยใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ไม่ต้อไม่สนใจให้เราก็ติออดอยู่แบบพูดโทนอยู่นองนองต่อไป ค่ะแล้วก็ฟุง้งแบบคือตอนนี้มิโก๋บอกว่าคือเวลานั่งมันไม่ค่อยสงบพระอาจารย์เหมือนกับว่าเราเราเราจะเห็นความคิดตัวเองเราจะรู้รู้ภายในตัวเราทุกอย่างเลยครับพระอาจารย์ว่าคิดอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็อย่าไปรู้ให้กลับมาที่มุดโุดโต้ไม่อยู่ลองไปไม่ต้องไปรู้่อมไม่ต้องไปสนใจอ่ะตัดตัดเลยแล้วอย่างเวลาเราตัดน่ยพระอาจารย์มันจะคันตรงจมูกเนี่ยมากคันมากก็อย่าก็อย่าไปสนใจปล่อยมันคันไป เพิ่งมาเป็นช่วงหลังพระอาจารย์ แ, แล้วแล้วที่เหงื่อมันแตกแบบเยอะมากเลยพระอาจารย์มันมันก็ต้องปล่อยไปแล้วสักพักหนึ่งโยมก็นั่งดูมันก็จะหายมันหายไปเองค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจอะไรเพราะเรานี้มันจะมาล่อเราให้เราเสียสติไม่ไม่ไม่เข้าสมาธิเข้าสมาธิไม่ได้ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญตรงนั้นใช่แต่เมื่อก่อนโยมนิ่งได้แต่พอตอนหลังพอเป็นมีพอพอเป็น บ, บ่อยๆโยมก็ลุกเดินจงกรมในพระอาจารย์อย่างนี้เราเราควรจะ จะดูแล้วทาให้นิ่งว่าออะไรจผเก็สติแล้วก็เราสติแล้วน้อยก็ได้ไปเดินจงกรมเพิ่มสติอีกหน่อยนะใช่ค่ะถ้าเดินรงกลมแล้วโอเคแบบรู้สึกว่าว่าเราเร า, เรานิ่งมากกว่าพระอาจารย<ช>์ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เข้าสมาธิยากมากเลยค่ะก็ชะละสติเราน้อยค่ะพระอาจารย์ต้องฝึกความคิดปูแต่เยอะว่าเราไปคิดโน้นนู้นีน้ตลอดกันนะมันคิดเองพระอาจารย์แต่ว่า แต่ว่าเราก็รู้ว่าเราคิดคิดแล้วเราก็ดึงกลับมาคิดแล้วก็ดึงกลับมาค่ะตอนที่เราจะนั่งเราก็ต้องพยายามคุมอะไ้ด้วยค่ะต้องเริ่มใหม่รู้สึกว่ารู้สึกว่าตกตกลงไปเยอะแต่แต่ระหว่างวันก็ภาวนานะคะพระอาจารย์รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอย่างเวลาโยมเดินโยมก็จะรู้ว่าเท้าซ้ายเท้าขวาคือจะระวังตลอดพระอาจารย์คือเวลามีโมดหรืออะไรเราจะเห็นตลอดว่าอมีนั่งเราก็ห้ามตลอดเราเราจะไม่เหยียบ แล้ว เ, เวลาเดินเราจะมีความรู้สึกว่าเราสะเทือนถึงศีรษะพระอาจารย์เราจะรู้ตัวตลอดขนาดระหว่างวันเราจะเดิญสปิตลอดแทบแทบจะตลอดเมื่อเมื่อรู้ตัวนะพระอาจารย์แต่พอเรอดตกเช้าปุ๊บช่วงเช้าเนี่ยรู้สึกช่วงนี้มันจะคันมันจะคันมากพระอาจารย์ตรงช่วงตรงเนี้ยค่ะก็ช่างวันไปก็นสนใจได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะพยายามต่อค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ค่ะค่ะกล่าวนามสกุลพรอาจารย์ค่ะกับขอบพระคุณค่ะ อ, อาจจะเป็นหมอราชาัฒน์เช่นหมอเป็นงวันนี้ทํางานเด็กนะเขาไม่เด็กครับอะวันนี้เสร็จเร็วครับอมากราบนักสัพพันธ์อาจารย์ครับนะฮะไม่มีอะไรนะไม่ไม่มีอะไรครับก็ปฏิบัติ่ไปปฏิบัติ่ช่วงที่เขาชี้โอนเมื่ออาทิตย์ก็ดีครับนะสงบดีครับเราสามารถปฏิบัติได้ทต็ที่ถ้าเรามีสติเราจเจริญสติแล้วถือว่าเราปฏิบัตินะครับ คือว่าจะได้มากได้น้อยท่านครับอืองั้นพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำงานหรือไม่ทำงานนะครับผมครับโอเคยังไปที่ท่านต่อไปคุณวริศกทมเหมือ น, นกั น, นกล่าวน้มัสมารนครับหลวงพ่อก็วันนี้ก็ก็ครบรอบวันเกิดปีหนึ่งแล้วครับก็นึกว่ามันเร็วมากนะครับปีที่แล้วก็มาขอพรวันเกิดหลวงพ่อ มีนี้มาขอขออีกครับขอให้ไม่เกิดนะขออย่ากเกิดครับพรเดิมเลยครับหลวงพ่อคร<ง>ับความที่ประเสริฐที่สุดคือการไม่เกิดครับคราต้<ม>องย่อมมีกับผู้ย่อมทุกข์ย่อไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านะั้นถ้าไม่อยากมีทุกข์ก็ต้องไม่เกิดครับร้ายเกิดไม่ชอบล้ายเกิดดีขนาดไหนก็ต้องทุกข์เพราะมันต้องเสื่อม จริครับก็เมื่อเช้าก็ไปทําบุญไปวัดปทุมวนาลามครับก็มีทวิตภัณ์ของหลวงปู่มั่นครับก็และเรื่ถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ครับมันก็มันก็ตื่นตันใจเหมือนกันนะครับหลวงพ่อเป็นก็ดีเลยครับผลวงก็ก็นึกถึงคําสอนของหลวงพ่อที่ผ่านมาทุกตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เห็นความก้าวหน้าการผลถอยในบางเรื่องแล้วแบบกระปรปุงไปเรื่อยตลอดทั้งปีที่ผ่านมาครับก็ มันก็ยังยังอยู่ในเส้นทางที่ศรัทธาและเห็นผลต่อจิตใจอยู่ครับพยายามรักษาวไว้อย่าให้มันเสื่อมศรัทธ า, าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับก็ผมเคยพูดกย่างนี้ครบอย่าอย่าไปอย่าไปถูกสิ่งที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้เราเสื่อมศรัทธานะ ครับก็ผมผมเคยพูดคํานึงกับหลวงพ่อว่าชีวิตช่วงไหนที่ขาดธรรมะเหมือนกับตายทั้งเป็นผมซึ right> ้งกับคํานี้จริงๆครับผมมันมันมันเห็นด้วยใจของตัวเองครับใจที่ตอนไหนไม่มีธรรมะกับใจที่มีธรรมะมันก็เลยแบบก็ยิ่งแต่ยิ่งก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกจะน้อมนําเข้าสู่ปฏิบัติต่อไปครับขอบพระคุณมากโอเคสาธุปีนี้ยี่สิบหกแล้วครับหลวงพ่ออโอ้ยกายนี่เราจะเจสิมาแล้ว รู้จักหลวงปู่ฝังเขาไวเราใกล้ฝังเอาไป้ทุกวันแลนี่ยไม่เที่ยวครับผมมาจะไปก่อนหลวงพ่อก็ได้ครับออย่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอยู่นานๆทำจะได้ทำประโยชน์ให้กับวาสนธรรต่อสาธุครับสาธุเคครับรู้จักหลวงพ่อก่อนสิบเอ็ดขวบตอนเด็กๆแล้วเคครับวันที่้กูป่วยจ่ะนี่ป่วยเนักเส้นเบื่อเมันอี้ป่วยก็ทําเราะกระปุ่ ฮะแล้วกล่าวน้มนาสการั้งค่ะคุณพระจานท์เป็นไงสบายดีครับทำทางานด้วยทำงานด้วยเมื่อวานนี้ออกก่อนเพราะว่าพอดีว่าจะรีบไปเตรียมของไว้ไหว้พาะต่อเพราะเป็นวันพระค่ะวันนี้ก็เลยมากราบพระจารทร์สุขสันต์วันเกิดกับน้องเขาด้วยค่ะค่ะ อาจารย์สบายดีนะคะแดดออกแดดร้อนสีเลยค่ะามรมา้ามากนี่กี่องศาพี่ักเส้ตอนนี้หรอคระโอ้หยี่สิบเก้าเนี่ยโอยี่เก้าเหมือนเมงไทยเลยนะพอครับค่ะพี่ยี่สิบเก้านี่คือในร่มนะอาจารย์บารมันกว่า30มสิบอ่าเหมือนที่นี่ได้กัประมาณสามสิบกว่าใช่ค่ะ วันนี้ร้อนร้อนมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเสาที่จะร้อนสีเลย อ, ะอ่ะวันนี้เป็นซัมเมอร์วันนี้เป็นซัมเมอร์ของที่นั่นนะใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์น่าจะมาโปรดสุกทีเนี่ยปวดทางซูงยังไงง่ายอาจารย์ยอมอะจะมาขอโช์ขอลาบยมมาปฏิบัติตามอาจารย์สอนต ล, ลอดเลย ลตื่นนึ่งแต่ตีสองทีเมื่อช้านี้ตื่นสายหน่อยตีสี่แล้วก็แต่ก็ไม่เคยขาดปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิทั้งเชา้าทเย็นค่ะแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังหัดเดินเหมือนอย่างแบบที่หลงพอจะรันสอนเดินตรงกลมนะคะนะคะแล้วยมจะมาขอขอพร อ, อนันประเสิฐขอโชคลาภค่ะอขอให้สพเป็นจเจริญให้ร้ำ้วยสวยไม่สาบานมนุรหน้า อือจ่ายถึร้อยถูกหวยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสมร์ไ ม, ม่เล่นการพนันยอย่างเดีวรวยเดี๋ยวรงละเดี๋ยวเดี๋ยวทัวร์ลงเองโอ้ไม่หรอกนะกันพักผ่อนไม่ได้เล่นไม่ได้การพ น, นันเป็นการพักผ่อนเฉยๆโอเคแอนเตอร์เทนนอนเตอร์เทนขอขอขอบพระคุณแมาจาย์มากค่ะเพราะว่าตั้งแต่เอ คุณปุ้ยเจออาจารย์ุณปุ้ยก็ปฏิบัติดีประเดิบรรัติชาอบมาตลอดเลยและขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงดีค่ะได้สาธุขอบพระคุณค่ะคุณจอยมาเช้าม า, าสายมาครับครับาาสาธุครับลุงลูพยาพยามพยายามวันนี้ทําได้เท่านี้ก็เอาเอาเท่านี้ก่อนอย่าง เ, เด็กเต่อต้าไม่เด็กก็ไม่อยากจะมาไม่เนอะก็มามาค่ะเขา เขาดูปื้มด้ปื้มด้ว้ำเมื่อเช้าเขาบอกถ่ายรูปไหมค่าแต่ว่าภาพมันไม่ใช้เขาบอกว่าเขายังบาดอยู่ไม่เป็นไรก็มาแต่เสียก็ได้ใช่ค่ะไม่ได้เช็ดกองกองมันเก่าก็ดีค่ะพยายามพาไปแบบแต่ทุกคนก็คือจะช้าแต่เราก็เราก็จะงนมีดแต่เราก็พยายามแบบไม่อยากไม่อยากไปงูมีดกับตรงนั้นนะคะเขาตามมีตามเกัน เพราะว่าจะไปได้แบบคือกะว่าจะไปรอแต่แบบไปถึงใส่ทันทีและกลับเลยค่ะอือยังไงยังไงก็ยังมาทันอยู่ค่ะก็คิดอย่างที่อาจารย์สอนตลอดค่ะค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะเข้ามากลับขใช่แล้วขายกลับไปขายของต่อเปล่าวันนี้ขายค่ะขายขายขายทุกวันขายที่บ้านเลยขายที่เดิมขายที่เดิมอะค่ะแต่ก็คนงานมันบางทีก็มีเงินซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างแล้วแต่ เพราะว่าหายกับขายกับคนงานตอนนี้ของแพงแล้วนายได้กันไดยด้วยใช่ค่ะคนตกงานเนี่ใช่ค่ะของแพงขึ้นขึ้นทุกอย่างเลยน้ํามันก็ขึ้นขึ้นหมดเลยเห็นคนมารับของของแจกไหมที่บินนบ่าเห็นค่ะไมื่อเช้าเขายังถามหเลยว่าเขาไปรับได้ไหมได้อยากจะรับก็รับได้แน่นอนแล้ลูกก็บอกว่าถ้าพ่อจะรับพ่อก็รับตรกลาแล้วกันหนูจะไปโรงเรียนแล้วเลก็เลยไม่มีใครรอก็เลยไม่ได้ไปหรอก คือคือแจกแจกทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันนะะอะอาหานที่เหนือจากที่พระท่า น, นให้ใอนุ ญ, ญาตเราไปแจกได้อะไอืมเป็นเหมือนทําบุญแล้วก็ทําทานทต่อเลยช่วยสังาะ์ทั้งพาะทั้งญาญาญาอยู่พี่น้องกันนกะ็เป็นเหมือนกันโอเก้าโฮมเราบางทีทั้งน่าราักหรือตกงานก็ได้ใช่ไหมตอนนี้เราดีช่วยเขาต่อไปเราไม่ดีก็มีคนอื่นมาช่วยเรา ใช่มาบอกว่าเมตตาคำพูนโกเนี่เราต้องมีความเมตตาต่อใคแล้วเราเราก็จะอยู่อย่างมีความหนูก็พยายามคิดอย่างนั้นระหว่างวันที่ขายของที่เด็กไม่มีตังเราก็คิดว่าใช่ค่ะถ้าเป็นลูกเราเราก็คิดใจของใจเราก็ก็ให้ให้ไปก็ให้ให้ให้ก็ให้ให้สตลอดมันจะมีแบบมาแล้วไม่ไม่มีตังมาแล้วตอนก็ให้ตอนไปดินใจแล้วก็คอยไปขอแม่ค้ากินเลย ไม่มีเงินซื้อก็ขอเฉเพราะาเห็นหน้าแล้วเรู้แล้วเขาก็หยิบให้แต่เขาก็ไม่ตาให้ไม่ตาให้พ่อเป็นเด็กไงหนูหนูก็ทําอยู่คือทํานี้คือดีหนูคิดว่าในเมื่อเราตายไปเราแบบเอาไม่ได้เราก็อาศัยแบบแต่บางทีเราเราก็เจอกระทังโลกที่แบบมันคงก็บอกจะให้ทําไมให้ไปตลอดเดี็กก็เคยตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่เราก็เราไม่รู้ว่าความจริงมันคือแบบ มันเอาอะไรไปไม่ได้อะแถ้าเ้ามีเขาไม่มาขอเราเหรอใช่ค่ะถ้าไม่ได้เงินเราก็ไม่ไปขอใครครับใช่ค่ะไม่มีเงินดีกวาให้เขาไปขโมยนะใช่คือเขาได้เขาเขาได้ไปแค่สองไม้คือเขาก็ยิ้มอิ่มยิ้มเราเห็นเขายิ้มเราก็เหมือนมีความสึกว่าเออเขาเขาาดีใจเราก็ดีใจไปด้วยะค่ะถ้าเราไม่ให้เขาเข้ามาขโมยของเราเราเขาไปโกรธเขาเลยเขาก็เขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์หนู ก็ทำมาช่อได้ทุกอย่างหนูว่านั้นหนูไปซื้อทุเรียนแล้วทีนี้พ่อเขาทุเรียบอกว่าไม่ไม่ดีเอามาเปลี่ยนได้เลยแล้วมันไม่ดีจริงๆหนูเอาไปเปลี่ยนเขาบอกว่าก็เอาไปเองก็เลือกไปเองแล้วจะมามาเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนไม่ได้หรอหนูก็หนูก็ขำในใจขำในใจว่าเออใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเราไม่โกรธเขาเราก็ถือว่าเออสือว่าเราทําบุญให้เขาไปก็คิดคิดอย่างกันไปคนทำบุญทำทานมันจะคิดอย่างนี้เวลาเสียอะไรมันคือเป็นการทําบุญทำทาน มันคีแขงไปโกรธไปก็ไม่ได้ะอะไรทุกวันใช่เพราะว่าทุกวันนี้ก็คือเหมือนก็ฝึกตัวเองก็อยู่อยู่กับแฟนก็ฝึกทุกวันอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเขาชอบก็่อ ก, กวนเราก็มาเก้าเก้ามังกรแล้วเนี่ยอยู่เขาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะค่ะ <5 S 2> <c oughs> ของคุณ <c oughs> ได้ฟอาจารนสั่งสอนทวันพยายามเข้ามาต <c oughs> ล, ลอดพยายามไปใส่บาทให้ได้พยายามแบบทุกอย่างให้ <c oughs> ใ ห, ให้ให้ได้ไปเลหรอเย่ค่ะต่อไปนะ ถ้าเราชนะเป็นมานะกรรมวัตรค่ะค่ะสาธุค่ะคุพิพิดาเชิญคพิิดากับมาัตรเกียรติเทศน์นี่บอสเสียงพูดได้เลยแล้วน่การค่ะนักขอโทษค่ะพอดีลูกชายร้องเลยต้องวิ่งเข้ามาในห้องค่ะเป็นอางนั้นกรเกียรทศน สามสัปดาห์แล้วค่ะก็ค่ะดีใจมากที่ได้ไปใส่บาทพระอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะงานกับไม่ยอะไรนะคะสามีกับกับกับอ๋อสามีกับวันเสาร์นี้ละค่ะค่ะค่ะก็หนูหนูก็ใกล้จะกลับไปทำงานแล้วค่ะที่เดิมแ่นะค่ะใช่ค่ะที่เดิมค่ะ ก็ลาไปสามปีก็กลับมาชดเชยค่ะค่ะใคอกให้พ่กลับไปก็ถือว่าดีนะค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ก็จะพยายามปฏิบัติต่อไปอย่างดีที่สุดค่ะโอเคแล้วรอากเลี้ยงลูกแล้วฝากให้คุณแม่เนี่ค่ะก็มีคุณยายแล้วก็มีพี่เลี้ยงอ่ะค่ะค่ะก็ก็ยากหน่อยค่ะเพราะว่าก็ก็ถือว่าเราได้ลาไปก็ได้ไปปฏิบัติ ค่อยๆเยอะในช่วงสามปีที่ผ่านมาค่ะก็กลับมาชดเชยค่ ะ, mm hmm. ะเจอโจทย์แบบใหม่ค่ะเรามาดูว่าการปฏิบัติของเราที่เรามาใช้ประโยชน์ได้หรือไมกับชีวิตประจำวันนึะอาจารย์เราต้องเย็นนะต้องเฉยนะเวลามีปัญหาอะไรก็ใช้สติใช้ปัญญาแค่ไม่ใช้อารมณ์ค่ะ หนูจะพยายามอย่างนี้ที่สุดค่ะพระอาจารย์แกได้ก็แกแกไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้คิดนี้ไปค่ะแต่อย่าไปมีเรื่องเวลาไม่อยาไกไปทุ่ไปร่อนอะไหรกันไม่กิดประโยชน์เลยค่ะโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรไหมค่ะค่ ะ, คะเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาได้ได้คติธรรมกลับไปแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคจ้ากราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะโอที่คุณแสงตอ มีสยาจะพูดหมปิดวลดียวพดเดีขอทราบไปนะไปไนปครับปิดหน้าแสดงหมดแล้วนหะมดแล้วครับหมดแล้วครับนี่ก็ไปที่คุณคุณดาถ้ามีคำถามทางเฟซบูทูปว่าถามได้เลยมีคาถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมดสิบเก้าคำถามค่ะ คำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเราปล่อยเงินกู้ผิดหลักธรรมะไหมคะและเป็นบาปไหมคะ <S <S ไม่บาปหรอกมันก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่ ง, งกัรกู้นะแล้วก็ขายไปแล้วเราก็เราก็คิดค่าบริการไรนีอยู่ที่ว่าเราจะน่าเลือกมันไม่น่าเลือดทํางนี้ว่าเราจะคิน ด, ดอกมา ก, มากน้อยน้อยหลายมากแล้วความหมายน้อยถ้าเรากมารมากก็เหมือนกับคืนเลือดเขา เราขาดความเมตตาถ้าเราไม่เล็กน้อยอพอพอเราอยู่ได้อย่างเงี้ยมันก็ถือว่าในการเลี้ยงชีพของเราเป็นสมาชีพ อ, อย่างหนึ่งมันก็ต้องเห็นถึงพอของคนที่เข้ามาพุ่งไปเราเขาต้องทุกขยากเ น, นี่ยเราเราไม่คนที่จะไปไปซ้ําเติมเขาด้วยการคิดดอกเบี้ยแบบแพ ง, แพงนจำนองนี่นะแต่มันก็ไม่ผิดเรา อเงนินเงินเป็นเงนเป็นเงินสินค้าชนิดหนึ่งในการบริการชนิดหนึ่งแล้วกาขายบริการให้มาาช่าเงินไปแต่เดีว่าเราก็มีเงินข้างนอกมาคืนแล้ ว, ว่าจ่ายค่าเช่าให้เราคำถามต่อไปจากคุณอู๋กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะลูกรู้สึกหมุดหงิดเวลามีอะไรมาทำลายความสงบเช่นคนในครอบครัว มีลูกต้องดูแลงานที่หนักต้องคอยให้คำปรึกษาผู้อื่นจนไม่มีเวลาอยู่เฉยๆถือว่าติดความสงบไหมคะก็แน่งว่าเราเราอยากจะให้มันสงบตลอดเวลาแต่เราไม่ยอมรับกับสภาพความจริงว่าความสงบนี้บางทีมันก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนถ้าเราอยากใช้มันสงบตลอดเวลาเราก็ไปหาที่สงบไม่มีอะไรมารบกวน ถ้าเราอยู่กับที่ที่มีการรบกวนล้วก็ต้องปรับใจต้องยาลรับสัตภาว่าการสงบนี้มันก็ไ ป, ไ ป, ไปมๆมาๆขึ้นลงท่านถามต่อไปจากคุณเดอะมาลติเวอร์ซัลยูนิตี้อนุสัยคืออะไรครับคงจะเป็นนิสัยที่ังไว้เรีว่าสันดานท้าถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าเข้าใจติดจะต้องขออภัยด้วย ก็ลองไปเปิดดูเข้าดูก็ได้นะว่าต้องความหมายว่มันสัยหรือว่าเป็นนิสัยที่ที่ไม่ไม่ฝังลรกว่าเมืะอไรเาคำว่าอันี่มันแป็ว่าไม่ใช่มก็แล้นต้องขอหมว่าเราไม่รู้จริงจินที่ต่อไปนี้ก็ดาวตอบไนเลแต่ไม่คงเยี่ยงเกี่ยวกับเรื่องนิสัยเนี่ยนิสัยนิสัยที่เลกนึกไม่เล็เล็กเราพอมงเรียกว่าสั้นาด แค่ยากสันดาปแค่ยากมาิดใจคำถามต่อไปจากคุณสุภวุฒิความสุขที่แท้จริงคืออะไรครับความสุขที่เกิดจากความสงบในใจวามม่าเป็นความสุขที่เราสามารถรักษาไว้ได้ให้ของเราไปตลอดได้มีสองคำถามจากคุณดิดค่ะคำถามแรกนิพพานมีแดนนิพพานไปเที่ยวได้เป็นอย่างไรครับ เไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีแดนไม่มีเที่ยวที่พานคือจิตใจของเราที่สงบที่ปราศจากความวรามู้สึกคหลงก็เป็นนิพพานค่ะคำถามที่สองของคุณดิดเพื่อนนั่งสมาธิแล้วไปเที่ยวแดนนิพพานตลอดเขาบอกจิตจะได้ไปนิพพานตอนตายจริงไหมครับหรือว่าเขาหลงและจะแก้เขาอย่างไรดีครับเราไม่หลงหรอกเขาทอ เ, เร่อความสงมบว่าเป็นนิพพาน เพ่มความจริงครับมันต้องเรียกว่าเป็นสมาธิเพราะว่านิพานนี้มันความสงบของนิพานนี้มันต้องขึ้นไปในระดับหนึ่งในระดับปัญญาในระดับสมาธินี้มันแค่ได้แค่สมาธิเป็นความสงบแบบชั่วคราวแต่ถ้าเราขึ้นไประดับปัญญาใช้ปัญญาทําลายความรุ่งโง่ให้หมดไปาจากใจใจก็จะสงบแบบถาวรดังนั้นถึงจะเป็นนิพานที่แท้จริง มีสองคำถามเพิ่มมาจากคุณเดอร์มัลทายเวอร์ซอลยูนิตี้ค่ะคำถามแรกคือจิตอยู่ในผวังเจตสิก ต, ตัวใดทำให้เคลื่อนออกเป็นตัวแรกครับตัวที่เคลื่อนออกก็คือความคิดเปลี่นแปนงขันขันออมันำใหคิดออกนอกคำถามที่สามของคุณเดอร์มัลทายเวอร์ซอลคือสมาธิทางพุทธระดับใดถึงดับความรู้ความ เห็นในนิมิตต่างๆครับมันเราตั้งแต่ตั้งแต่อปนาไปอัีปนาสมาธิไปมันก็จิตมันก็จะเนื่องสมบว่าไม่มีประกอบไม่มีนิมิต ไ, ไม่มีอะไรให้รับมี <S <S คำถามต่อไปจากคุณอังคีรศกราบสาธุครับนั่งสมาธิไปสักพักแล้วเกิดแสง เหมือนฟ้าผ่าแว บ, บหนึ่งทําให้ตกใจอยากถามว่าคืออะไรครับก็คือแสงนั่นเองนันคืออะไรก็ให้พิจารณาว่างแต่นอันนีจ้จากไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาอันันตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจดก็มั น, ก, ก, ม น, ม น, มนก็เรื่องของมันมันดับก็เรื่องมันไปมันผ่านแล้วก็ผ่านมันผ่านไปแล้วก็กลับมาอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องกลับไปคิดถึงมัน คำถามต่อไปจากน้องหลินหลินขออนุญาตสอบถามเจ้าค่ะเมื่อนั่งสมาธินั่งนานอยู่แต่ร่างกายเหมือนคนง่วงคอสับประงกแล้วต้องมาตั้งคอใหม่เมื่อเริ่มนั่งเหมือนเริ่มนั่งใหม่เจ้าค่ะความรู้สึกเลยเหมือนตัวหนูนั่งหลับเลยเจ้าค่ะแต่ตามดูอยู่แต่ร่างกายสับประงกแบบนี้หนูควรต้องทําอย่างไรเจ้าค่ะหนูควรจะลุกขึ้นเดินแทน ม, ม, มีสองคำถามจากคุณเมลอนค่ะคำถามแรกขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหนูอยากทราบวิธีการพิจารณาอาการสามสิบสองค่ะว่าจะพิจารณาอย่างไรค่ะก็ให้ได้ถึงชื่อของอาการสามสิบสองก่อนเช่นผมขนและปันหเมืเอ้อเอ็นกระดูกอ๋อเนื่อท่านต่อไปเราท่องนําชื่อของมันได้ยสามสิบสองอาการนะ แล้วก็มันเือกภาพผมมีลักษณะอย่างไรอยู่ตรงไหนขน ม, มีลักษณะอย่างไรอยู่ตรงไหนเลือกฟันนา้าเนื้อเอ็นกระดูกนี่มันจะมีรูปร่างลักษณะก็ให้ตำารู้จักทั้งหมดทั้งสามสิบสองันค่ะคำถามต่อเนื่องของคุณเมลอน การพิจารณาธาตุทั้งสี่เช่นเราพิจารณาธาตุดินเราพิจารณาโดยดูกระดูหรือหนังว่าเปื่อยเน่าหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรแบบนี้ได้ไหมคะได้ทุกอย่างดิกนกัดกร่นมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมแล้วก็ต้อก็ต้องกลับคืนสู่สภาพหนึ่งของมันคำถามต่อไปจากคุณเพ็กกี้นนท์ค่ะ น้อมกลับในมัธการพระอาจารย์ขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครั้งหนึ่งที่โรงพรยาบา ล, ล, บาลขณะที่โยมกําลังจะถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดโยมรู้สึกกลัวมากจนความดันขึ้นแฟนมากระซิกบอกว่าไม่ต้องกลัวตายก็ตายโยมจึงวางจิตได้ในทันทีโยมจึงกําหนดลมหายใจเข้าออกจิตกําหนดรู้ลมเท่านั้นจนสงบ สภาวะจิตช่วงนี้โยมรู้สึกว่าไม่มีร่างการ <c oughs> รู้สึกว่ามีแต่ลมหายใจอย่างเดียว <c oughs> สภาวะแบบนี้เรียกว่าจิตกับกายแยกออกจากกันหรือยังเจ้าคะาก็แยกบางส่วนแต่ยังไม่แยกเพราะยังยังรับรู้ยงลมหายใจองคำถามต่อเนื่องคือพอการผ่าตัดเสร็จลืมตาขึ้นมา ทุกขเวทนาจากการเจ็บแผลมันสาหัสมากจนไม่สามารถวางกายได้เลยเป็นเพราะเหตุใดเจ้าคะเปนก็ความอยากอยากให้ความเจ็บหายไปการสติขาดปัญญาเงี้ยก็เลย ถ, ถ้ามีสติมีปัญญาจิตก็จะวางเฉยได้แล้วก็ปล่อยให้ความเจ็บมันปรากฏของมันไปเนี่ยมันก็เสื่อมเนี่ยมันก็หมดไป คำถามต่อไปจากคุณสุพันน้อมกราบถามที่วัดของพระอาจารย์มีอุบาสิกาที่อยู่ประจําที่วัดมีบ้างไหมคะเพื่อข้าพเจ้าอยากไปบ้างเพราะอีกเจ็ดปีข้าพเจ้าจะหมดสิ้นภารกิจทางโล ก, กเกษียณ ร, ราชการลูกสาวยังเรียนอยู่ตอนนี้ข้าพเจ้าก็ฟังธรรมะเดินจงกรม นั่งบ้างสามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้ทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาได้ลงในทันทีข้าพเจ้าไม่เคยไปวัดพระอาจารย์อยู่ไกลพยาถามพระอาจารย์มีแม่ชีอยู่ไหมคะข้าพเจ้าไม่เก่งเทคโนโลยีเข้าซูมไม่เป็นเจ้าคะ่ะเออที่วัดนี้เขาก็ไม่ได้รับผลได้อยู่ประจระาอนุญาตให้อยู่เพียงชัว่วคราวข้างนอาไม่เกินเจ็วันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นหญิงไม่เป็นชายถ้าอยากจะอยู่นานนี้ต้องไปหาวัดทาวใกล้บ้านเราก็ได้แถวจังหวัดพะเยานี้ก็ม่วัดเยอแยะเครัคำถามต่อไปจากคุณสิทธิพรขออนุ ญ, ญาตสอบถามนะครับว่าการบวชมีการจำกัดอายุไหมครับขั้นตัดต้องยี่สิบปีขึ้นไปถึงกำหนด ไ, ได้แต่ขั้นสูงนี่เข้าใจว่าไม่มีกำหนดอายุเพียงแต่ว่าเขามักจะ มันก็อยากให้คนแก่มาบวชพราะอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้น่า จ, จะกลายเป็นภาระให้กับพระสงฆ์พระเจ้างั้นคนที่มาบวชจริงต้องเป็นคนที่ที่สามารถดูแลรักษาร่ารักายของตัวเองได้ปฏิบัติเองได้ทําะกิจวัตรอะไรต่างๆได้แถ้าแก่แล้วบางทีทําไม่ไหวเวลาการเป็นภาระของทูตต้องมาช่วยดูแล นนมมัักจะ ไ, ไ่รบคถ า, บบ ถ, าถามต่อไปจากคุณสิรินยาเขาโอกาสถามพระอาจารย์ค่ะการสงเคราะห์คนในครอบครัวควรใช้ธรรมะข้อไหนที่จะเป็นการช่วยเหลือโดยที่ไม่เป็นการก้าวไก่เขาและไม่ทำให้เราเสียเวลาในการภาวนาค่ะกับขอบพระคุณค่ะ เราก็ต้องรม้ว่าเขาขาดแคันหรืออะไรเขาต้องการอะไรเราก็ให้สิ่งที่เขาขาดแคลนในข้อที่เขาต้องการหรือไม่ฉะนั้ น, นเราก็อาจจะบอกเพราะว่าต้องการอะไรก็บอกได้นะอย่างนี้ก็ด้อย่างนี้เราก็จะไม่ไปรบควนรับคําถามต่อไปจากคุณอนุสรขอโอกาสขอรับการใช้จิตรักษาจิต ควรน้อมนำแนวทางเช่นไรถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาขอความเมตตากรุณาจากหลวงพ่อขอรับตอนใช้สติสมาธิและปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องรักษาจิตนะต้องมีสติที่สามารถควบคุมความคิดได้อยู่ความรูด้ได้ให้ให้จิตเป็นสงบให้มีสมาธิให้มีเบกขาแล้วก็ให้ใช้ปัญญาคอยป้องกันสิ่งที่จะมาทำลาย าามุ่เารความสงบของจิคือกิเลสตัณหาทั้งหลายอย่าให้มันเข้ามาทำลายความสงบของใจเนี่ย้เห็นว่าทุก อ, อย่างเป็นตายรักมันก็จะห้ามกิเลสได้มีกิเลสไดคำถามต่อไปจากคุณก้องรัตสอบถามพระอาจารย์สมบัติใดบ้างที่เราสามารถนำติดตัวไปได้ด้วยเมื่อเราตายครับ ก็ธรรมะบาปที่เราปฏิบัติเช่นนี้ก็เอาไปได้ทานสิงฆวานาเนี่ยเร า, เาไปได้บุญเราเอาไปได้บาป ก, ก็เอาไปได้ถ้าเราทําบาปมันก็เอาเราไม่อยากให้มันไปแต่มันก็ต้องไปกับเรามันเป็นเหมือนเงาตามตัวถ้าบุญ้็บาปยื่ถ้าไม่อยากจะให้บาปไปกับเราเราก็อย่าทําบาปทนแต่บุญอย่างเดียวคงถามต่อไปจากคุณธัญรัตน จากที่ศึกษาธรรมะของอาจารย์ถ้าเปรียบจิตเหมือนน้ำจิตกระเพื่อมเหมือนขันห้าเพราะคืออาการของจิตไม้ที่ปักลงไปในน้ำไม่หวั่นไหวคือลมหายใจเข้าออกหรือพุโทโธฉะนั้นเราต้องโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกหรือโฟกัสที่พุโทโธแต่บางครั้งมันเหมือนจะวูบลงไปไม่มีความคิดอะไรเลยรู้สึก มันว่างเปล่าเหมือนตัวเรากับอากาศหลอมรวมกันแต่พยายามกลับมาที่ลมหายใจให้จิตมันอยู่กับลมหายใจเสมือนเราโฟกัสอยู่ที่ไม้ที่ปักอยู่ในน้ำที่นิ่งเราทำถูกแล้วใช่ไหมคะคือถ้ามันเจ็บแล้วสงบเปาเอลมมันลมมันก็จะหายไปด้วยถ้าลมหายไปล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็โฟกัสตั้งจิตให้อยู่กับความสงบไปนาน ควาว่ามานานมีคำถามเข้ามาเพิ่มเจ้าค่ะจากคุณเยี่ยหัวกราบแทบเท้าพระอาจารย์ขอรับกระผมนั่งสมาธิในห้องมืดสนิทหลับตาสนิท จ, จู่ๆมีแสงขาวผุดขึ้นมาจากเดิมที่เห็นเป็นภาพดำแบบนี้เป็นอัปปนาสมาธิหรือยังขอรับหรือเป็นเพียงคณิกะสมาธิ ขอกราบพระอาจารย์ขอรับถ้ายังเห็นอะไรอยู่นี้ก็แสดงว่าจิตยังไม่สมงบไม่เป็นอันปปนาสมาธิจิตต้องว่างต้องเย็นน้องสบายถึงจะเป็นอันปปนาสมาธิได้คำถามสุดท้ายจากคุณวิไลกราบเรียนถามอ่านพศพบข้อความอยากทําบุญแต่ไม่มีเวลาไปวัดไม่มีเวลาไปทําบุญและ แต่ยังมีเวลาหายใจก็ใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์ทำใจให้สงบหายใจเข้าก็ภาวนาพุทธหายใจออกโทแค่นี้บุญกุศลมหาศาลแล้วขอความเมตตาพระอาจารย์โปรดอธิบายแค่พุโทโธก็ได้บุญแล้วหรือทำไมคะคือถ้าถ้ามีพุทธโ ท, ท, ทแล้วทำจิตให้สงบได้ก็เป็น ความสมบในจิตนี่ก็เรียกวเป็นความสดใจอย่างหนึ่งแต่ความความสดใจหรือบุญที่มันมีหลายหลายแบบหลายอย่างบุญที่เกิดจากการทำทานก็เป็นอย่างหนึ่บุญที่เกิดการรักษาสิ่งก็เป็นอย่างหนึ่งและอ น, นิสงส์ผลตอบแทนที่รับมามันก็ไม่เหมือนกันถ้าไม่ ท, ทําบุญทำทานเลยไปอยู่ข้างหน้าก็จะหดอยากขาดแทนได้ แต่ถ้าทำบุญทำทานเวลาไปข้างหน้าก็จะมีมีทรับย์สมบัติเข้าของเงินทองสมบูรณ์แต่ถ้าทําแต่สมาธิทําจิตให้สงบได้ก็จิตก็จะมีความสงบมีความสดจากความสงบแม้ว่าจะอดอยากขาดแคลนก็ไม่เดื่อยนอน ห, น, นหมดแล้วเหรอคาถามคำถามหมดแล้วเจ้คะมีคนเก็ดเข้ามาเกิดมีอะไรไนหะมเกิดเป็นสัจจกรณ มาเปิดใหม่ก่อนอยู่มุ okay. ้งล่างครับอาจารย์ไี่ยินดีครับในยินละนวันนี้ <Okay. S 2> ามาเัสยนรูร้ากยอาจารย์แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับ <Okay. S 2> คือ <Okay. S 2> หลังจาก <Okay. S 2> ได้ครับก็การปฏิบัติธรรมนี้สำคัญมากตรงที่ว่าเราจะต้องมีสติรู้เท่าทันจิตตรงที่ว่าถ้าเราเจออารมณ์อะไรมากระทบนี้ให้เราสังเกตอารมณ์นั้นเช่น มันที่เคยรับไปแล้วว่าถ้าบรรู้โสดาบันนี่เราก็ร่างกายไม่ใช่เราของเราตัวเราแล้วก็ให้รู้พอเราเจ็บเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆแล้วก็รอสักพักรอใ ห, ให้ให้อาการเจ็บมันหายไปเพราะว่าเราพิจารณาว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่เรานะสักพักมันก็จะหายไปพอเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาขั้นส ก, กิทาคามีให้เราเรียดรู้ตัวให้ไวแล้วเรามันจะเป็นไ ป, น ป, นปนแบบอัตโนมัติเลยนะครับ เราให้เรารู้ความโกรธนั้นเราเราต้องไม่โกรธเราต้องฆ่าความโกรธความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมันจะเบาบางลงแบบว่าหลังจากนั้นเราจะไม่โกรธหรืออะไรที่มันรุนแรงนี่มันจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยครับแล้วก็ที่ล่าสุดนี้ผมได้ประสบการณ์จากความฝันครับฝันเห็นหลวงตามหาบัวแกขึ้นรถรถตู้สีดําำครับหลวงพ่ออาจารย์ ฝันเมื่อคืนที่ผ่านมาในตอนตอนวันนี้เลยครับแล้วก็เปิดประตูรถถึงด้านด้านด้านขวานะครับด้านด้านสไลด์มาด้านขวาแล้วผลงตาร่งอยู่ในรถเป็นรถตู้เหมือนการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถที่จะเสียงมุนนายไปไม่ได้ยินนะยังต้อง เ, ป, เปิดมาให้การรับเกยบ หมดได้ยังกลาเวลาจะหมดแล้วนะขอให้สนุกในได้ไหมเปิดไมค์ได้ไหมครับนะครับโอเคครับเปิดได้เยครับก็เห็นเหมือนรถรถรถของหลวงตานะครับสามารถการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอัตโนมัติก็จริงอยู่แต่ว่าสามารถที่จะเป็นเหมือนรถยนต์ที่พาเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือกราณิพานได้ <c oughs> ถ้าเป็นของผมนี่จะฝันเห็นเป็นแค่รถแค่สองคนก็คือผมกับภรรยาเป็นทางเรียบเลยนะครับแล้วก็แต่พอนึกถึงจะมีคนมาซ้อนอีกสี่คนรถนั้นก็จะจมลงไปในถนนไม่สามารถไปต่อได้ก็จะมีแค่ผมกับภรรยาสองคนที่สามารถไปต่อได้แต่ถ้าเป็นหลวงตามหาบัวนะครับเมื่อคืนผมฝันเห็นจริงครับสาอ น, านันตวันาสาธุ จะเป็นรถตู้เลยนะครับเป็นรถตู้เหมือนเอาผ้าสีดํำมาครับประตูสไลด์ข้างขวาจะเปิดออกมาครับก็เห็นหลวงตานั่งอยู่ในนั้นก็เหมือนที่พระอาจารย์สอนว่าให้ตั้งจุดมุ่งหมายปลายทางไว้ที่พระนิพพานไว้เลยโดยที่การเราต้องเป็นอริยบุคคลก่อนแล้วก็จะปฏิบัติไปตามอัตโนมัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเราก็มาปฏิบัติมันก็จะได้เห็นผลตามนั้นจริงๆครับคุณิชิตาฏชล ร้อยไปงรยนะใช่ครับรายทาขอบคุณมากครับนมันสการครับนี่ใครอยากจะทำอะไรไหมเนี่คุณเิเปิดคุณเปิ้ลเปิดหน้าจอไม่มีแล้วครับโอเคบายถึงทั้งหนึ่งขอบคุณคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลครับเียอ๋อากนมัสการพู้อาารย์ค่ะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วหนูได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่เขาชีโอนนะคะ ที่ที่กับที่เข้าสู่มารายงานพระอาจารย์ครั้งแรกนะคะ mm hmm. หนูจะมากับขอพระคุณพระอาจารย์ในความเมตตานะคะวันนั้นพระอาจารย์ลองได้แนะนําให้หนูลองไปเดินด้านข้างข้างนอกทดสอบเรื่องความกลัวนะคะ mm hmm. ก็เดินไปสามสิบนาทีความกลัวมันก็หายไปะคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่แต่ตอนไปปฏิบัติมันยังขาดสตินะคะ่ะพุโทโธมันไม่ค่อยติดนะคะกลับมาทํางานหนูก็พยายามทําอยู่พยายามนึก พูดโทรค่ะพระอาจารย์แต่หนูมีปัญหาเรื่องความคิดนะคะเป็นคนชอบคิดนะคะการดึงมามันไม่ค่อยอยู่กับตัวเลยขอโอกาสคําแนะนําจากพระอาจารย์ใ ห, ให้คิดไปในทางทำให้คิดถึงอาการ32ไปเลยค่ะไปเลยมันบบชอบคิดกาให้คิดถึงอาการ32ผงฝนเล็นั้นหนัเน้อเอ็นกระเดท่องไปทั้งสาวทอาการหรือว่าคิดไปทางคาสอนที่พุทธเจา้สาสอนว่าเราเกิดมาแลาา้วย่อมต้องแก่เป็นธรรมดา เจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาเท่าตายเป็นธรรมดาเท่ตาพาดาจากการเป็นธรรมดา <c oughs> คิดแบบนี้ไปเรืนน่อยๆก็ได้ถ้ามัชอบคิดนะหรือมันคิดตามบทสวนบนใจก็ได้สวดมีตีปริ <c oughs> สวไปก็ได้แล้เดียวก็จะหยุดคิดหนึ่งยังวมันเหนื่อยมันก็จะหยุดคิดหนึ่งกาขอบพคุณพระ อ, อาจารย์ค่ะโอเคนั่งเพนธานภาแล้วเข้าภาใหม่ไปเับ เป็นาอากจะพูอะไรนะเหมือเวลายืดหน่อยบางทีพูดได้เลยค่ะตามนามาสการค่ะพระอาจารย์จริงๆตามมาตลอดนะคะแต่ว่าหนูมือใหม่มากแค่วันนี้อยากจะแค่เข้ามากราบพระอาจรยค่ะอยู่ที่ไหนนี่อยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพอันนี้ทดลองเข้ามาดูเลยว่าเข้ามาได้บ้าใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะอาจจะค่ะ ขอขอนุญาตกลัาวถามค่ะถามข้าววันพุธสามารถเข้ามาได้สองทุัมค่ะโอเค่ายๆเท่านีก่อนนะค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมมคำนามีหนึ่งกำถามปะเภทแบบยู u ูบนะครับโอเคมีคำถามจาก YouTube เพิ่มเข้ามาหนึ่งคำถามค่ะมหาเศรษฐี เคยฝันว่าตัวเองเป็นพระหมายถึงอะไราครับผมไม่ยึดติดขันห้าครับปัจจุบันฟังธรรมะได้ยินสียงสวดมรู้สึกมีความสุขมากครับแต่หมดโอกาสบวชแล้วเนื่องจากสภาพร่างกายครับก็บวชใจไปแทนเราถือทำได้โดยที่เราไม่ต้องบวชก็ได้ทางร่างกยายแต่ใจเราก็เหมือนกับบวชเป็นนั่งบวชด้วยเสียงสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่อง ฝากวอะไรใจว่างกับนักประการถามคําถามพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าก็ที่พระอาจารย์เคยสอนว่าถ้าถ้าอยากจะรู้ว่าปฏิบัติทําได้นั้นก็คือทุกน้อยลงไหมะคะ่ะทีนี้ในส่วนของหอนูมันมองเห็นความทุกข์แต่ว่ามันก็สุขอยู่ข้างบนในในขณะเดียวกันคือเวลาที่เราทํางานเรามีความทุกข์เราก็จะเห็นว่าเกิดแก่เด็ดตายพนัก ง, งานสมัครงานเข้าพนัก ง, งานลาออก มันมันเหมือนเห็นเป็นเป็นวงล้อชีวิตเนี่ยค่ะอันนี้มันมันเกิดขึ้นความทุกข์ที่เราเห็นหรือเป็นความทุกข์จริงๆที่ที่ที่ยังปฏิบัติธรรมไม่ถึงไหมจ๊ะค่ะอาจารย์ไ้เราก็เห็ น, เ ห, นเห็นด้วยความคิดก่อนเนี่ยแล้วต่อไปเวลามันเกิดกับตัวเราเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะได้ตัวเองเป็นพระหมายถึงอะไรครับผมไม่ยึดติดขันห้าครับ ้าใจหค่ะก็คือให้ให้คิดทำการบ้านไว้ก่อนเตรียมตัวให้ก่อนพอถึงเวลาเกิดขึ้นเราจะได้ทำใจได้ค่ะขอบพระคุณจ้าค่ะมีใครอยากจะทำอะไรไหมเหลืออสามนาทีเ่อพอแล้วนะพอสมควรแล้วจัดนะจะจังหวะนะ ขอให้ท่นนานยงน้ำเสิยงที่ได้ยินได้ฟังไปที่พิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเชอ